ค่ะสวัสดีครูโมค่ะีค่ะครูโ ม, โมเจ้าของสถานที่เนาะที่เปิดโอกาสนะคะให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะจริงๆ ร, รู้สึกคุ้นเคยเนาะไปๆมาๆเนี่ยจริงๆชาวพูดอย่างพวกเราน้อยนิดเดียวนะคะเพราะนั้นไม่แปลกหรอกคะ่ะถ้าวันหนึ่งไปไหนเราจะเจอคนคุ้นเคยกันนะคะ ธรรมดาอยู่แล้วที่ชาวพุทธเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆในในสังคมในทุกๆครั้งที่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนั้นนะคะเชิญค่ะออกขอบคุณมากเลยพ่ามลิไม่รู้หรอกยังว่าจะเลื่อนโต๊ะมาไหม <laughs> <laughs> เลื่อนโตไหมดีกว่าไหมนเนาะจะได้ดูโอเคครับอ่า ไปโต๊ะไปเลยใช่แล้วโอเคใช่ ใ, ชใช่ใช่ใช่ใอันนี้เปนจะบังหน้าไหมคะไม่บังอะค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราหมุนเดี๋ยวเราจัดจัดกันใหม่ธรรมะเราใหม่ๆหม่สดๆดร้อนๆค่ะโอเคได้เลยไปค่ะอันนี้เอาอันนี้เอาออกเลย <Okay. S 1> ได้ไหมค่ะอดอกไม้เขาต้องใช้ไหมถ้าไม่ใช้มีเป็นไรเรากันเองนะคะอย่าไปคิดว่าเรามีพิธีรีตองเลยจริงๆ การสนทนาธรรมเนี่ยล้อมวงอย่างเมื่อกี้ลงห้องอนุบาลก็ดูดีนะคะครูโมรอบหน้าเราอาจจะล้อมวงก็ได้นะคะแต่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวคราวหน้าใส่ป็นเกงมาจะได้สะดวกรู้สึกว่าเวลาเข้ามาสถานที่ที่เป็นโรงเรียนอะผู้หญิงเนาะเดี๋ยวคราวหน้าจะใส่ชุดแบบครูโมมาเนี่ยละคะ่ะเพราะโดยธรรมชาติเป็นคนชอบนุ่งพ้สิ้นอยู่แล้วอืมแล้วมันเรียบร้อยนะคะครูมันไม่ค่อยอ้นั้นเท่าไหร่ค่ะอ่าทําใจสบายหวานหวานหวาน ธรรมะผู้เจ้านะคะสดชื่นเบิกบานบานเหมือนคนพูดในราคาหน้าบานตลอดเวลาอยู่ไหนค่ะเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเห็นจิตใจของตัวเองที่เปลี่ยนไปไหมค่ะลองสังเกตการพาวน้ำไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันประหลาดนะคะแล้วจริงๆเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ฝากไว้กับใครเพียงแค่พระภิกษุสงฆ์หรือวัด นะคะคต้องบอกเลยว่าครั้งพุทธการผู้เช้าเนี่ยฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบรธิษัทสีเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเ อ, อในห้องนี้มีใครไหมคะที่ยังไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อประโมทประโมทโชวัวดสวนสันติธรรมทุกคนได้ฟังหมดเนาะอะจะได้เป็นทีอันเดียวกันนะคะใครในห้องนี้ยังไม่เคยไปวัดสวนสันติธรรมเลยมีไหมคะอ่ามีจํานวนหนึ่งค่ะโอเคที่ฟังเนี่ย เพิ่งสองเดือนมีไหมคะปีหนึ่งขึ้นไปสองเดือนอ่ะพี่ผู้ชายสองเดือนนะคะปีหนึ่งขึ้นไปใชส่วนใหญ่ไหมเนาะหนึ่งปีขึ้นไปนะคะอ้าวล ะ, ะเราดูนะคะว่าศาสนาพุทธถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆแล้ววันหนึ่งเราเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้านะคะวันนี้เนี่ยข่าวต่างๆที่เราเราได้ยินได้ฟังมานะคะ เราจะเข้าใจเลยว่าข้างพุทธการก็มีแบบนี้แหละเนาะแล้วเป็นเรื่องของตัวบุคคลพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสัญ จ, จะแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันไม่กระทบกระเทือนด้วยหรอกนะคะแต่คนทั่วไปมักจะอ้อมีข่าวอย่างนี้ไม่เอาแล้วเริ่มตั้งแต่ไม่ใส่บาตรพระนี่มีเริ่มไม่ใส่บาตรพระมีการแอนตี้ห้ามให้เงินพระโอพระอยู่ยังไงอะคะข้างพุทธการมีอะไรคะเขาเรียกว่ามีวัยจรว จ, วจกร ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเพราะนั้นแสดงว่าพูะเ้าไม่ได้ห้ามเรื่องการถวายปัจจัยและยิ่งการดํารงชีพยอยู่ปัจจุบันเนี้ยถ้าไม่มีปัจจัยเดินลำบากนะคะจะไปทุดงเดี๋ยวนี้ป่าเขาก็ไม่ให้พระไปอยู่เลยเขากลัวจะไปทําลายป่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นยากเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราบอกเลยว่าผู้หญิงผู้ชายที่สนใจธรรมะพระสัตธรรมคำสอนพระพุทธองค์เนี้ยที่เราเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาอย่างที่วันนี้นะคะพวกเรามาทําหน้าที่นะคะ เราเรียนรู้ก่อนนะคะว่าจริงๆเนี่ยศา ส, สนาพุทธผู้เจ้าพูดเรื่องอะไรผู้เจ้าสอนอะไรเราไว้บ้างนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธบอกไว้ชัดเจนนะคะไม่ได้มุ่งสู่ความสงบนะคะเราไม่ได้มุ่งตรงไปเพื่อให้จิตเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านนะคะมีเชื่อว่าตรงนี้เป็นนักภาวนาแล้วละ่ะนะอย่างน้อยฟังซีดีหลวงพ่อมีมากกว่าหนึ่งปีผ่านไปอ่ะนะคะพวกเราเข้าใจละ ส่วนหนึ่งว่าทําไมต้องมาเดินเส้นนี้นะคะแต่จะมีกี่คนเดินแล้วได้ถูกต้องนะคะธรรมุพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มุ่งตรงที่ความสงบนะคะไม่ได้มุ่งตรงว่าจิตนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่านนะคะมุ่งตรงชัดเจนที่สุดเลยว่าทําอย่างไรเราจะพ้นทุกข์แล้วเราพ้นทุกข์ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่หาอาศัยแค่ความศรัทธาแต่เป็นศาสนาที่ต้องมีสติและปัญญาถึงจะเดินได้จริง นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พระเจ้ามุ่งตรงวัตถุประสงค์สูงสุดของชาติพุทธต้อง้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่เราเห็นไหมคะว่าคนในทั่วไปในโลกใบนี้ก็ยังมีความรู้สึกเลยรวยแล้วมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมีความสุขเก่งแล้วมีความสุขแล้วเราดูจริงๆมะ มีจริงไหมคิดว่ามีอํานาจแล้วจะมีความสุขอํานาจล้นฟ้าด้วยอะวันนี้เราเห็นเลยเนี่ยหน้าหนึ่งซีพิมพ์เนี่ยสภาพแวดล้อมแล้วไม่ใช่เกิดแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดนะคะประเทศจีนเคยเป็นยังไงนะคะโอ้โห GDP ปีละเท่าไหรอ่อ่ะสองหลักเนาะตอนนี้เหลือหลักเดียวเจ็ดแปดเก้าจนตอนนี้มันติดลบเราจะเห็นเลยทุกอย่างที่เราคิดว่ามันมีความสุขเนี่ยสุดท้ายมันเปลี่ยน มันมีความสุขแค่ชั่วคราวนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าทำไมล่ะเราบอกมีความสุขมีความสุขแต่ยังทุกอยู่เลยและพยายามนะคะคนในโลกใบนี้นะคะทั้งคนไม่ภาวนาและภาวนาก็พยายามดิ้นรนหาความสุขทำยังไงก็ได้ให้ไม่ทุกนะคะแต่ดิ้นยิ่งดิ้นรู้สึกไหมมันยิ่งทุกข์มากขึ้นนะคะเพราะ คนในโลกใบนี้ไม่เคยรู้เลยแม้กระทั่งว่าความทุกข์จริงๆอยู่ที่ไหนความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรมันถึงไม่เคยปนทุกข์สักทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราลงมือนะคะมาศึกษาศึกษาก่อนศึกษาพระเจ้าสอนอะไรแล้วทําไมอะพระเจ้าถึงมุ่งตรงมาถึงความทุกข์เพราะจริงทุกคนในโลกใบเนี้ในหนึ่งชีวิตนะคะชีวิตคนเนี่ยมีแค่ทุกข์สองอย่างเท่านั้นละคะ่ะทุกข์กายกับทุกข์ใจนะคะ นั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราศึกษาก่อนนะคะแล้วเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะคะจะไม่ช้าเลยไม่ใช่ว่าทำอะไรชาตินี้แล้วชาติหน้าเราถึงจะมีความสุขชาติหน้าเราจะไปขึ้นสวรรค์ชาติหน้าเราถึงได้ดีไม่ใช่ถ้าคุณทำถูกศึกษาก่อนแล้วปฏิบัติลงมือได้ถูกคุณพ้นทุกเดี๋ยวนี้เลยนี่ใช้คานี้เลยนะคะถ้าคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเนี่ยจะเห็นเลยนะคะคนที่มาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อ นะคะเขาเห็นความทุกข์กระเด็นออกไปจากหน้าตาณขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าต้นทางแห่งความทุกข์เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์นี้มีสองส่วนเท่านั้นละคะ่ะทุกกายกับทุกใจเนาะมันหนาวทํำยังไงอะคะเนี่ยเห็นไหมเราผ้าปันคอเรามีอะไรมันก็แก้ได้ชั่วคราวเนาะมันร้อนไปอาบน้ําเข้าห้องแอร์มันก็แก้ได้ชั่วครา ว, เร า, า ว, ว, าวเราหิวข้าวกินข้าวเดี๋ยวหิว อ, าาอีกไหมวันหนึ่งบางคนสามบางคนห้าเนาะแล้วแต่ดีกรี เนีเราจะเห็นเลยความทุกข์ของร่างกายเนี่ยมแก้ได้ชั่วคราวนะคะแล้วมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะไม่สอนความทุกข์อะไรที่แก้ไม่ได้เลยจนร่างกายเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งมันโดมบิบเค็มจนร่างกายนี้รับไม่ไหวมันก็ต้องตายไปนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงมุ่งตรงมาถึงความทุกข์ที่สามารถแก้ได้นะคะก็คือแก้ทางด้านจิตใจเราแหละ เนี่ยเรามีตัวอย่างวันนี้นะคะเนี่ยคุณป้าธิดาอุตส่าห์มาแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์มันแก้ไม่ได้หรอกนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนหะแต่คนทั่วไปรู้สึกยังไงก็ยังแข็งแรงอะ่ะเรายังรู้สึกว่าแข็งแรงเหมือนเดิมอืมแลนะจากนั้นเมื่อวันหนึ่งสังขารมันปรากฏตั้งแต่ผมเริ่มงอกอ่าติงกาเริ่มมาเราเริ่มต้องทําไงคะต้องมีทรพัพยแล้วเนาะต้องมีโยคะนะจนล่าสุดคือสเต็มเซล นะซึ่งเรามีความเชื่ออย่างนั้นนะคะมีก็เห็นบางคนใช้ก็ได้ผลนะคะแต่แต่ชั่วคราวหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คนในโลกใบ น, นี้ดิ้นรน ข, ขวายคว้าตลอดเวลาแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยเราก็พยายามยึดว่ามนนันยังต้องแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะแต่เปล่าข้อเท็จจริงถ้าวันหนึ่งนะคะเราเข้าใจธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยมันทุกขอยู่ตลอดเวลามันแสดงความทุกข์จริงๆแต่เราไม่เคยมาดูมันเท่านั้นแหละคะ่ะ วัน ะ, ะ, ะนั้นเรามาเรียนรู้นะคะในสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าเราพ้นทุกข์กันได้ยังไงด้วยจิตใจนี่แหละคะ่ะขาอนี้ใจเป็นยังไงล่ะวันหนึ่งมันทุกข์อะไรบ้างนึกออกไหมก่อนที่มีเชื่อว่าโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยเป็นโรงเรียนหนึ่งอยู่ในใจของพ่อแม่ชาวพุทธนะคะที่อยากเอาลูกมาเรียนนะคะเมื่อกี้แอบถามครูโมมาละบอกเอะเราสอบยังไงเขา อ, อกไม่แล้วค่ะสอบผู้ปกครองก่อนอ่า ต้องมาหลังจากสอบผ่านแล้วต้องมาเรียนสามสิบชั่วโมงก่อนอ๋อนะคะหลังจากเรียนสามสิบชั่วโมงผ่านไปโรงเรียนรับพ่อแม่เป็นยังไงดีใจไหมดีใจอ่ะเรามีความสุขละแต่หลังจากนั้นเรียนไปจนกระทั่งลูกจะเข้ามาหาลัยกังวลอีกล้วอืมจะสอบได้ไหมเข้าได้ไหมได้ที่ไหนได้จุฬาได้มหาดลได้อะไรไหมสุดแต่ที่เราจะคิดว่าตรงนั้นนั่นมันมีความสุขอ่าจากนั้นลูกเป็นยังไงอ่ะต้องหา ครอบครัวใช่ไหมอ่ะคนโสดทุกไหมนีเชื่อว่าคนโสดก็ทุกนะคนมีครอบครัวไม่ต้องพูดเลยเ<ช>นาะตั้งแต่คนที่เรารักที่สุดเลยข้างกายเราอยู่ไปสักพักเ <_' S 2> หลือแค่คนรู้จักอืมจากคนที่เคยรักนะเหลือแค่คนรู้จักละนะคะลูกเราละ่ะเราต้องห่วงแล้วมันจะเป็นวัตตะแบบนี้ตลอดเวลาเหมือนที่พ่อแม่เคยห่วงเราแล้ววันนี้เราก็มัห่วงลูกเราแหละสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นจิตใจนี้เลยมันสุกแป๊บเดียวเสร็จแล้วยังไง ความเครียก็ตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นคนในโลกใบนี้ถึงทุกตลอดเวลาเพราะไม่รู้แม้กระทั่งว่าทุกมันเกิดตั้งแต่เมื่อไร่แล้วเหตุอะไรที่เป็นทุกข์อ่าเรามาดูสิเนอะในจะ ก, กระชับนิดนึงเพราะรู้สึกว่าคนมาส่งกันบ้านเยอะกว่าคนมาฟังเนอะ <c oughs> คือถ้าส่งกันบ้านหมดเลยนะเดี๋ยวคนที่ยังไม่เคยฟังแล้วเพิ่งฟังสองเดือนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ปูนิดนึงซึ่งวันเนี้สิ่งที่มารีพูดนะมารีบอกเลยมันเป็นพื้นฐานจริงๆเลยของคนในโลกใบเนี้ย นะคะคแล้วโดยเฉพาะนักภาวนาทั้งหลายแหละนะคะคิดว่าโอ้ภาวนาต้องทําอะไรอาศาัศจรรย์ลึกลับนะคะเรามาดูตรงๆเลยวิชาไม่ได้สอนให้เราแก่ที่ปลายเหตุนะคะเห็นไหมว่าปัญหาในชีวิตเราทุกวันเนี้ยถ้าเราแก้ปลายเหตุเมื่อไหร่ไม่มีทางหายเลยนะคะเราต้องมาดูต้นเหตุอืมต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากใช่ไหมคะเห็นไหมเราอยากอะไรทั้งวันไหมอ่ะเราอยากไปทางไหนบ้างคะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ ใจเนี่ยอยากตลอดเวลาเนื่องไหมคะอ่าสมมติจะไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งเราไปแค่ดูหนังไหมจบแค่นั้นไหมไม่นี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมโรงหนังมันถึงไปอยู่ในศูนย์ห้างสรรพสินค้ า, าเพราะหลังจากนั้นมันจะมีต่ อ, อยากอยากไปเรื่อยๆนะกินข้าวซื้อกระโพดเป๊ปซี่ไปเรื่อยจนกระทั่งออกมายังมีเวลาชอปปิ้งอีกหน่อยเยแล้วจะเห็นความอยากอย่างเนี้ยตลอดเวลานะคะแล้วความอยากนี้เปลี่ยนแปล ง, ปลงดีกรีไปเรื่อยๆนะ แต่คนในโลกใบนี้เขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าความอยากแค่อย่างเดียวยังไม่พ้นทุกข์หรอกมันไม่ทุกข์หรอกความอยากแค่อย่างเดียวไม่ทุกข์ต้องอยากแล้วไม่ได้ถึงจะทุกข์จริงๆคนทั่วไปคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะอะไรเวลาที่เราอยากแล้วเราสนองมันได้เนี่ยมันให้ความสุขเรานิดเดียวนะหลังจากนั้นเป็ไงทุกใหม่เพรอยากตัวใหม่อีกเนี่ยเดินเข้าไปโรงหนังออกมาพอดีเลยเมื่ออาหารเย็นอยากอีกแล้วจะกินอะไรอ่า ะะยิ่งทําแม่บ้านทั้งหลายแหละนะคะไอ้คาถามนี้เป็นคําถามที่โลกแตกที่สุดเลยเย็นนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้เช้าลูกจะกินอะไรดีเนี่ยมันวนเวียนอย่างนี้นะแล้วเราถามกันอย่างนี้ทุกวันเลยจน MK เอมเคเาต้องบอกว่าไงกินอะไรกินอะไรมากินเอมเเนี่ยแหละเพราะมันเป็นเข้อเป็นคําที่ทุกคนอยู่ในใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะเขารู้กิเลสคนนะอืเขาถึงมาดึงพวกเราไปได้เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานมาร์เก็ตติ้งนะคะ จะภาวะยากนิดนึงอ่ะเพราะไปกระตุ้นความอยากของคนตลอดเวลายกตัวอย่างเลยลูกสาวมลีเนี่ยนะคะจบมาเนี่ย <c oughs> เขาจบนิเทศจุฬาอตอนที่ฝึกงานเนาะเขาก็ไปฝึกที่เนี่ยสำนักพิมพ์ใหญ่อันหนึ่งจากนั้นไปต่อโทกลับมาเพื่อนที่เคยพี่ที่เคยฝึกแล้วก็อาไปตอบแทนพระคุณเขากันละกันเนาะเคยฝึกงานให้เราแต่เรารู้ลึกๆแหละเขาก็รู้ลึกๆว่าอันนี้ไม่ใช่หรอก นะเ ข, า, ขาบอกช่วยไปทําเว็บไซต์ขึ้นให้เรียบร้อยหน่อยเพราะเขารอคนมาทมําอำก็ขึ้นเสร็จก็ออกเลยค่ะเขาก็าตกใจมากเพราะนื้อมันเป็นการสักเซสอันหนึ่งแล้วนะในใ น, ในการดําเนินชีวิตอนะ่ะคุณนึกออกไหมอะ่ะมีบอกเลยนะเดี๋ยวเขาคานเซอรออกไปใครผู้หญิงเคยนังอ่านซื้อแอลไหมในเว็บไซต์อันนั้นนะลูกสาวมันได้ทำขึ้นในระบบทั้งหมดให้เขาเลยจนเสร็จแล้วลาออกในช่วงที่เขาทําเขาทุกทรมานมาก เขาเห็นกิเลสเองเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเพราะเราต้องกระตุ้นนะมันต้องอัพโหลดตลอดเวลานึ่องออกไหม Instagram ม a c e b o o k ทั้งหลายแหละเหล่านี้เพราะนักภาวนานะคะถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆนะคะต้องไม่ยุ่งกับสิ่งที่ทำลายสติและปัญญาเราแชทไลน์ f a c e b o o อิน s t a g กร m นี่ของต้องห้ามหมดเลยของต้องห้ามเลยนะคะคือคือถ้าทำคุณยังอยู่นะคุณภาวนาไปก็ได้นะก็จะเป็นปุถุชนคนดีแต่พ้นทุกข์ได้ไหม ไม่พูดเลยว่ามันยากมากอะยากเพราะสิ่งแรกเนี่ยโมหะมันครอบไปละอืมนะคะเชิญนะคะด้านหน้ามีที่นั่นนะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะเพราะนั้นเราก็กลับมาดูว่าคนทั่วไปเนี่ยอยากเขยังไม่รู้ว่าทุกจนวันหนึ่งเนี่ยต้องไม่สมอยากถึงจะทุกแต่เปล่าถ้านักภาวนาแล้วเราลองกลับมาสังเกตกายสังเกตใจเรานิดหนึ่งนะคะทุกครั้งที่เราอยากเรามีภา ร, ระทันทีเลย ตั้งแต่อยากให้ลูกมาเข้าโรงเรียนรุูงอรุณพ่อกับแม่ต้องหัวชนกันติวก่อนเนาะจะต้องมาสอบอ่ะทุกแล้วยังนะคะตั้งแต่อะไรอีก่ะที่เราคิดว่าเราเราผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามวันหนึ่งนะคะอยากมีแฟนทําไงก็ไปปิ้งคนเนี้มันต้องรู้ละคนนี้ชอบอะไรเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกดีกับเราเนี่ยทุกตั้งแต่ตรงนี้ละหลังจากนั้นเริ่มหมดอิสรภาพนะ อะไรที่เขาชอบเกิดเราไม่ชอบด้วยหมดอิสรภาพทันทีเลยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เพราะยังอนะินอยู่เนาะมันยังเป็นอินเลฟอยู่มันไม่รู้สึกแล้วนะคะเราไปสังเกตดูนิดนึงนะคะลองดูสังเกตกายสังเกตใจอย่างที่มันเป็นว่าจริงจริงไหมนะคะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้เชยชวนให้ให้เชื่อนะคะเราต้องลงมือแล้วก็น้อมเข้ามาหาเราจริงๆแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสจริงไหม เอหิปัสสิโกโอปะณียโกถ้าใครสวดมนต์นะแปลเข้าใจเลยสมัยก่อนแรกๆเนี่ยไม่ยอมรับเลยสวดแล้วแปลแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยมันแปลไทยเป็นไทยอีกเป็นยังไงอ่ะน้อมเข้ามาหาใส่ตัวน้อมยังไงนึกไม่ออกหรอกค่ะนะคะจนวันนึงเนี่ยมาเจอหลวงพ่อประมวลท่านย่อยธรรมะจนละเอียดว่าอ๋อมันน้อมยังไงอเออนะคะพวกเราในที่เนี้ยฟังเป็นเป็ดปีมาแล้วเนี่ยรู้แล้วล่ะว่ามันน้อมกันยังไงเพราะฉนั้นเราพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ล่ะนะว่า ความอยากจริงๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่พวกเราอยู่ดีห้ามความอยากได้ไหมอา้าวทุกคนอยากคิดตอนนี้ได้ไหมเห็นปะมันอยากขึ้นมาทันทีเลยมันอยากคิดนูนอยากคิดนี่เพราะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าสอนเรานะคะดับที่เหตุนะคะเราไม่อัดดับที่ปลายเหตุนะคะเพราะนั้นเรามาดูต้นเหตุเนี่ยคือความอยากเราห้ามตัวอยากตรงๆไม่ได้นะคะเพราะอะไรนี่เป็นธรรมชาติ นะคะของกายกับใจที่เขามีหน้าที่คิดหลวงปู่ ด, ดูลบอกธรรมชาติของจิตมีหน้าที่คิดนะคะพวกชาวโลกทั่วไปรู้สึกยังไงไม่ได้รู้หรอกนะว่าเอ้ยการที่เราลงไปอยู่ในความคิดเราอยากปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมานักภาวนาละเอียดมากกว่านั้นวันนึงลงมือภาวนาทํำยังไงอะทําไงไม่ให้มันคิดเน่ยทำไงจิตต้องสงบสิทําไงจิตต้องไม่ฟุ้งซ่านนี่ประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง สุดท้ายสิ่งที่คุณได้เจอคืออะไรอัทธกิริยามัฐานิยมการบังคับกายการบังคับใจนะคะตอนนี้เราเห็นแล้วความอยากทำให้เกิดความทุกข์ <c oughs> แล้วทำไมเราถึงอยากเราสามา ถ, ถึงต้นเหตุอีกเพราะเราดับตัวความอยากตรงๆง่ายนะคะอะไรทำให้เราเกิดความอยากเรายอมรับความจริงไม่ได้ <c oughs> ในสิ่งที่มันเป็นในขณะนั้นในคนคนนั้นที่เราต้องเจอ เหตุการณ์น้ำท่วมสี่เมตรมายอมรับได้ไหมไม่ได้หรอกทุกกันทั้งประเทศเลยเนาะเดี๋ยวมันก็ไปบังบัวทองเดี๋ยวเขาบอกจะไปแปดลิ้วอ่าเอาอยู่เอาอยู่สุดท้ายอยู่ไหมไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือความที่เรายอมรับความเป็นจริงไม่ได้แล้วมันจะลุ้นหนักเลยตอนมันจะท่วมไม่ท่วมนี่แหละนะคะพอท่วมไปแล้วเป็นไงมันต้องยอมรับแล้วอะต้องใช้คําว่าต้องยอมรับแล้วนะไม่ใช่ยอมรับความทุกข์หายไปครึ่งหนึ่งละ ตอนนี้ความนึกเปลี่ยนใหม่จะทํำยังไงเนี่ยไอ้ที่มันท่วมแล้วเนี่ยจะจัดการกับมันยังไงอ่าแล้วหลังจากที่มันหายท่วมแล้วจะต้องรื้อบ้านยังไงเออหลายๆท่านนะคะสร้างบ้านใหม่เลยเพราะไม่สามารถสี่เมตรแล้วเรานึกไหมปีนี้จะมาไหมปีนี้จะมาไหมมันมีอานิโยหลายปีเนาะกลับกันมันจะต้องเป็นอนโยแล้วนะอ่าน้ําจะเยอะละอ่ะอันนี้ไม่ใช่หมอดูหมอเดาเกจิเราดูเราดู อาาศจริงๆอ่ะเนาะงอมเป็นอย่างเงี้ยเราเคยหนาวจนถึงช่วงนี้ไหมอ่ะมีนาเนี่ยเมื่อเช้ายัางหนาวนิดๆนะคะต่างจังหวัดไม่ต้องพูดเลยค่ะโคราชยังเย็นมากอยู่เลยอืมเนี่ยมันมีนาละเชียงรายมีขึ้นลงบ่อยนะคะตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยวันก่อนยัง16องศาอยู่เลยในช่วงมีนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลง น, น, นะคะเพราะนั้นธรรมชาติกับกายกับใจเราก็เหมือนกัน ว่าความอยากทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยคือการที่เรายอมรับความเป็นจริงในนั้นไม่ได้เช่นสมมุติเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าเจ้าหนึ่งเจ้านี่อร่อยมากเลยแต่ป้าแกทํารถมือชา ว, วังอะ่ะวันไหนแกแกมีแรงแกก็ขึ้นมาทําขายวันไหนไม่มีแรงแกก็แกแก็ทําไม่ได้เราอยากกินมากเลยแต่เราไปด้วยใจที่อะไรเตรียมรับความจริงแล้วป้าจะขายก็ได้ป้าจะไม่ขายก็ได้นึกออกไหมฮะแต่ถ้าป้ายนี้ยมันปิดประกาศตลอดเวลาไม่เคยมีวันหยุดเลยอืม แต่ไปแล้วมันปิดเป็นยังไงทุกและทุกคืออะไรโอ้โหโทสะเกิดและหิวด้วยอาบวกๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยของความอยากทั้งหมดคือการเยายอมรับความเป็นจริงในขณะนั้นไม่ได้คนคนนี้แต่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะความจริงร่างกายเราเป็นยังไงะคะจริงจริงร่างกายเนี้ยเราคิดว่าเป็นตัวดีเนาะรักมันทุกวันเลยอืมเนาะแต่เห็นไหมทั้งวันเราต้องดูแลตัวนี้มากเลยตั้งแต่เช้าอะ่ะ เช้าจนนอนอะ่ะนอนยังต้องดูแลมันอีกนะแอร์มันเปิดเท่าไหร่เนาะมันจะหนาวไม่ลังคืนอืมนายต้องดูแลมันทั้งวันทั้งคืนเลยจิตใจนี้เป็นยังไงล่ะเรายอมรับความเป็นจริงได้ไหมอะ่ะเราต้องเจอคนคนนี้เราต้องอยู่กับคนค น, นี้แหละทั้งชีวิตเนี่ยเออลูกเราต้องอยู่กับเขานี่แหละนะแล้วใครอยากเ อ, อภาวนาให้เห็นไตรักษณนะคะสามีภรรยาลูกเนี่ยไตรลักษณชัดๆเลยมันมีทั้งอาร น, นิจังทําอะไรก็ไม่ได้ทุกขังตลอด อนัตตาอีกบังคับไม่ได้ด้วยบางท่านนะคะมร็วนี้เคยเจอนะคะยิ่งใหญ่มาจากไหนไม่รู้พอเข้าบ้านนี่อนัตตาทันทีเลยนะบังคับคนที่บ้านไม่ได้บังคับลูกก็ไม่ได้อเนี่ยแสดงอนัตตาจริงๆเพราะฉะนั้นการภาวนานะอย่าไปคิดว่ามันต้องไปวัดก่อนนะคะแล้วไปนั่งสมาธิแล้วบอกภาวนาไอ้รอบตัวเราเนี่ยแหะคะ่ะนะคะสะติสู่การตื่นรู้จริงๆนะ กลับบ้านเข้าไปรู้ทันทีเลยอืวันนี้คุยกับลูกไม่รู้เรื่องเลยลูกบอกอย่างนั้นเราก็จะเอาแบบนี้อ่ามีอย่างนั้นปรรยาแบบนี้นะคะเอเพราะฉะ น, นั้นตรงเนี้ยล่ะค่ะที่เรามาดูว่าจิตใจเนี้ยถ้าเมาื่อไร่เรายอมรับสิ่งที่มันเกิดว่าร่างกายที่จริงๆเนี้ยมันเป็นของดีของพิเศษไหมเนาะแล้ววันนึงมันต้องยังไงมันต้องแก่มันต้องแก่น แ, กแน่ๆแหะแล้วมันต้องเจ็บแล้วมันต้องตายคราวนี้ถ้าเราพามาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายกับใจได้บ่อยๆ นะคะเราจะยอมรับความจริงของกายกับใจเราได้ตรงนี้แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานมีพูดอินโทรมาทั้งหมดเลยเนี่ยรู้สึกเป็นภาษาโลกโลกหมดเลยถูกไหมจริงๆนี่คือการภาวนาทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าพอเราพูดอินโทรวิปัสสนากรรมฐานทุกคนเป็นยังไงคะจิตจะแข็งปักทันทีเลยโหธรรมะเนาะแต่ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดเลย เพราะฉะ น, นั้นถ้าเราลงมาเรียนรู้กายกับใจอย่างที่มันเป็นในแต่ละวันที่มันเป็นเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะร่างกายมันไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมหรอกแล้วสุดท้ายที่คนในโลกใบ น, นี้คอยคว้ากันทั้งหมดเลยนะคะถ้าข้าราชการเนี่ยนะคะหรือว่าเรายัางยังเป็นพนัก ง, งานอยู่เราจะรู้เลยวันนึงเป็นยังไงอะ่ะต้องกเกษียณหกสิบไปแล้วนะคะมันเป็นความสุขจริงไหมในแต่ละหน่วยงานไม่ว่าตั้งแต่กองทัพมาเลย นะจนถึงระดับกรมประหลัดกระทรวงมีตำแหน่งเดียวแหละแล้วทุกคนแย่งกันทั้งชีวิตเลยและสุดท้ายคนเหล่านี้เป็นไงคะวันหนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยเท่าไหร่หกร้อยเท่าไหร่คนเหล่านี้ก็เป็นประชาชนเต็มขั้นหนึ่งคนเท่านั้นเองเงินเดือนค่าเบี้ยบำเพ็ญค่านู่นค่านี่หมดเหลือแค่บํานาญนะคะเหลือแค่บํานาญเนี่ยเราดิ้นรนทั้งชีวิตมาเพื่อแค่นี้นะ บางคนบอกไม่อ่ะก็ฉันเป็นเจ้าของกิจการยังไงฉันก็ไม่มีกเกษียณหรอกก็แบกไปเนาะเจ็ดสิบห้ามีนะมีทําธุรกิจเนี่ยนะเรื่องนิดเดียวเขาบอกรอถามพ่อเขาก่อนพ่อเขายุแปดสิบกว่านะคะบอกเออพี่หลังปีใหม่แล้วมาคุยกันเนาะเดี๋ยวนี้ต้องถามปะให้ถามมะกุงก่อนถามมะกรุงก่อนพอเปิดมาปีใหม่แล้วถามมันยังอ๋อตอนเนี้กรงอยู่ไอซีอีกสองวันอยู่วัดแหละอืมเนี่ยคว้าอยู่ทั้งชีวิตเลยสุดได้ได้อะไรกลับไปอ่ะ ร่างกายยังแบกกลับไปไม่ได้เลยนะคะเงินทองไม่ต้องพูดนะคะบาทนึงก็เอาไปไม่ได้ในปากเนี่ยแล้วเราเหลืออะไรเราจะเหลือแต่จิตใจนะคนที่มีสติมีปัญญาแล้วจะจิตใจตัวเนี้ยจะมาพัฒนายัางไงให้มันข้ามภพกัมชาติกับเราไปด้วยได้นะคะบางคนอาจจะไม่เชื่อหรอกเฮ้ยมันไปได้จริงหรอพิสูจน์สิคะพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่แหละอย่างน้อยท่าน ท, ที่มานั่งตรงเนี้ยไม่เคยเหรอกว่าไม่เคยภาวนา เราดูนะเราเทียบกับคนข้างนอกเนี่ยเอาแค่ตั้งแต่ถนนพระรามสองเข้ามาถึงโรงเรียนเนี่ยคนมากมายเนี่ยสนใจกี่คนกับคนเทียบกับปริมาณคนในห้องเนี่ยมันต่างกันลิบลับนะคะมันทำไยพวกเราอะ่ะต้องเคยเรียนรู้มานะคะไม่งั้นอยู่ดีเราไม่คลิกแล้วมาสนใจหรอกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะเรามาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายกับใจจนวันหนึ่งเนี่ยมันยอมรับนะคะยกตัวอย่างตอนนี้เอาลองดูเนาะเรานั่งอยู่รู้สึกไหมอ่ามาดูกายละนะคะ พอดูกายทุกคนปุ๊บแข็งปากเลยแต่ถ้ารู้สึกนั่งไหมรู้สึกีปลีกเห็นไหมตัวอะไรยิ้มตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรไหลมามองมารีเห็นไหมอ่ะอ่ะคราวนี้ถ้าไม่ชาร์จลองหลับตาถ้าเรามองเงี้ยแล้วเราเปิดตาเราจะรู้สึกก็ตัวเรามองนี่แหละลองหลับตาให้สบายนะคะยิ้มหวานทีหนึ่งหวานขนาดไหนอ่ะหวานตอนที่เรานึกว่าเราตอนนั้นเรายัางอายุยี่สิบอยู่อืม นะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยค่ะลองระลึกดูว่าตอนที่เราอายุยี่สิบเป็นยังไงเออเรามีความสุขขนาด น, นั้นไหมอ่าเราลองดูนะคะอ่าตัวนี้พยักหน้าขึ้นลงอืมใส่หน้าก็ได้ค่ะอืมนะคะตัวนี้นั่งอยู่กับมาดูตัวนี้นั่งอยู่อ่าคราวนี้ดูให้ลึกไปนิดหนึ่งดูตัวนี้หายใจดูซิตัวนี้หายใจยังไงอืมไม่หายใจมันตายเนาะอืมแต่เราไม่เคยเห็นเลยร่างกายนี้จริงๆหายใจยังไง เห็นไหมคะถ้าใครไม่รู้จะจับตรงไหนดีมันหายใจยังไง <c oughs> ก็ลองดูไอ้ที่มันชัดที่สุดนะคะตรงหน้าอกดูนะคะกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอ่าตัวเนี้ยเราจะเห็นเลยนี่คะ่ะจิตใจนี้ลองดูสิคะเป็นยังไงในแต่ละวันลองดูเนาะลองคิดถึงบ้านดูสิคะลองคิดว่งงวันนี้จะกินอะไรดี ลองคิดถึงลูกสิคะคิดถึงใครก็ได้ที่เรารักที่สุดเลยในใจในจิตในใจเรานี่แหลคะค่ะจากนั้นเราค่อยๆ ค, คลายออกมาคะ่ะลืมตาได้เราจะเห็นเลยจิตใจเนี่ยมันทำงานแบบนี้แหละร่างกายเนี้ยมันทำงานอย่างนี้แหละถามว่าเนี่ยคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานแล้วเพราะรู้อย่างที่กายมันเป็นรู้อย่างที่จิตใจเนี้ยมันเป็น นะคะคโดยที่เราไม่ได้แทรกแซงมันเลยเนี่ยคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานทุกครั้งนะคะที่เราระลึกถึงอย่างเมื่อกี้ที่เมื่อกี้มลิภาบอกเอาลองดูซิตัวนี้นั่งอยู่ทันทีที่ท่านรู้สึกว่าท่านนั่งอยู่สติเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วค่ะที่เราเรียกว่าขัิกะสมาธินะคะเราเห็นจิตใจมันไหลไ ป, ด, ไไปดูจิตใจมันไหลไปคิดจิตใจมันไหลไปฟังเนี่แหละค่ะสติตัวจริงเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้ว เพราะนั้นบางคนบอกทำยังไงให้มันเกิดมีสติคิดเยอะนึกออกไหมสติเนี่ยก็คือระลึกลงที่กายกับใจมันเป็นถ้าเราดูมันบ่อยๆนี่แหละสติตัวจริงจะเกิดจากนั้นสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเองนะคะแต่ถ้าเราไปพูดมันยุ่งยากมากเลยเอา้าวไปไปวัดไหนพระก็บอกให้มีสติอะ่ะแต่พระที่บอกเราไม่รู้มีสติหรือเปล่าก็ไม่รู้เออใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้อ่ะเราจะรู้เลย ว่ า, าสติจริงๆมันเป็นยังไงก็ระลึกลงความเป็นจริงของกายกับใจสติเกิดจากเทราสัญญาเกิดจากการที่จิตจํากายกับใจที่มันเป็นได้ถ้าเราดูบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บเป็นไงคะการยอมรับความจริงของกายกับใจมันจะมากขึ้นนั่งอยู่เดี๋ยวก็ขยับเนาะแม้กระทั่งนอนขยับกี่รอบแม้กระทั่งตอนกลางคืนน่ะที่มันนอนอยู่เนี่ยแล้วมันเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยขยับลุกมีไหมคะ อีกหน่อยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าห้องน้ำเราเห็นเลยพอเรามีสติปุ๊บเราจะดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมันไม่ใช่เห็นแค่ร่างกายนี้เป็นทุกข์นะคะมันเห็นมันยุติอะไรด้วยซ้ําไปอ่ะมันทํางานเองอ่ะมันหิวมันหิวเองมันขับถ่ายมันขับถ่ายเองกลางคืนนอนพลิกนับไม่ทวนเลยจิตใจนี้เหมือนกันเคยไหมคะไม่เอาแล้วไม่ต้องมาคุยกับฉันฉันไม่คุยด้วยแล้วแล้วเป็นไงเอาหน่ะไม่อยากรักแล้วยังไงสุดท้ายเนาะ รักแท้แพ้ความใกล้ชิดไหมอ่านะใจเนี่ยมันห้ามไม่ได้จริงๆนะแต่เราแค่รู้ทันนะรู้ในสิ่งที่มันเกิดแล้วสัวจจะแห่งธรรมะข้อหนึ่งคือเมื่อคุณรู้สิ่งใดสิ่งนั้นจะดับคุณรู้เลยเอา้าวลองดูนะคะใจที่ไหลไปคิดอือตังเกดูเห็นไหมพอเราเนื้ว่าปฏิบัติเนี่ยแน่นไปหมดเลยอะ่ะยิ้มหวานก่อนค่ยิ้มหวานหวานหานถ้าใครรู้สึกได้เนี่ยมันจะแข็งตั้งไปหมดเลยทั้งทั้งห้องอือ ยิบหวานนะคะอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูนะคะว่ากายเนี้ยมันทํางานยังไงจิตใจเนี่ยมันทํางานยังไงอย่างที่มันเป็นนะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทันทีที่เราระลึกลงที่กายมันเป็นจิตใจที่มันเป็นสติเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นบ่อยๆเราพามันเรียนรู้กายกับใจบ่อยๆเราไม่สามารถทําให้สติเกิดได้นะคะสติเป็นอนัตตาสติบังคับไม่ได้หรอกแต่ชาวพุทธเราจะทําเหตุนะคะเมื่อไหร่เราทําเหตุ ที่จะไม่ทุกข์จิตใจนี้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราทำเหตุที่ทาให้จิตใจนี้พ้นทุกข์สุดท้ายทุกข์นี้ก็จะดับโดยสิ้นเชิงนะคะทั้งหมดอยู่ที่เหตุนะคะเหมือนเวลาที่เราไฟไหม้หลวงพ่อจะยกตัวอย่างบ่อยๆในซีดีนะคะเราไม่ได้ทำให้ทำยังไงให้ไฟนี้มันหยุดไหมแต่ต้องไปทำเหตุก็เห็นไหมคะเวลาบ้านเนี่ยมันติดกันห้องแถวที่มันติดกันทาไมมันต้องมีอีแผนกหนึ่งเ่ยฉีดน้า <c oughs> เลี้ยงอีตึกหนึ่ง เพื่ออะไรเพื่อลดอุณหภูมิพอลดอานุภูมิปุ๊บการทิดเชื้อมันจะติดมันก็ยากขึ้นนะคะอันนี้คือเราไปทําเหตุยังไงให้มันไม่ไฟติดนะคะถ้ากรณีเกิดไฟไหม้ที่มันมีเชื้อเพลิงทํำยังไงน้ําอยู่ไหมน้ําไม่อยู่เพราะน้ํามันมีออกซิเจนทํำยังไงเนี่ยให้ออกซิเจนมันไม่เข้ามันไม่สันดาบทําให้เกิดไฟได้ใช่ไหมคะก็ต้องฉีดโฟมเข้าไปอันนี้เพราะฉะนั้นการแก้ทุกนะคะพู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราต้องไปดับปลายเหตุเรามาแก้ที่ต้นเหตุ นะคะต้นเหตุพระเจ้าบอกเลยนะคะเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากอยากเพราะอะไรรับความจริงไม่ได้คราวนี้ความจริงของอะไรของชีวิตเราคืออะไรกายกับใจเราก็ต้องมาดูความจริงจริงๆอ่ะกายมันเป็นยังไงอ่ะใจมันเป็นยังไงอ่ะมันทุกข์ยังไงอ่ะมันทุกข์แล้วมันก็หายไปนึกออกไหมคะร่างกายนี้นั่งปุ๊บเมื่อยกขยับอืมแล้วเรานีทุกข์แบบนี้เราไม่เคยรู้เลยแต่นักภาวนาถ้าเราภาวนาไปเราเห็นเลยโอ้ร่างกายนี้มันทุกข์นะทุกข์แล้วยังไงอ่ะเห็นใจที่มันไม่โอเคเราก็ขยับ ขยับเสร็จเทนใจิตใจที่เปลี่ยนไปไหมอ่ะใจมีความสุขล่นะนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยร่างกายเนี้ยมันประกอบการที่เราพาความอยากและยอมรับไม่ได้ด้วยมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะตาเป็นยังไงเราสังเกตนะคะตาเวลาเราไปดูใจเราเปลี่ยนแปลงยังไงหูเราไปฟังเห็นไหมถ้าเราฟังนะคะลองดูเนาะระหว่างฟังเพลงเพราะอะเพลงเศร้าใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงยังไงเราฟังเพลงที่มันมีจังหวะ ตื่นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงยังไงเราฟังพระเทศจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงยังไงอ่าเราเห็นเลยจมูกเป็นยังไงอ่ะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นที่เราชอบเนะาะบางคนชอบไปยังไงชอบไปสปาอ่าเราเห็นเลยเข้าไปแล้วจิตใจเป็นยังไงเนี่ยมันหลอมอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่คนภาวนาเข้าสปาไม่ได้นึกออกไหมตราบใดนะคะเรายังมีศีลห้าไม่ต้องศีลแปดนะคะคาราวาสเนี่ยเอาแค่ศีลห้าพอนะคะเราสามารถทําได้นะคะตาหูจมูกลิ้นเป็นยังไง ลิ้นเดี๋ยวมันร้อนเนาะกินเนี้ยออร่อยไม่อร่อยเราเห็นใจที่เราเปลี่ยนไปบางทีแม่ล อ, อยเลยเป็นยังไงไปเป็นแขกเขาอ่ะบอกได้ไหมเธออันเนี้ยไม่โอเคเลยใช่ไหมอ่ะเราเห็นใจละอมตาหูจมูกลิ้นกายกายเป็นยังไงนั่งอยู่นะคะเก้าอี้ตัวนี้นั่งแล้วเออสบายเก้าอี้ตัวนี้นั่งแล้วมันเป็นยังไงอืนะคะเห็นกายที่เป็นยังไงเดี๋ยวมันร้อนร้อนเป็นยังไงหนาวเป็นยังไงเ <101 numbers> ห็นจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะเนี่ยมันรีเลยกันนะทั้งกายและใจ ความคิดเป็นยังไงความคิดเนี่ยมากที่สุดเลยในแต่ละวันแล้วถ้าเราสังเกตเป็นอีกนิดนึงนะคะเราจะเห็นเลยวันหนึ่งอากุศลหรือ ก, กุศลมากกว่ากันคะ่ะอกุศลทั้งวันเลยรู้สึกไหมออแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราระลึกได้สติเราเกิดละการที่เราระลึกเห็นกายตัวนี้นั่งอยู่จิตใจตัวนี้ทำงานไปสมาธิเกิดขึ้นแหละที่เราเรียกว่าคณิกะสมาธินะทันทีที่เรามาสติปุ๊ติีนาเราจะรักษา ได้ง่ายขึ้นไม่ได้หมายความว่าห้ามผิดศีลห้านะคะแต่จิตใจที่เราตั้งใจที่จะไม่ผิดศีลห้าศีลเราจะบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเจตนาเราไม่มีเรารู้ทันใจที่เราอยากโห่โห่มากเลยอยากไปตกแต่ยังไงอ่ะเรามีศีลเราไม่ล้นกายออกไปอ่ะเราเห็นแล้วเราอยากด่ามากเลยเห็นใจที่มันมีความกโกรธเห็นใจที่มันอยากด่าเนาะเป็นยังไงเราก็ไม่ล้นปากออกไปเพราะนั้นศีลเราจะค่อยๆบริสุทธิ์ สิ่งที่เราได้มาแค่การที่เราตามรู้กายใจนะคะอย่างที่มันเป็นเนี่ยที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเราได้ศีลมาละเราได้สมาธิมาละต่อไปยังไงคะศีลกับสมาธิสองตัวนี้สมาธิในที่นี้มันหมายความว่าสัมมาสมาธินะไม่ใช่ไปนั่งอยู่แล้วก็บังคับให้มันนิ่งบังคับให้มันสงบแล้วบอกนี่คือสมาธิมันเป็นสมาธิเหมือนกันนะคะแต่เป็นแค่สมถะ สมถะไม่สามารถที่จะล้างกิเลสได้นะคะแต่สมถะสามารถที่จะเอาจิตนี้มาพักได้ในแต่ละวันนะคะพักเมื่อมันมีแรงปุ๊บมันต้องขึ้นมาเดินปัญญาที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะคะคือมารู้จริงๆว่ากายกับใจนี่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นศีลกับสมมาสมาธิจะเป็นตัวหนุนให้เกิดปัญญาได้เกิดปัญญาได้ยังไงล่ ะ, ะเรานั่งอยู่เราเห็นไหมอ่ะตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเนี่ยนอนผิกกี่ครั้งก็ไม่รู้ใช่เราไหมเราบังคับได้ไหม เช้าเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ําเนี่ยเราสังเกตเลยอันนี้คือกิจวัตรประจําวันเรานั่งปุ๊บวันนี้มารวดเร็วมีความสุขไหมค ะ, ะนั่งแล้วโอ้โหตายแล้วป่านนี้ยังเลยฉันจะต้องรีบไปเนี่ยเห็นจิตใจไหมเนี่ยภาวนานแล้วนะเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วจริงๆเลยล่ะอ่ะว่ากายมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงกายมันออกคล่องจิตใจมันก็มีความสุขอเราก็ทําตามสเกจเดียวเราได้ทุกอย่าง อ, อันเนี้ยตรงเนี้ยที่เรามาดูเลยปัญญามันก็จะเกิดว่า เฮ้ยเราบังคับตัวนี้ไม่ได้นะอ่านี่นเวลาเราเดินทางบางทีเราไปกินอะไรผิดสัมดงเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวถึงที่หมายก่อนได้ไหมไม่ได้นะคะทุกอย่างหนึ่งของผู้หญิงนะคะอันนี้ตัวอย่างของมารีนะเมื่อก่อนมันมีมปั๊มดีๆแบบนี้นะมาีนั่งนะกรุงเทพเชียงรายไม่กล้าเข้าห้องน้าเลยอ่ะอืมเนี่ยแหละคือวิตกจริตของเราเดี๋ยวนี้มันยังสบายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราไปเห็นได้จริงๆเลยว่าให้ร่างกายเนี่ย บังคับไม่ได้ตอนนั้นกรุงเทพเชียงรายมีบังคับด้วยสมาธินะมีบอกตรงเลยจริงๆข้อแท้จริงมันมเป็นไปไม่ได้หรอกคุณกินข้าวกินน้ําไปอะ่ะน้ำมีออกออกเนี้ยเก้าโมงเ้าถึงเชียงราย6กโมงเย็นเนี่ยไม่กล้าเข้าห้องน้ําเลยเออเนี่ยมันบังคับด้วยสมาธิทําได้นะคะไม่ได้ทําไม่ได้แต่ไม่ได้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากตรงนั้นเนี้ยปัญญามันจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราเหรอกจิตใจนี้ใช่เราไหมบางเรื่องเราไม่อยากคิด มันก็วนอยู่นั่นแหละแล้วเวลาที่เราคิดมีสองเรื่องคนที่รักกับคนที่เกลียดสิ่งที่รักกับสิ่งที่เกลียดนึกออกไหมเกลียดก็คิดอยู่นั่นแหละไม่ให้มันคิดได้ไหมวะเออเรื่องนี้ทุกทุกทีปวดหัวเดี๋ยวก่อนค่อยคิดไม่อะมัน บ, บังคับมันไม่ได้หรอมันก็เว้าเวียนแล้วยิ่งถ้าเราภาวนานึกออกไหมนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมดีถ้าเรื่องนี้มันยังไม่จบนะโอ้โหมันฉลายสไลด์ตอนเดินกับนั่งเนี่ยจดประสาจะกินเลยเพราะฉนั้นนะคะเราเป็นคารวะเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องอะไรนะคิดให้ตกก่อนคิดให้มันจบไปเลยนะคะจบเสร็จมันจะรู้เลยว่าเอออันเนี้ยทําได้แค่นี้แหละทิ้งไว้แค่นี้มันจะไม่ไปหลอนเราตอนที่เรานั่งสมาธิกับเดินจงกรมแต่ถ้าเราเออเออไอเออเออ เ, ออเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ไปโพลตรงนั้นแหละแล้วไม่จบด้วยสุดท้ายแกต้องมานั่งแหละเอาไงดีวะเออเราก็เชียให้มันจบตรงนั้นแหละเชียในใจเราเ อ, อ๋ออันนี้มันอย่างนี้ อ, อ๋อมันเปิดเพราะไอ้นี้อันนี้โอเครู้ละเดี๋ยวแค่นี้แหละเออ เจีายเคลียร์ได้ก็เคลียร์เคลียไม่ได้แต่มันมันตกผลึกแต่มันยังไม่ได้ตกตะกอนนะมันตกเป็นผลึกไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาร่อนมันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะคาราวาสเนี่ยไม่ใช่ภาวนาไม่ได้แต่เราต้องรู้เทคนิคเล็กๆกน้อยๆยนะคะที่จะแฮนเดิลกับปัญหานะคะและปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะเพราะนั้นถ้านักภาวนาอย่าเกลียดความทุกข์อย่ากลัวปัญหา ปัญหาคนที่มาเจอเราสิ่งที่เราเจอมนันแค่ปัญหาในชีวิตไม่ใช่ความทุกข์เลยความทุกข์นี้เราสร้างมันขึ้นมาเองตั้งแต่กังวลละกังวลแล้วไม่ต้องคนนอกด้วยนะลูกเรามันก็ทําให้เรากังวลได้โอ้โหเทอมนี้เกตตกเครียดละลูกยังไม่เครียดเลยพ่อแม่เครียดไปก่อนละนะคะอ่ะลูกวันปีเทอมนี้ใช้ได้เมื่อกี้ถามครูโมเอะแล้วข้อสอบอยังไงเด็กนักเรียนที่นี่ออืนะคะก็ได้ ความรู้ใหม่ว่าอ๋อใช้วิธียังไงนะคะก็เลยบอกว่าผู้ปกครองทั้งเด็กที่เรียนโรงเรียนนี้นะคะโชคดีมากโชคดีมากเลยมีเสียดายจะดูมีหลานนะคะแล้วค่อยมาใหม่ <laughs> แต่ไม่ลูกยังไม่มีวี่แววนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหรอกชีวิตของของแต่ละคนนะคะ นี่ก็มีหน้าที่อันนี้ละค่ะเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วนะถ้าวันหนึ่งนะคะเราแค่เรียนรู้กายอย่างที่มันเป็นจิตใจอย่างที่มันเป็นนะคะแล้วทุกคนเมื่อกี้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วทุกคนทำได้จริงไหมนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอะ่ะนะหลวงพ่อพูดบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะคะเพราะนั้นคนที่บอกว่าภาวนาไม่ได้นะคะฝากไปบอกเขาเลยเนาะว่าอะไรพอแกไม่ทา ถ้าทำทำไมจะภาวนาไม่ได้ก็นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งภาวนาเสร็จแล้วยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแม้กระทั่งในพระสูตรพระพุทธองค์ทัานตรัสไว้เลยนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ได้ชื่อว่าปาบรบความเพียรแล้วไม่ใช่ต้องไปเดินจงกรมสามชั่วโมงนั่งสมาธิต่ออีกสามชั่วโมงแล้วบอกเนี่ยฉันปาบรบความเพียรแล้วอืมคนพวกนี้เป็นยังไงคะสิ่งที่ได้มามีกอสองตัวกูเก่ง เดินได้ตั้งสามชั่วโมงนั่งได้ตั้งสามชั่วโมงอืมแต่เปล่าเลยสติก็ไม่มีนี่พูดจริงๆเลยนะสติก็ไม่มีเพราะถ้าแกมีสติแกจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเลยอะนึก <c oughs> ออกไหม <c oughs> อ้าวจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดินมันบังคับหมดเลยอะ่ะนะคะถามว่ามันเดินได้ไหมได้นั่งได้ไหมได้แต่สภาวะนั้นแน่นอนเลยอะ่ะคือนี่คือตัวมลีนะอันนี้มลรีพูดตรงๆเลยเพอทําเสร็จออกมานะเป็นเวลาช่วงหนึ่ง มันสติอยู่ไหนวะแล้วอะไรอยู่ไหนไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราไม่ได้ศึกษาจริงๆนะคะเราไปตรงไหนเขาพาเราทําเราทําเลยอะ่ะอันนี้คือความน่าเข้าใจของชาวพุทธแล้วไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธที่เป็นว่าเป็นชาติไหนด้วยนะจริงๆต้องบอกเลยว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราจะไม่บอกว่าเป็นาศาสนาอย่างได้นะเป็นแค่าศาสตร์อันนึงอะ่ะเป็นาศาสตร์อันหนึ่งเลยที่เหมือนวิทยาศาสตร์ชนิตศาสตร์นี่แหละที่พระเจ้าจคิดค้นด้วยพระองค์เองอะ่ะนะคะว่าการที่เราจะทํายังไง ให้พ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยทํำยังไงที่สุดดับทุกข์ได้เนี่ยแล้วด้วยตัวเองอะ่ะไม่ใช่คนอื่นเลยอะ่ะนี่แหละคือสิ่งศาสตร์อันหนึ่งที่ชาวพุทธมาเรียนรู้นะะไม่ใช่ว่าไปนั่งแล้วต้องสงบไปทําอะไรก็ได้ต้องไม่ฟุง้งซ่านเพราะวันหนึ่งมัี้ต้องพูดเยอะหน่อยนะคำเนี้ยเพราะทุกคนที่มาหามริส่วนใหญ่มาด้วยอันเนี้ยอืมฟุง้งซ่านทํายังไงดีจิตฟุง้งซ่านจิตไม่ดีเลยแม้กระทั่งคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อมาแปดปีนะคะรอบล่าสุดเนี่ยเจอที่ มตทนะคะเธอบอกว่าเราบอกเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมเราเห็นแล้วเขาบอกฟังค่ะฟังมาแปดปีฮะแปดปีเลยเหรอโอ้โหจิตก็เครียดเป็นแทบจะระเบิดอยู่แล้วพี่ฟังยังไงอ่ะพี่ฟังตั้งแปดปีแล้วจิตเป็นอย่างเนี้ยมันเครียดขนาดนี้ อ, อ๋อฟังไปจดไป <laughs> จดแล้วทํายังไงเออแล้วถาม <laughs> เพราะแปดปีนึกออกไหมมันต้องจดได้เป็นเล่มๆเมนาะ <laughs> อ่าเ <laughs> ขาบอกเ้าแปะข้างฝาแล้วบอกแล้วบ้านพี่พอแปะไหมอ๋อ <laughs> พอมีอันใหม่อันเก่าก็ฉีกทิ้งแล้วก็แปะใหม่ โอ้เห็นไหมอะว่ามันมีความหลากหลายมากล่ะมีถึงบอกมีเข้าใจจริงๆนะเออว่ามีต้องออกมาทําอะไรอ่ะตอนเนี้ยอืในแต่ละที่ที่ที่ไปนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวด้วยนะคะฝรั่งก็เยอะนะคะรอบล่าสุดเนี้ยแคนาเดียนอีกคนนึงฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสนี้เจอกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าแกทําขนาดว่าตอนนี้จะนอนเนี่ยนะคะ พอจะล้มตัวลงนอนเนี่ยขาเนี่ยมันเกร็งอย่างเงี้ยจนนอนไม่ได้อะ่ะนอนไม่ได้อืมแล้วไปทุกสำนักเลยอืมไปทุกสำนักเลยนี่คือปัญหาหลักของชาวพุทธเลยอะ่ะพอไม่ศึกษาแล้วไม่รู้พอไม่รู้ตะเวนไปเรื่อยๆนะคะทามาทุกสำนักเลยที่แกเล่ามาเนี่ยนะแกไม่เล่าเราก็เห็นจิตแกแล้วเหมือนกันแหละแกก็ทํามาทุกอย่างเลยแล้วแต่ละวันเนี่ยคือเพ่งจนกระทั่งมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะ่ะอืมเนาะอันเนี้ย เพราะนั้นถึงบอกว่าเข้าใจก่อนศึกษาก่อนนะคะว่าพระเจ้าสอนอะไรเอาสรุปนะคะสอนเรื่องทุกข์แล้วทําไมเราถึงทุกข์เพราะเราอยากทําไมเราถึงอยากเพราะอะไรเรายอมรับความจริงไม่ได้งั้นความจริงของชีวิตเรามีกายกับใจเรามาดูความจริงแหละที่พระเจ้าสอนว่าอะไรคะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นมันก็ดับนะคะเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้เพราะฉนั้นถ้าเรายังทุกข์อยู่เราไปดูเราทําเหตุทําให้เกิดทุกข์หรือเปล่าเออถ้าทําเป็นไงแค่รู้รู้อย่างที่มันเป็นนะคะใจกังวลได้ไหมได้เราแค่รู้ว่าใจเรากังวลทันทีที่เรารู้ว่ากังวลคนที่ฟังพอนานมาช่วงนึงจะเห็นเลยความกังวล น, นั้นเป็นยังไงดับต่อหน้าต่อตาดับต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาเลยนะคะใครเคยเห็นตัวนี้บ้างไหมคะช่วยยกมือให้ชื่นใจหน่อยอ่ะออโอเคนี่แหละพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ไหมได้ แล้วไม่ต้องรอว่าชาติหน้าค่อยไม่ทุกเนาะทําเดี๋ยวนี้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ทุกมันค่อยๆน้อยไปนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเราเข้าใจธรรมะจริงๆเลยเนี่ยนะเราจะไม่สงสัยเลยนะคะแล้วเราเดินได้อย่างอดหานในเส้นนี้ว่าเรามีสิ่งที่เป้าหมายในชีวิตเราจริงๆที่เราจะไปนะคะแล้วเวลาที่เราภาวนานะคะอีกอย่างหนึ่งที่ฝากสําหรับนักภาวนาเราภาวนาเอาออกนะอย่าไม่ภาวนาแล้วบอกช่วงนี้ไม่ดีเลยค่ะ ชวงนี้อย่างนั้นเลยค่ะทํายังไงดีกว่านี้ล่ะคะอืมนะค ะ, นะคะจริงๆวันหนึ่งเรารู้กายรู้ใจเราได้นะคะสติตัวจริงเกิดแล้วนะคะเรานับหนึ่งทุกวันเลยค่ะนะคะเพราะฉนั้นแค่เรารู้กายรู้ใจสูตรหลักสูตรพระพุทธเจ้าเราเรียนจบแล้วนะคะศีล ส, สมาธิปัญญานะคะเหมือนหลักสูตรของโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยคะ่ะทุกอันต้องมีหลักสูตรนะคะแต่เราโมแต่ไปมุ่งที่ตัวศีลมุ่งที่สมาธิมุ่งที่ปัญญานะคะแล้วเราเข้าใจด้วยตัวอักษรทั้งหมด ศา ส, สนาพุทธไม่สามารถเข้าใจด้วยตัวอักษรเลยนะคะยกเว้นคุณภาวนาแล้วคุณเห็นด้วยด้วยตัวเองนะคะแล้วพ้นทุกได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องมีใครรับรองเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายหรือว่าหลายๆท่านจะบอกว่าภาวนาไม่ได้ตอนนี้เรามีคําตอบแล้วเนาะกลับไปบอกเขานะ ah, อย่างที่มลีพาดูอย่างที่หลวงพ่อสอนมลีมาอย่างนี้ล่ะค่ะนะค ะ, นะคะเพราะนั้นมลีก็ฝากไว้ว่าเราอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้าย เราอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะคะเราต้องปภาวณาตัวเราเลยแล้วสิ่งที่พวกเราพูดนักหนาหลายๆครั้งที่เราได้ยินนะคะขอให้ศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาประจําชาตินะคะถ้าเราไม่เอาศาสนามารักษาไว้ในจิตในใจเรามันเป็นไม่ได้หรอกคะ่ะเนาะแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมีคําตอบคําตอบชัดเจนเลยคุณพ้นทุกข์ด้วยตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราวันนี้มาทําเราทําหน้าที่ชาวพุทธแล้วนะคะ คือช่วยกันสืบรักษาก่อนรักษาได้แล้วเราก็สืบทอดกันออกไปจากรุ่นสู่รุ่นเราต้องปรารณนาตัวเราจะไม่เป็นชาวพุทธคนสุดท้ายโดยเด็ดขาดนะคะอนุโมทนาทุกท่านนะคะสิบโมงตรงค่ะเดี๋ยวก็เชิญเลยค่ะใครอยากสนทนาทำด้วยจะให้ตอบอันนี้ก่อนไหมคะหรื อ, อยังไงมีค่ะ มีขออนุญาตนิดนึงนะคะคำถามเนี่ยมีอยากให้ให้พูดเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาเป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าถ้าท่านที่ฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่ามันมีคำตอบนะคะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อประโมทสอนพวกเราเนี่ยท่านไม่ได้สอนว่าต้องทำอะไรยังไงเลยนะคะท่านสอนหลักของการภาวนาจริงๆว่าหลักที่พระเจ้าสอนเนี่ยมีอะไรบ้างทายัางไงเราถึงจะมีศีล ทำไงเราถึงจะมีสมาธิที่ถูกต้องนะคะสมาธิตัวนี้เนี่ยก็คือตัวจิตนะคะนักภาวนาส่วนใหญ่ที่ทำมานานเหลือเกินนะคะมีเชื่อว่าในห้องนี้เนี่ยก็คงไม่ได้มีท่านที่เรียนโดยตรงสํานักเดียวกับหลวงพ่อประโมทตามซีดีก็คงต้องมีเคยมาหลายๆที่แล้วนะคะสิ่งที่เราพลาดเนี่ยเราไม่เข้าใจตัวจิตสมาธิก็คือการเรียนเรื่องจิตติสิกานะคะว่าจิตแบบไหนทําแล้วได้อะไรผลจะออกมาอย่างไง ะะถ้าวันนึงวันนี้เรากลับมาเราเหนื่อยมากเลยอะ่ะจิตเราไม่ไหวละเราต้องเอาจิตนีพักเราทำสมถธาเลยค่ะแต่เคล็ดลับของสมาธะที่หลวงพ่อประมทแนะนำเราท่านบอกนะถ้าใครฟังซีดีคำพีมีเยอะแยะเลยแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีเคล็ดลับนะคะสมาธิง่ายนิดเดียวนะคะทำยังไงให้มีสมาธิจิตต้องมีความสุขความสบายเช่นจิตบางคนชอบพุโทโธอะ่ะก็พุโทโธพุดโธดูลมก็สบายบางคนชอบยกมือ อชอบการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าร่างกายนี้มันเคลื่อนออกไปอแต่เราไม่ได้บังคับว่าจากท่านี้แล้วมันต้องไปท่าไหนนะคะสุดท้ายมันก็ไปติดเพ่งอีกถามว่าพุทโธดูลมเพ่งได้ไหมอ่ะก็ได้อีกอะ่ะมันก็มาเพ่งอีกนะพองยุกเพ่งได้ไหมได้ถ้าใจที่เราอ่ะวางไม่ถูกนะคะการที่เราเข้าใจหลักนะคะว่าจิตสิกขาเนี่ยมีสองตัวเท่านั้นแหละคะ่ะสมถะกับวิปัสสนาวิปัสสนาเราพูดไปเรียบร้อยแล้ะนะคะแต่สมถะเนี่ย เคล็ดลับที่หลวงพ่อสอนเราก็คือทํำยังไงจิต ท, ที่มีความสุขความสบายนะคะสมาธิถึงเกิดได้ที่เราเรียกว่าสัมมาสมาธินะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในหลายที่เนี่ยเวลาเราพูดถึงนั่งสมาธิปุ๊บเราพูดถึงตัวลมก่อนใช่ไหมคะพอเรามาดูลมปุ๊บทำยังไงนะคะโดยธรรมชาติลมเนี่ยมันดูได้ช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่จิตมันเริ่มสงบลงมาเนี่ยลมจะหายบริกรรมก็หาย ตอนเนี้ยใจระวางว่ายังไงนี่แหละตรงเนี้ยตรงใจที่ระวงังถ้าระวังว่าการรู้สึกตัวถึงจะถูกคุณทํายังไงอ่ะคุณต้องอัดลมใหม่อ่ะสุดท้ายยังไงคะเพ่งเพ่งแน่นอนเลยเพ่งเสร็จเป็นกระสินไปเลยคะ่ะตอนนี้เดินปัญญาไม่ได้ละอ่าเพราะคุณต้องไปทําเป็นฌานมาแล้วผ่านจากฌานมาอีกแล้วละ่ะเออนะคะแล้วการที่คุณจะไปจะเจริญปัญญาในฌานเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะ ต้องบอกเลยนะคะเราเอาที่เรามีดีไหมอ่าอุปกรณ์เรามีอะไรวันนี้เมื่อกี้พาครูโอพาไปดูลูกชุบนะคะอ่าต้องมีอะไรมีถัว่วมีหม้อนึ่งอ่ามีที่ตําอ่าเสร็จแล้วเราจะเป็นฟักทองเป็นเผือกได้ไหมได้เดี๋ยวเราตามมาทีหลังตามจริตของเราแต่เบื้องต้นลูกชุบยังไงต้องเอาอะไรคะเอาถั่วไว้ก่อนอันนี้เหมือนกันแหะคะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจิตใจที่เราวางเราวางว่าเราจะทําอะไรถ้าเราจะวางทําใจว่าเราจะทําสมถะในขณะนี้จิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งสงบไปพอเสร็จแล้วยังไงคะจิตพักพอแล้วคุณต้องขึ้นเป็นวิปัสนาแล้วละ่ะตรงเนี้พอเป็นวิปัสนาเรารู้แล้ววิแปลว่าแจ้งชัดปัสจณะแปลว่าเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าทําเลยอะ่ะแต่พวกเราทําทั้งหมดเลยทํำยังไงอะ่ะพี่จิตมันไม่สงบทํำยังไงอะ่ะจิต มันฟุ้งซ่านทำไงอะเดินจงกรมแล้วมันคิดตลอดเวลาเลยมันเลยว่ามีบรรยายเสร็จกลับได้เลยนะเพราะไม่มีคําถามแล้วละ่ะพอาบอกไปหมดแล้วเพราะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตั้งแต่คนแรกนะอะจนกระทั่งเสร็จจะวนเวียนอยู่ในคําถามเหล่านี้อันนี้จริงๆนะลองไปดูสิใจเราวางไม่ถูกใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานธรรมะสําเร็จด้วยใจทั้งหมดนะค ะ, ะเพราะฉนั้นถ้าระวางใจให้ถูกก่อนว่าตอนนี้เราทําเพื่ออะไรเราทํำที่ปัตนานะ อแต่บางคนทําอะไรมันไม่รู้ก็ยังคิดว่าตัวเองทำวิปัสนาอีกนะคะวันนี้เมลีเลยพาพูดง่ายว่าเวิร์กช็อปเล็กๆเลยให้ดูไอ้นี่นะวิปัสนานะนั่งอยู่เรารู้ว่านั่งเนี่ยยิ้มแล้วรู้ว่ายิ้มพยักหน้าแล้วเรารู้ว่าพยักหน้าเนี่ยยากไหมอ่ะแล้วคนทั่วไปบอกปฏิบัติทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทําำมันง่ายขนาดนี้ยง่ายจนยากนะคะง่ายจนยากเพราะมันอดทําไม่ได้นะคะเพราะนั้นพวกมือเก่าเนี่ยมันจะใช้เวลานิด น, นึง นะคะที่จะปรับจิตปรับใจนะคะให้เข้าใจจริงๆก่อนว่าเราทำอะไรแล้วได้อะไรเพื่ออะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอนุญาตถามคำถามก่อนเลยนะคะดิฉันรู้สึกทรมานจากการคิดกังวลเรื่องธุรกิจมีลูกน้องเก่าที่ฉันต้องชนะใจพวกเขาอะและรุ่นใหม่ที่อะไรนะเออ รุ่นใหม่รวม100ร้อยกว่าคนที่พ่อแม่ให้ซานต่อต้องแข่งกับบริษัทญี่ปุน่นดิฉันว่าคงดดนแย่งเพราะเขาเก่งมากลูกค้าลูกน้องหมดแน่สักวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่อายุเจ็ดสิบปีแล้วเริ่มป่วยและช่วยดิฉันดูแลกิจการไม่ได้แล้วท่านหวังว่าดิฉันจะคิดได้สักวันหนึ่งแต่ดิฉันคิดแล้วคงสู้เขาไม่ได้อาจทําให้พ่อแม่ลุกขึ้นสู้อะไรนะอ๋ะออาจทําให้พ่อแม่ผิดหวัง ดิฉันควรทำอย่างไรให้อยู่กับการทำหน้าที่เรื่องนี้ให้มีความสงบและสุขค่ะจริงๆเนี่ยมลีบอกเลยว่ากระดาษแผ่นนี้นะมลีอธิบายตั้งแต่ต้นเลยนะคะมีคำตอบตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะว่าอย่าว่าแต่กิจการก่ เ, เงินทองเลยร่างกายนี้จะไปไหนคุณต้องกลับไปดูเลยอันนี้มลีเอาตัวเองนะคะทำไมมลีมาสนใจอันนี้มลีไม่ได้ต่างกับคุณคนนี้เลยมลีแปดบริษัท แล้วต้องสู้ไหมต้องสู้ต้อง A E C ไหมต้องมี I S O ไหมอ่ะต้องมีทุกอย่างเลยนะคะฝรั่งมันก็หลอกเราไปเรื่อยแหละ I S O เสร็จต้องมีอะไรอะ่ะของมรทํากระดาษใช่ไหมคะ F H C F H C แปลว่าอะไรอะ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยคือไม้ที่แกปลูกเนี่ยนะแกะต้องเคลมได้อะ่ะว่าไม่ทําลายสภาพแวดล้อมจนกระทั่งมาโปรเซสโปรเซสกระดาษใบหนึ่งเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณรู้ป่าวมันผ่านเป็นร้อยรอยกระบวนการอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมริธรรกระดาษมีจระเข้กระดาษมากเลย เพราะกว่าจะเป็นออกมาให้เราใช้ใบหนึ่งเนี่ยผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่ตรงเนี้ยต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมสุดท้ายอ่ะบังคับแค่คนผลิตไม่ได้ไอ้คนขายอย่างมรีเนี่ยนะคะคือมรีมีทั้งโรงงานทั้งทั้งตัวดีลเลอร์ทั้งเทรดดิ้งด้วยเนี่ยต้องมาบังคับคนขายด้วยว่าแกก็ต้อง Environment ด้วยอ่าและสุดท้ายเป็นไงสินค้าพวกนี้เนี่ยเคยซื้อร้อยบาทถ้าเป็นอสซคุณต้องโดนชาร์จสามสเปอร์เซ็อ่านี่แหละ แล้ว ร, รู้ไหมว่ากระบวนการทําำใบหนึ่งแอปพลายเนี่ยมันเป็นล้านล้านบาทล้านบาทอืมนะคะเพื่อนเมลีสิงคโปร์เขาบอกอยู่เอฟเซเนี่ยนะไอทํามาแล้วหมดเป็นเป็นล้านผ่านมาห้าปียังไม่เคยใช้เลยเพราะเราโคตราคาเสร็จลูกค้าบอกไม่เป็นไรไม่ต้องเอฟเอซก็ได้อืมมีญี่ปุน่นข้าชาติใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุน่นนะคะเป็นเ อ, อเย่นเราก็าแบบนี้มาเหมือนกันนะ่ะอยู่ต้องมีเอฟเอสซเราบอกได้โอเคเราโคตนะถ้าเป็นเอฟเอซราคาเนี้ มันหายไปสามเดือนกลับมาหาลรใหม่นี่ญี่ปุ่นนะเ อ, อไม่ต้องละเดี๋ยวไอไปทำาอ็มอซก็ไม่รู้เขาทำยังไงเราก็ผ่านมันก็ไปได้าทั้งหมดในโลกใบนี้นะคะเราดูนะโลกนี้คือละครวันนี้ต้องเล่นบทไหนก็เล่นบทนั้นแหละคะ่ะนะแต่สิ่งถึงที่มารีกลับมานะว่าทำไมมาลีเดินเส้นนี้มีทำงานตั้งแต่เก้าขวบนะคะอยู่กับแม่มามีเป็นลูกคนจีนเลยนะคะที่ทางานไปด้วยเรียนไปด้วย แลเป็นลูกสาวคนโตในพี่น้องห้าคนดังนั้นความรับผิดชอบมันมีไหมมันมีนะคะก็เดินมาด้วยกันนี่แหละคะ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยแม่ป่วยแม่แม่ไม่ได้ป่วยตั้งแต่สาวนะแม่มีเป็นเบาหวานตั้งแต่สามสิบสาสิบเ็ดสสิบแปดอืมเนี่ยนะคะเราเห็นกินข้าวอะ่ะคุณนึกออกไหมอ่นะไม่มีเวลากินข้าวมันขายดีขนาดนั้นนะกินอยู่เนี่ยนะเสร็จปุ๊บเข้าเล่นชัก พอพอเบาพองานเบาหรือคนไม่ได้พูดยกขึ้นมากินใหม่สุดท้ายรางวันที่แม่ได้อะป่วยป่วยตั้งแต่ เ, ออเดี๋ยวนะสามสิกว่าคุณคิดดูตอนท่านสิ้นเนี่ยคือเกือบเจ็ดสิบเป็นเบาหวานมาเกือบสามสิบกว่าปีนึกนึกออกไหมคุณภาพของคนคนคนที่ใช้ชีวิตทำงานตรักตำนะคะเที่ยงคืนยังไม่เลิกเลยอะ่ะอืมนะมัก็เห็นอันเนี้ย เห็นยู่กระทั้งปีสี่ศูนย์เนี่ยเป็นปีที่ถ้าคนทําเศรษฐกิจยังจําได้ดีจําได้ดีเลยอะ่ะเออโอ้โหมันรู้จะทํายังไงอะ่ะมีรีบอกโอ้แล้วแม่เหลือแค่เนี้ยนะเออแม่ได้รางวัลชีวิตแค่เนี้ยเราไม่เอาแบบนี้หรอกแล้ววันนั้นแม่ปรึกแม่แม่เหมือนคนนี้แหะที่มีรีบอกว่าเป็นที่ปรึกษาเราไม่ได้แล้วมีรีก็รันบิสเนสมาเนี่ยตั้งแต่ปีสามแปดนะคะรันด้วยตัวเองมาเนี่ยทั้งหมดจากที่เคยมีคู่คิดแม่เป็นคู่คิดเพราะฉะนั้นวันนึ่งเนี่ย ก่อนที่มีีจะเข้าใจธรรมะนะมีแต่งงานแล้วเนี่ยมันนึ่งมีรีบอกสามีว่าถ้าแม่ฉันตายฉันจะอยู่ยังไงสามีมันก็คงงงเหมือนกันนะแกแต่งงานกับฉันมาแล้วเนี่ยแล้วแกแกก็มาถามฉันคนํานี้นี่คือข้อแท้จริงนะเพราะเรายึดแม่แม่แม่ตอนแม่ตายอะ่ะมีรีร้องไห้นะร้องร้องร้องรองเลยอะ่ะแล้วพอสติมันมาเราถึงมารู้ว่าเออเราไม่ได้รักแม่หรอกเรารักตัวเราคนที่เคย เราสามารถปรึกษาได้แม้ว่าจะไม่ได้ปรึกษานานแล้วนะแต่อย่างน้อยเราเห็นอนะ่ะเออนะวันนี้ไม่มีแล้วสรุปแล้วเรารักตัวเราเหมือนใครก็ตามนะคะที่คิดว่ารักสามีมากๆรักภรรยายมากกลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่หมนะคะเออว่าตกลงมารักใครกันแน่ว <c oughs> นะเนาะเออนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปดูจริงๆว่าเข้อแท้จริงมันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้นะคะมีใช้คํานี้ก่อนถ้ากิจการคุณไม่มีหนี้สิน ไม่มีนี้สินนะคะคุณเคลียร์ตัวเองเลยว่าคุณจะเอาไอ้ที่มันไม่เที่ยงที่คุณมีอยู่ในโลกใบเนี้ยกับธรรมะของมูจ้าเนี่ยอักาลิโกนะคะไม่จํากัดการเลยแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณเอาข้ามไปได้อะนะคะกับงานในโลกใบเนี้ยไม่มีวันสิ้นสุดวันหนึ่งคุณเจอปัญหาแล้วปัญหาเล่านะในแต่ละวันแต่ เส้นทางที่เราจะค้นทุกได้นะเก้าที่ร้อยอ่ะมันเริ่มจากเก้าที่หนึ่งแล้วทุกเก้าเนี่ยมันมีคําตอบที่คุณวัดด้วยตัวเองตอบด้วยตัวเองเหมือนคุณทําธุรกิจเนี่ยคุณปิดงบบัญชีสาสิบอ็นธันวาปั้งปุ๊บคุณรู้เลยคุณกําไรขาดทุนแต่ถ้าในโลกใบนี้คุณปิดงบเนี่ยคุณยังต้องลุ้นอีกปีนี้ฉันขาดทุนหรือกําไรยังไม่รู้อ่าถามว่ากําไรแล้วอีกสามเดือนข้างหน้าสัมภาระมาใหม่ค่ะขอรือบัญชีหมดเลยค่ะ ไอ้ที่กำไรแน่ใจไหมว่ากำไร เ, ออเกิดเขาลงบัญชีผิดข้างเกิดเขาเอาไอ้นี่ราย ไ, ได้ไปหักเป็นค่าจ่ายแทนสวยไหมคราวนีออ้บวกค่าปรับไปอีกแต่งานในโลกธรรมะนะคะมีวันสิ้นสุดและจบเมื่อคุณนับก้าแรกอ่ะแล้วคุณเดินไปแล้วทุกย่างเก้านะรีบอกเลยว่าคุณมีความมั่นใจและมั่นคงเส้นทางที่คุณจะเดินแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกคุณ พระศาสนาพุทธไม่ได้บอกให้ใครเราต้องไปพึ่งใครนะไม่ได้บอกเลยไม่ต้องเชื่อพระเจ้าด้วยคําสอนมีอยู่พระพุทธเจ้าทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างนั้นมีแต่เราเดินด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมัเข้าใจว่ามันตอบทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมแต่อย่างน้อยวันนี้พ่อแม่คุณแสดงธรรมะให้ดูแล้วนะเกิดแก่เจ็บสุดท้ายร่างกายนี้มันมันบีบเค้นมากๆ ม, มันก็ตายนะคะแต่ท่านตายไปท่านได้อะไรไปไหมเราดูตรงๆเลย แล้วเราจะเป็นอย่างท่านไหมมลีเนี่ยมองแม่แบบเนี้ยนะสิ่งที่มลีทุกนะคะก่อนที่แม่จะสิ้นแค่ว่าแม่ไม่ได้ธรรมะแม่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วแม่ไปก่อนอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยคือสิ่งที่เราเข้าใจนะคะว่าตรงเนี้ยเราไม่เอาอืมลีก็จัดสรรเวลาของตัวเองมาในทุกวันเนี้ยนะคะถ้า คำตอบนี้ยังไม่สบายใจเขียนมาใหม่นะคะเดี๋ยวต่อภาคสองให้เชิญค่ะคุณธนาวันเนาะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่มีไหมฮะสวัสดีค่ะก็คือ ปกติคือหนูจะอาศัยการภาวนาในการเก็บตาในชีวิตประจําวันนะคะก็คือช่วงเช้าขับรถไปทํางานก็จะคอยเก็บตาเวลามีรถปั่นนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่ะเก็บตาหมายถึงว่ารู้สึกตัวค่ะ เ, ออเก็บตาคือรู้สึกตัวค่ ะ, คะก็ก็คือหมายก่าว่าแบบเ อ, อเวลาที่มีรถปั่นนาะหรือว่ามีคนมาเบียดแต่ก็เราก็จะรู้จึกทันใจของเราว่าเราไม่พอใจเขาแต่เราก็ ดูแค่ดูแล้วเราก็จบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างวันคือหนูออาจจะไม่ได้รู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะแต่ว่าก็มีการภาวนากิจที่หลไปคิดแล้วก็รู้ทานที่นี้ค่ะก็แต่ละวันที่ผ่านมาหนูจะทําแบบนี้แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธินะคะแล้ว ค่ะก็คือเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้ไปอยู่วัดแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูภาวนาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วพอหลักจากที่กลับมารู้สึกว่าแบบหนูภาวนาไม่ไปเลยอะค่ะมันเหมือนแบบจิตมันแน่นๆมันแข็งๆอยู่กลัก อ, อกทุกครั้งที่เวลาหนูนั่งนิ่งๆหรือว่าหนูนั่งสมาธิเวลาที่หลับตาปุ๊บ หนูจะเห็นเลยว่าเจ็บอันจะบาดมันจะมาเกาะเกาะกันอยู่กลางอกคือหนูไม่รู้ว่าแห่งที่มาเกาะ อ, อยู่กลางอกเนี่ยเกิดจากอะไรหนูไปก่นหรือหนูไปแพ้งหรือหนูไปทําอะไรทำไมมันได้เป็นแบบนี้อะค่ะแล้วพอมันแน่นปุบ ม, มันบ้าค่ะก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกอะไรประมาณอย่างแม็กเราทางตอนเช้าที่ฝากคุณ ม, มาเรียค่ะก็ก็ยังนั้นอยู่ค่ะคําถามคําถามคือทํำยังไงกับไอ้ตัวแน่นนี่ใช่คือคือหนูเหตุใดวะ เราอยากทำให้มันหายบางทีหนูก็แบบหายใจแรงๆบางหรือแบบบางทีก็ยิ้มหวานๆแต่มันก็ยังอยู่อะคะ่ะบางทีจิตหนีไปคิดหนูเห็นนะคะว่ามันหนีไปคิดแต่ไอ้ตัวแน่นๆเนี่ยมันยังอยู่ใน อ, อกอะค่ะเคล็ดลับนะคะเราบอกไปแล้วทํายังไงให้เกิดสมาสมาธิคือจิตต้องมีความสุขความสบายเคล็ดลับของวิปัสสนากรรมฐานคือไม่มีการแก่อเมื่อกี้เราโปรยมาแล้วเนาะวิปัสสนาคือรู้ตามอย่างที่มันเป็น อ่าแล้วหนูได้รู้ตามไหมอหเอาจิตขนาดนี้เลยเราไม่เอาอาดีตแล้วเอาปัจจุบันเนี้ยละคะ่ะอ่าเห็นความแน่นตรงนี้ดูไปตรงตรงเลยว่ามันแน่นไหมแน่ น, นไหมคะตอนนี้แน่นอยู่รู้ตรงตรงเลยว่าแน่นก่อนอ่าชอบความแน่นนี่ไหมคือหนูบอกตรงๆนไม่เห็นว่าหนูชอบหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่ดูตรงนี้ก่อนดูตรงเนี้ยชอบไม่ชอบอะ เ, อเห็นพี่ไหมเห็นพี่มารีไหมชอบไหม ชอบอ่ะก็ดูใจเรานี่แหละมันแน่นอ่แน่นแล้วเราชอบไหมคิดว่าน่าจะชอบค่ะน่าจะชอบค่ะดูตรงๆเลยทำไมมีหน้าจาละล่ะไม่รู้<ม>ค่ะมันดูไม่ออกว่าเราชอบหรือเปล่าเห็นไหมว่าเราดิ้นรน <c oughs> หลักของการภาวนานหลวงพ่อนะคะท่านย่อยออกมานะคะสรุปออกมาเลยนะหนึ่งก่อนรู้อย่าตั้งใจรู้สองรู้แล้วอย่าถลำ3สามรู้แล้วจิตนี้ยินดียินร้ายให้รู้ตามอืมนะคะ อเอามาดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่ามันแน่นเราอยากหายเรารู้ทันไหมเอาใหม่ไอ้ตรงเองนที่หนึ่งนี่แหละคือมันไม่รู้พอไม่รู้เกิดอะไรคะถล่าเมื่อถล่าแล้วอาการนี้จะไม่หายเลยเห็นไหมเห็นต่ลว่าเราเข้าไปมุดมุดมุดหยู่เข้าไปถล่าอยู่กับมันตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาฟัง จิตหนูมีอีกตัวหนึ่งก็อยากถลําอยู่ตรงนั้นแล้วแค่รู้ลงไปก่อนว่ามันถล่มนะคะใครที่ยังไม่เคยเจอมีนะคะมีสามขั้นตอนอันดับแรกอะ่ะเราต้องรู้เท่ากันก่อนว่าจิตเป็นยังไงในขณะนี้ของคุณจิตที่เดินอยู่มันเป็นยังไงนะคะสองเหตุอะไรถึงเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นจิตที่ดีหรือจิตที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามนะคะอันดับที่สามขั้นที่สามคือจะทํายังไงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะอันดับแรกเรารู้เท่ากันแล้วมันแน่น แล้วหนูก็ถลำถลำ ม, มุดมุดอยู่อ่าอันนี้เห็นแล้วอ่าเห็นใจตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นปิติไหมเห็นปิติป่ะคะครอเครเป็นปิติเห็นไหมปิติเนี่ยมันมีตรงเนี้ยขึ้นมากระชอกขึ้นมานิดนึงอ่านิดนึ ง, นหนงเห็นไหมคะเห็นอ่าชอบตัวนี้ไหมมันไปคลอเคลียกับมันอยู่ใช่แค่รู้อื ม, อมนะคะแต่เห็นแล้วใช่ไหมว่าทาไมปิติมันถึงเกิด แล้วตัวแน่นมันดับไปเห็นไหมคะตอนนี้มันไม่มีตัวแน่นอ่ะนี่แหละทันทีที่เรารู้ลงปัจจุบันนะคะมันก็จะดับแต่ที่หนูไม่หายอ่ะเพราะอะไรหนูถล่มแต่ตรงเนี้ยจะแก้ยังไงจะทํายังไงให้มันไม่แน่นอ่าเราไม่ทันรู้ตัวอย่ากทุกครั้งที่มีความอยากความทุกเกิดขึ้นทันทีมันมีภาระทันทีในใจมีความเครียดเกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่มายอมรู้ว่าเราอยาก เราอยากเพราะอะไรเราไม่ยอมรับความเป็นจริงในขณะนั้นที่จิตมันเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะพอทันทีที่เรารู้ปุ๊บตัวกดตัวแน่นก็ดับไปอ่ะปิติก็เกิดอปิติก็ยังไม่ใช่ของจริงนะคะปิติก็ยังเป็นสังขารที่ปรุงแต่งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตามถ้าไม่ดูตามมันครอบอีกเหมือนกันแล้วเห็นอะไรที่ทําให้มันเป็นแบบนี้ามาดูอ่ะรูปแบบทําอะไรคะรูปแบบจะจุดใหญ่จะฉันมนแล้วก็นักสมาธินั่งแบบไหนเอ่ย นั่งแบบดูลมหายใจอะค่ะอืมก็เห็นไหมอัดลมตรงเนี้ยเราไม่ดูตัวนี้หายใจเราอัดลมตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยอัดแบบเนี้ยอัดลมละใช่คราวนี้หนูไม่ได้อัดลมไปแบบนี้นะคะหนูอัดอย่างเงี้ยอัดเข้าออกแล้วเราต้องต้องทํำยังไงอ่าต้องทํำยังไงอาจจะต้องดูดูว่าเราอัดลมเข้าไปอืมแต่เวลาที่เรารู้นะคะเวลาที่เรารู้กายรู้ใจเราไม่ต้องรู้ดักหน้าดักหลังเลย รู้นัขณะที่เรารู้สึกตัวในขณะนั้นว่ามันเป็นยังไงอ่าอย่างเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่เรายิ้มเราเห็นตัวนี้ยิ้มอยู่เห็นตัวอะไรไม่รู้มันยิ้มอยู่อ่าอันนี้เหมือนกันเราไม่เห็นเลยว่าตอนอัดไม่เป็นไรแต่เราเห็นตัวแน่นก่อนอ่าเราเห็นเลยว่าอ๋อเราแน่นเราไม่ชอบตัวแน่นนี้เลยหรือเราชอบตัวแน่นนี้ก็ตามจากนั้นนะคะจิตนี้มันจะอาจารย์มันจะประมวลธาตุรู้เองเหมือนกับคอมพิวเตอร์คุณตั้งปุ๊บคุณเจออากูใช่ไหมอยากชื่อใคร อยากรู้ใ ย, ยมาลีอยู่ที่ไหนใ ย, ยมะลีทําอะไรชีมาลีเข้าไปคอมพิวเตอร์ประมวลเองเสร็จเลยนี่จิตเหมือนกันแค่รู้ตรงๆอย่างที่มันเป็นธรรมะนี่ซื่อที่สุดเลยนะมันเที่ยงนะอะไรก็ตามไม่เที่ยงธรรมะนี่เที่ยงเสมอนะคะกฎหมายไม่เที่ยงกฎแห่งกรรมเที่ยงเสมอคุณทํากรรมดีคุณพาจิตใจเนี่ยนะเออทําสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันใช่จิตใจมันก็จะดําเนินไปตามนั้น แต่ใจถ้าระวังว่าเรายังอยากอ ย, กอยู่ทํายังไงไม่ให้มันมักฟุ้งซ่านเนี่ยใจเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันอึดอัดมันก็ยังอึดอัดอยู่นั่นแหละอืมเพราะทันทีขณะนั้นเนี่ยตัวอึดอัดเนี่ยที่เป็นเป็นจิตดวงเดิมเนี่ยมันยังอยู่ก็ตามแต่จริงๆเขาจริงมันดับไปแล้วจิตดวงใหม่คือความอยากนะคะที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเกิดใหม่คือความโลภแล้วเรารู้ไม่ทันอืมมันก็ครอบลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเก่าไม่ดับเลยเพราะว่าตอนนี้จิตเนี่ย มันเกิดวิถีใหม่แล้วคือตัวอยากหายแล้วเรารู้ไม่ทันค่ะเอาดูใหม่ตอนนี้เห็นหรือยังว่าเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราอัดลงแบบนี้นะเราไม่ได้อัดขึ้นลงดูไม่ออกเลยเอานั่งดูไม่ออกแล้วทำยังไงเห็นไหมมันงองแงดูก่อนจิตเนี้ยมันงองแงว่ามันเป็นเลยแกงี่เง่ามากเลยนั่งให้สบายก่อนนั่งให้สบายก่อนบางดวงจิตเราต้องพูด ก, กับมันเพาะ บางดวงไงถ้ามันงองแงแบบนี้เส้นทางนี้นะคะเส้นทางคนจริงและเข้มแข็งถ้าเราปล่อยให้จิตวุ่นายแบบนี้ตลอดเวลาคุณก็จะล้มอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะจริงๆแค่อะไรอะ่ะแค่มือมันตีแล้วมันเจ็บนิดเดียวหูมวยวายเหมือนเด็กเล็กอะ่ะมึงบองปะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งนะจิต ด, ดวงนี้ยมันไม่มีใครช่วยใครได้เส้นนี้เดินคนเดียวอืมอ่าดูเข้ามาตรงๆเออค่อยโตขึ้นละอืมอ่าดูจิต มาดูตรงๆก่อนอ่ะโอเคเห็นละเห็นไหมเราหายใจยังไงดูนขณะนี้เลยเห็นปะมันแน่นๆอยู่ตรงเนี้ยอ่านี่แหละเห็นยังว่าเราอาัดแบบนี้เห็นยังไม่เห็นบอกนะคะเห็นนิดนึงทุกอย่างนิดนึงหมดเลยเห็นนะปะ <S <S อ่ะเห็นไห ม, ไมว่าเราพูดนิดนึงตลอดเลยเห็นไหมอ่ะโอเคใจว่าที่เราเห็นมันถูกป่าแล้วก็เลยแบบว่าไม่ใช่ค่ะข้อเท้ จ, จริงเนี่ยใจเราเนี่ยเราวางว่าเราต้องรู้ชัดๆ รู้เยอะเยอะรู้ดีๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันนิดเดียวแน่นจนกระทั่งเรารู้สึกม่าแน่นอะไรยังบอกนิดเดียวอะ่ะนึกออกปะที่รักแต่ไอ้วันแน่นเห็นเต็มเ็มวันแน่นแต่ว่าพอคุณมารีถามว่าเห็นไหมว่าเราอัดลมเข้าไปอันนี้หนูเห็นนิดเดียวหนูไม่ได้เห็นว่าอัดนี่แหละมันอัด จ, จนแน่นขนาดนั้นน่ะแล้วบอกนิดเดียวอะ่ะไอแน่นมันเกิดมาจากเราอัด ม, มันนึกออกปะอเหมือนเราปั๊มลมอ่ะปั๊มปั๊มลูกโป่งอะ่ะ ลูกมันใหญ่คุณต้องปั๊มแรงถูกป่ะไอตัวปั๊มเนี่ยมันปั๊มขนาดเนี้เพื่อให้ลมมันเข้าไปอ่ะจนมันตึงๆๆๆแล้วเราบอกเราไม่เห็นในตัวปั๊มอ่ะมันเป็นไ ป, นปนได้ไหมเห็นป่ะการภาวนาที่เที่ยงนะเออถ้าเราเราไม่รู้ซื่อๆอย่างที่จิตมันเป็นนะคุณจะเดินอย่างที่คุณคิดเลยมันจะไม่เดินตรงทางที่เป็นวิปัสสนากรรมาฐานจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่พี่จะพาให้คุณเห็นว่าใจคุณจริงๆเนี่ยคุณเดินด้วยความอยาก รู้ดีๆอยากรู้ชัดๆรักรู้เยอะๆอยากรู้มากๆเราดูใจเราไปเลยตรงๆเห็นไหมว่าเหตุตัวโลภว่าเราอยากเราอยากรู้อยากที่จะเห็นชัดๆอยากที่จะรู้ทําไมาอยากอยากอะไรที่ไม่สานูอยากทั้งหมดเลยเพราะนั้นในความโลภทั้งหมดเนี่ยนี่คือกิเลสสามตัวในทั้งหมดโมหะโลภะโทสะอืมเราดูไปตรงๆเลยอ่าแค่นั้นเองเห็นไหมตอนนี้จิตเป็นยังไง ดีขึ้นละอ่ามีคำว่าดีเห็นปะอ่าพอดีปุ๊บแล้วแน่ต่ออ่าแล้วเห็นไหมว่าแน่นต่อเลยค่ะใช่อ่าดูไปเลยทันทีที่นั่นปุ๊บเนี่ยนะทันทีที่ดีปุ๊บเนี่ยคุณจะกดไว้เลยค่ะจิตตอนนี้คืออะไรคือรักษามันอยากรักษาตัวเนี้ยไว้ดูตรงๆเลยค่ะอืมแล้วเห็นเห็นของการที่มันแน่นคือเราอัดลมเข้าไปใช่ไ้มคะใช่ค่ะเห็นหรือยังไม่เห็นบอกเห็นยังว่าเราอัดลมแบบเนี้ย เห็นไหมว่านอกจากว่ามันแน่นเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่ <Okay. S 1> อ่าเห็นความร้อนไหมอ่าเห็น ค, ค่ะเออนิดหนึ่งโอเคไม่เป็นไร <c oughs> นตอนนี้เรากลับมาแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งค่ะขึ้นหนูอยากรู้ว่าเคล็ดลับง่ายๆที่จะรื้ว่าจิตเรามาสะอาดขึ้นหรือเปล่าค่ะดู ย, ยังไงอะเราทําอะไรเราจะปฏิบัติอะไรสมถธิ ก, กับวิปัสสนาที่เราบอกอยากให้ใสขึ้นสะอาดขึ้นเนี่ยเราจะทําอะไร ขนาดใจหนึ่งเอยากวิปัสสนามาอะอะแล้ว ว, วิปัสนา<ม>ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะเพราะดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงแต่ตอนนี้เห็นไหมเราจะเอาใสเราจะเอาสะอาดเราไม่ได้เอาความจริงเลยเมื่อไรที่เราเอาดีนะคะเราจะเอาใส่เราสะอาดสุดท้ายเราต้องทำเพราะนั้นการอัดก็ดีการเน้นก็ดีเนี่ยคือทั้งหมดของนักภาวนาร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ารวมทั้งมลีด้วยไม่แปลก แต่เมื่อเรารู้แล้วอะเราก็รู้ทันมันอย่างที่มันเป็นเราไม่แก้จิตนี่นะถ้าเราทํามิปัทสนาเรารู้เลยเอาจิตมันอยากดีเราก็แค่รู้ว่ามันอยากดีจิตมันอยากรู้ว่ามันสะอาดไหมเราก็แค่รู้ว่าสะอาดไหมสะอาดก็ไม่เที่ยงไสคก็ไม่เที่ยงถ้าเมืไร่เที่ยงเนี่ยแก้ยากที่สุดเลยเออเ <laughs> <laughs> พราะมันต้องไปแก้แบบหนึง่งอืมวันที่เราก็อยากวัดความก้าวหน้าของเราค่ะอ่าเห็นไหมเราเอาก้าวหน้า เราแม้วความจริง <c oughs> เห็นไมเนี่ยเนี่ยเราสะท้อนความจริงนะถ้าเราปอกเปลือกตัวเราเองได้นะเราจะรู้เลยเออก้าวหน้าก็ไม่เที่ยงว่ะวันนี้รู้เรื่องพุ่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องเออแล้วเราจะเอาอะไรถ้าเรายังจะเอาก้าวหน้าอยู่เราต้องทําอย่างที่ตอนเนี้ยคุณทําอยู่อัดล <c oughs> มให้รู้สึกตัวทํำยังไงอ่ะมันแน่นมันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่รู้ซื่ออย่างที่มันเป็นไม่ได้รู้กายอย่างที่มันเป็นไม่รู้จิตใจอย่างที่มันเป็นเราก็ยังไม่ได้ขึ้นมีปรัชนาเลยอะ่ะ นี่คืออัฏฐกิริยามัทธานิยมที่นักภาวนาทําอยู่แต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำยิ้มหวานอ่าก่อนจะบายๆกันยิมหวานทีหนึ่งก่อนนะเพราะฉะนั้นพาใจมันดูวิธีดูไม่ต้องคิดว่าต้องทําอะไรไม่ต้องไปพามันบอกแกต้องทํำวิปันสนามีอะไรรู้ตามนั้นเราภาวนาเสร็จแล้วเราทำํำวิปันสนากรรมฐ า, านเสร็จแล้วอืมไม่ต้องไปปรับ โหมดเนี่ยจะไปปรับโหมดใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีเซตนีเดี๋ยวใส่ไฟนี่เข้าไปใส่ไฟ์นี่เข้าไปมันทําไม่ได้เพราะจะจริงอ่ะถ้าไปทําก็เกิดอันใหม่ก็มีไซส์เอฟเฟกมาใหม่อืมก็ต้องมานั่งแก้กันอย่างเงี้ยเออรู้อย่างที่มันเป็นท่องไว้เลยรู้อย่างที่มันเป็นมันไม่ดีไม่ดีแล้วเราไม่ชอบเห็นใจที่ไม่ชอบอืมมันดีมันชอบเห็นใจที่ชอบเห็นใจที่อยากรักษาเห็นใจตรงนั้นลงไปตรงๆแล้วมันจะประมวลเองว่าเฮ้ยไอ้ดีก็ไม่เอาอ่ะเออ พอดีแล้วมันต้องรักษามันเหนื่อยอ ม, มันเป็นภาระของจิตอีกที่จะต้องทำมันเนอะโอเคไหมอะโมทนาค่ะคุณอนุพงศ์ค่ะยกมือเลยค่ะอ๋ออยู่ด้านนูน้นค่ะค่ะกาบขอขอมาคุณมารีก่อ น, นค่ะวันนี้ก็ขอขอมาคุณด้วยนะคะค่ะก็ ก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาสักสามสี่ครั้งนะฮะก็เรียนถามให้ท่านช่วยทุบทีนี้ท่านก็ไม่ทุบสักทีก็เลยอยากจะมาให้คุณมาลีช่วยทุบคือจริงๆก็ปฏิบัติมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็พยายามทำรูปแบบรูปแบบที่ทำก็มันก็ออนๆดับๆทำมั่งก็หลังๆก็แพ้กิเลสขนาดสึกออกมาจาก บวชเป็นพระเนี่ยเขคิดว่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทาได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เลิกไปอีกทีนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่สักโมกกาเนี่ยฮะเมื่อโมกราาเนี่ยเขอตอนนี้ก็ทําทุกวันเลยที่ทําก็คือเดินจงกรมก็ตอนแรกก็สัอาทิตย์แรกก็ลองสลับนะทำสิบสีจังหวะมั่งนั่งสมาธิมั่งแล้วก็เดินจงกรมแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ฟังคุณมาลีเหมือนกันเนี่ก็เลยเฮ้ยลองลองมาเดินจงกรมอย่างเดียวดีกว่าเอาสัก อย่างเดี๋ยวให้มันต่อเนื่องไปเลยที่คุณมารีเคยบอกในซีดีบอกว่าเดินสักยี่สิบนาทีมันก็จะเห็นผลก็ผมก็เลยลองลองแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆก็จะจะคิดว่าเหมือนกันว่าจะมันลองมันเป็นนั่งสมาธิมัง้งทีนี้ก็อยากจะเรียนถามว่าคืออยากจะเหมือนกับว่าจะจัดโปรแกรมยังไงสําหรับตัวเองอะฮะคือตัวเองเนี่ย <c oughs> เวลาเดินเนี่ยมักจะตั้งใจอยากจะทําเป็นสมาถะนะครับ เพราะว่าเคยส่งกันบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะเน้นบอกว่ายังไม่แรงยังไม่ดีคือยังขาดยังตกอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยใจก็จะพยายามที่จะเน้นให้เป็นสมถะสัมมากกว่าส่วนจเจริญสติในชีวิตประจําวันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอนะครับมันก็รู้ว่าบางทีเนี่ยที่รู้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวสุดท้ายที่มันบงการเราได้หรือเปล่ามันน้องคนเมื่อกี้เนี่ยที่เหมือนก็มันก็ตรงใจว่า เออเราไม่เห็นตัวอยากสุดท้ายที่มันวงการเราอยู่มันก็เลยเกิดแน่นเกิดอึดอัดอะไรซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นกับทุกๆคนก็เลยก็คงจะถามแค่นี้ยครับเอาคำทาแรกก่อนนะคะว่าจะจัดโปรแกรมยังไงอ่าเรามาดูนะคะกรรมฐานเนี่ยเราไม่เปลี่ยนรายวันนะคะคือการที่เราลองหลายๆแบบไม่ได้แปลกนะคะแต่เมื่อนักภาวนาเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราต้องมีโยนิโสสังเกตในช่วงนั้น เราทําอะไรเพื่ออะไรและผลที่ออกมาเป็นอย่างไรนะคะในรูปแบบเนี่ยอย่างท่าที่หลวงพ่อประโมทสอนท่านจะสอนหลักนะคะว่าหลักเนี่ยเป็นยังไงแต่รูปแบบอันนี้ทุกคนต้องหาด้วยตัวเองเพราะทุกคนเนี่ยจิตจะชอบแต่ละอันไม่เหมือนกันบางคนชอบกินเปรี้ยวหวานเค็มมันอันนี้แล้วแต่อันนี้จิตเราเหมือนกันนะคะคราวนี้การที่คุณเปลี่ยนมาอันเนี้ยหลายหลายแบบตอนนี้คุณต้องกลับมาหาตัวเองก่อนนะคะว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยอันไหนอ่ะที่คุณทําแล้วชอบ สิ่งที่ถูกนะคะหมายความว่าจิตเราชอบไม่ได้หมายความว่าสงบนะคะเพราะว่าการที่คุณจิตสงบคุณอาจจะบังคับอยู่ก็ได้แต่เรามาดูใจที่มันสบายนะคะว่าเราชอบอันไหนคุณเห็นไหมคุณชอบเดินจงกรมคุณเห็นใจขณะนี้เลยเห็นไหมคุณเดินจงกรมแล้วคุณมีความสุข อ, อันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเอออันนี้จงกรมเหมาะกับเรานะคะแต่การที่เราจะต้องนั่งสมาธิด้วยไนดีนะคะ เพราะเราประมาทไม่ได้ในชีวิตนะคะวันนี้เราเดินได้พรุ่งนี้เดินไม่ได้ทําไงภาวนาไม่ได้เลยเหรออ่านะคะแม้กระทั่งนะคะบางคนบอกว่าพุทโธดูลมอ่าพุทโธดูลมนะคะเกิดวันนึงอะตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตอะมันไม่มีลมนะมันหมดลมทําไงอ่าเราสามารถที่จะใช้พุทโธข้างในก็ได้อ่าอันนี้เราซ้อมไว้ก่อนได้อ่าพุทโธพุทโธเช่นหลวงพ่อจะใช้ว่าให้แต่ละท่านเนี่ยมีวิหารธรรม วิหารธรรมหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเลื่อนลอยเนอะออกไหมเรายุ่งกับคนทั้งวันเลยอะวุ่นวายทั้งวันเลยแล้วเราลืมไปเลยมารู้สึกตัวทีสี่โมงเย็นอ่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีวิหารธรรมสักนิดนึงนะคะใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้จิตเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธเราเห็นเนี่ยจิตมันไหลไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธอา้าวเราเห็นจิตเนี่ยมันไหลไปคิดอีก อันนี้หมายความว่าพุโทโธรู้ใจรู้ว่าตอนเนี้ใจเราพุโทโธอยู่พุโทโธพุโทโธไปสักพักพุโทโธรู้ใจพุโทโธใจรู้เห็นว่าใจนี้มันไหลไปฟุ้งซ่านอ่านั่นเป็นเครื่องอยู่ได้นะคะบางคนใช้กายได้ไหมได้เช่นมาดูตรงนี้หายใจถ้าใครที่ที่ดูลมอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่มลีบอกว่าดูตรงนี้กับเพิ่มเนี่ยนะคะถ้าเราซ้อมบ่อยๆนะคะแล้วนั่งอยู่ตรงไหนเราเดินเรายังเห็นตัวนี้หายใจได้เลยอ่าอันนี้เราใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่ทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยต้องซ้อม ะะแม่หลวงปู่หลวงตาเราที่ท่านท่านไม่มีงานแล้วอะ่ะท่านยังเดินจงกรมท่านยังนั่งสมาธิอยู่เลยนะเพราะอันนี้มันเสื่อมได้นะคะตอนนี้กลับมาคําถามคุณก็คือว่าคุณเห็นใจที่มันชอบเดินจงกรมอ่าเราไปดูเลยนะคะว่าอ่ะตอนเราเดินแล้วเนี่ยเราดูตรงไหนที่มันเด่นนะคะเราไม่ได้ดูว่าตรงนี้ต้องเป็นสมาธิตรงนี้ต้องเป็นวิปัสสนาเวลาที่เราภาวนานะภาวนาเสื่อที่สุดเลยไม่ต้องให้ชื่อแค่รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นจบละ มันจะเป็นอะไรเราไม่รู้ที่เหลือจิตประมวลเองเรามีหน้าที่ทําเหตุนะคะผลเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราทําเหตุถ้าเราทําเหตุที่ทําให้ทุกจิตใจก็ทุกเราทําเหตุที่ทําให้เราพ้นทุกจิตใจนี้ก็จะไม่ทุกเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะทําสมถะข้อเท้จริงเนี่ยนักดูจิตนะคะหลวงปู ด, ดูลบอกเลยในชีวิตประจําจวันพวกเราดูจิตดูจิตกันเนี่ยแล้วเรานึกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นสมถะมากกว่าวิปัสสนาอีกโดยซ้ําไปนะคะ วันนั้นเวลาคุณคุณเดินเนี่ยคุณก็ดูไปเลยว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นไหลไปคิดไหลไปอยู่ที่เท้านะคะไหลยมมาอยู่ที่ศีรษะก็ได้เดี๋ยวจะลองเดินสักนิดได้ไหมครับได้ครั บ, รบเดินอย่างที่คุณเดินเนาะแต่ในขณนะนี้มิียนจะคุยกับท่านอื่นเพราะว่าถ้ามิีนดูคุณเดินเนี่ยมันจะไม่ปกติเลยอะครับคุณอนุชาคุณอนุชานาค่ะขออภัย คุณเห็นั้ยคะรวบจิตตั้งแต่เดินแล้วอะคะ่ะคุณอนุพง์เนาะไม่แก้เลยค่ะแค่รู้ก่อนนะคะรบกวนได้ไหมคะเอาตรงปลายตรงนู้นเลยอะคะ่ะปลายตรงมาผ้าม่านสุดท้ายเลยเแล้วคุณค่อยเดินมาอย่างที่คุณทำนะคะทำอย่างที่ทำที่บ้านเลยเชิญค่ะคุณอนุชงนศะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเคยเคยส่งกันบ้านคุณมาลีเมื่อแปดเดือนก่อนนะค ะ, ค, ะคุณมาลีบอกว่า ตอนเดินจงกลมเนี่ยจิตไหลไปแล้วไม่ไม่รู้อะค่ะตอนนั้นก็พี่ผ่านมาก็พยายามก็เปลี่ยนยังเดินมากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิด้วยก็อยากเรียนถามว่าตอนนี้เดินดีขึ้นหรื อ, อยังนะคะค่ะเดินมาแล้วเท่าไหร่คะคือ จะมีจะเดินกับนั่งสลับการบางวันก็เดินบางวันก็นั่งเนี้ยค่ะก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีการพานอนค่ประมาณสิห้านาทีทุกวันถูกไหมคะโอเคค่ะเวลาเดินเดินแบบไหนเดินรู้ตัวนะคะอก็รู้รู้ที่ขาที่เดินไปตัวที่เดินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอจิตไหลไปก็รู้เนี้ยค่ะค่ะเดินแบบที่หลวงพ่อสอนไหมรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่ะคิดว่าคิดว่าทำอย่างนันแต่ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าอะค่ะค่ะ เห็นไหมคะคุณอนุทงแป๊บหนึงนะคะตอนหมุนเนี่ยบังคับชัดเจนมากเลยคุณเห็นจิตไหมมันแข็งจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องเดินก็ได้มีบอกได้แต่คุณเดินเนี่ยไม่ชี้ให้คุณคุณจะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะเออว่ามันแน่นเห็นไหมคือมารีลองให้คุณเดินหลายรอบก่อนเพราะว่ารอบแรกๆมันไม่ปกติหรอกเนาะแต่รอบเนี้ยคุณเห็นไหมจิตเราะบังคับอย่างเงี้ยอืมตอนหมุนเห็นไหมคะ ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะงั้นเดินธรรมชาติไปความยาวนี้่ปกติไหมผมสั้นกว่านี้คุณเอาที่บ้านเลยที่บ้านคุณเอาตั้งแต่เนี้ย<ม>เอ อ, เ อ, อประมาณนี้อะแล้วคุณได้แค่ไหนแค่นั้นอ่ะเหมือนที่บ้านน ะ, อะโอเคคือผมจะมีสองแบบบางทีก็จะหยุดแล้วก็หมุนแต่บางทีก็จะพยายามเดินเป็นตัวเลขแปดโค้งไปจะได้ไม่หยุดก็เลยกลัแล้วแล้วทําไมถึงชอบเลขแปด ทำไมถึงต้องเดินอย่างนั้นมันต้องมีเหตุถูกไมครัเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องหยุดไงฮะือแล้วทำไมถึงไม่ต้องหยุดพราะคิดว่าถ้าหยุดแล้วเนี่ยมันอืจิตมันจะเปลี่ยนแล้วก็มันมีบังคับนิดๆความรู้สึกแล้วก็รู้ไปสิว่ามันเปลี่ยนแล้วก็รู้สิว่ามันบังคับอืครับแต่เห็นไหมว่าคุณรู้เปล่าว่าเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยไอ้ตรงหยุดเนี่ยมันเป็นนาทีทองอืจริงๆนะะเพราะอะไรอย่างคุณนั่งสมาธิเนี่ยยี่สิบนาทีผ่านไปเนี่ยคุณถึงนิวยอร์กคุณยังไม่รู้เรื่องเลย พระมันฟุ้งออกไปไกลมากแต่ถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยตอให้คุณเดินด้วยไขยสันหลังก็ตามนะมันจะหยุดหยุดเนี่ยคือการที่เราเบรกเห็นกายล้วเพราะในขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเราอาจจะไหลไปคิดไหลไปฟุ้งซ่านนะคะเราไม่เห็นจิตแล้วละ่ะตอนนั้นนะคะเรามาหยุดตรงกายเพราะกายเนี่ยเป็นบ้านของจิตเราหาจิตไม่อยู่เรามาเฝ้าบ้านนี้แหละเดี๋ยวเจ้าของบ้านมันกลับมาจิตเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านบ้านนี้มันอยู่เนี่ยกายเนี่ยมันเป็นบ้านของจิตนะคะ แต่เวลาเราเปลี่ยนอะไรอะ่ะเราถามตัวเราก่อนว่าเราทําเพื่ออะไรอย่างครอเ น, นี้ยคุณมีคําตอบอ่าทํายังไงก็ได้ให้มันไม่หยุดอ่าทําให้ไรไม่แน่นความรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะมันจะดูลื่นกว่าความรู้สึกอ่าเราจะเอาลื่นก็เราไม่เอาความจรงิงเอ่อคิดเจ้าดีไหมฮะเจ้าดีถูกต้องเจ้าดีคุณเก่งมากอะ่ะถ้าเราไม่เห็นตัวเรานะคะปอกตัวเราไม่ออกเนี่ยยากเลยเส้นเนี้ยอืมเราแค่รู้ว่าเราจะเอาดี ไม่แน่นปึ๊กเลยตอนเนี้ยอืมอือเอาไปคิดกันเลยออกแบบนี้ใช่ไหมคะที่แน่นปึกครับเห็นไหมว่ามันอึดอดัด<ะ>อ่นานั่งภาวนานะคะถ้าไม่รู้อึดอัดเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงนั่งสบายแล้วลองหายใจดูถ้าติดเพ่งอึดอดัดมันจะไหลมันจะอยู่ได้แค่หน้าอกมันลมหายใจเนี่ยจะลงไปไม่ถึงช่องเลยมันจะอยู่แค่เนี้ยลองดูสิคะครับเออมันจะยุ่งตรงนี้ยมันไปไหนไม่ได้รรเราแค่รู้นะ อ่าตอนนี้ตอบคําตอบคุณยังเอานั่งเลยก็ได้ครับครับเคลียแล้วครับขอบคุณมากครับจบแล้วหรอหมดยังเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ถามคําถามอะไรมั่งนั่งให้สบายยิ้มหวานก่อนค่ะยิ้มหวานหวานหวานหวานก่อนไม่เครียดหรอกค่ะยิ้มหวานก่อนก็ฮะก็รู้สึกจะมีตัวรักดีอยู่กลัวไม่ดีกลัวอะไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คิดว่าที่เดินเนี่ยก็ ใช่ที่ว่าตอนสุดท้ายตอนหยุดเนี่ยหมุนตัวมันจะรู้สึกเปลี่ยน่ะจิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าคุณคบังคับว่าหมุนแล้วเนี่ยกลัวไม่รู้ตัวะอ่านะพอมันหมุนกลับมาบังปุ๊บเนี่ยคือรู้ว่าจะหมุนปุ๊บเนี่ยคุณบังคับเลยทันทีนะคะแต่ข้อเท้จริงเนี่ยถ้าคุณกลับไปสังเกตนะคุณบังคับตั้งแต่หัวจงกลมแล้วครับถ้ายืนปุ๊บปุ่มเนี่ยคุณรวบจิตเลยอืนะคะพารวบจิตปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้ทันไม่เป็นไร แต่ตอนนี้คุณยังรู้ไม่ทันคุณรวบจิตทันที ค, คุณเห็นไหมคุณไม่ได้บังคับที่ตั้งแต่สมองตั้งแต่ถั่วลงมาเลยนะคุณบังคับจากตรงนี้เลยแกนตรงนี้ตรงจิตอ่าอย่างนี้ถือว่ามิจฉาสมาธิใช่ไหมฮะใช่ครับรใช่ครับแล้วเวลาคุณบังคับเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงหัวไหลคุณเลยนะอืมตรึงเอาไว้แล้วค่อยเดินตรึงแล้วค่อยเดินอย่างนี้คือเหมือนเดินช้อปปิ้งใช่ไหมฮะถ้า ถ้าพูดถึงว่าอย่ า, า<ด>ไปคิด<ช>ว่ามันเดินเดินจงกรมให้เหมืน อ, อนเราเดินไปเลยคือเราไม่แก้เลยนะฮะเห็นไม่พยายามดิ้นรนอยู่ตอนนี้ครับเรารู้ตรงๆว่าเราบังคับอืมทันทีที่คุณรู้ว่าบังคับมันก็หายบังคับอ๋อครับครั บ, รบสัจจะแห่งธรรมะนะคะคุณรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่รู้เช่นบางทีโกรธเนี่ยทําไมมันไม่หายโกรธเพราะจิตขนาดนั้นเนี่ยมันอยากหายโกรธอ่ะอืมแต่เราไม่รู้เรายังอยู่กับตัวโกรธอยู่เลย แต่ถ้าทันทีเนี่ยคุณรู้ว่าไอเราโกรธเราเห็นใจทําไมมันดับล่ะเพราะเหตุที่เราไปดูสิ่งที่ทําให้เราโกรธคนที่ทําให้เราโกรธเราไม่ได้ดูแล้วตอนนั้นกลับมาดูใจเรามันไม่ได้อัศจรรย์นะแต่มันดับจริงๆเพราะเหตุเราไม่ได้ไปดูเหตุอ่าเรามาดูใจเรามันดับอ่าแต่ตอนนี้เราแน่นเห็นไหมเราต้องทํายังไงอ่ะอ๋อไปเดินท่าใหม่เหรอไม่ใช่ข้อแท็จริงเราทําวิปัสนาเรารู้ตรงๆเลยว่าตอนนี้เราบังคับอืมตอนนี้เราอยากดีเออตอนนี้เรา ลวบจิตอยู่อืมเราดูตรงปลายเหตุก็ได้ตอนมันแน่นแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะย้อนขึ้นมาต้นเหตุได้เองที่เราเรียกว่าทวนธาตรู้อืมทวนธาตรู้คือจิตมันประมวลเองแล้วมันจะรู้เลยว่าแค่ไหนพอแค่ไหนใช่อืมเห็นไหมอยากอีกแล้วเห็นใจไหมมันแน่นขึ้นมาเลยพอรู้คําตอบคุณมาลีปุ๊บเดี๋ยวจะต้องไปจัดการละอ่าอจะไปลองดูอจะไปลุยอะไรเ ง, งี้ยอจะไปลยุยใช่แค่รู้ว่าจะไปลยุยเออไม่ต้องไม่ต้องแก้เลย รูอย่างที่จิตใจมันเป็นจริงๆอ่ะเออแล้วเดี๋ยวเราจะขำตัวเองมากเลยอืมเนาะคือเราเราเป็นพระวาดเนี่ยเราทํามาหากินเรารู้สึกว่ามันต้องทํำไงจิตเนี่ยนะมันจิต ด, ดวงเดียวกันนะมันไม่ใช่คําว่าไม่ได้จิต ด, ดวงเดียวจริตเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกเนี้ยเวลาเราทํามาหากินนะเข้มแข็งจริงจังเนี่ยเวลาไปลงมือภาวานาร้อยทั้งร้อยเป็นทรงนี้หมดอืมแต่พวกหล่อแหลกนะคะเวลาไปทําก็หลอแหละแหละอ่อ น, อ, อ, น, อ, อ, นอ่ออ้อ อ, อไปเรื่อยๆมั่ง ถลงถลายไปเรื่อยๆนะคะพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่าจริตเราเป็นแบบไหนนะคะระวังใจนะเช่นเนี้ยเราทํำมิปัสนากรรมฐานเนี้ยรู้อย่างที่มันเป็นแล้วมันจะไม่ยากเลยแต่ถ้าเมื่อไรเราจะทําอย่างที่ใจเราอยากให้มันเป็นเนี่ยนะอืมโหมันยากอะ่ะมันยากอะ่ะเพราะมันต้องทําตลอดเวลาเลยอ่ะคะ่ะอืมยิ้มหวานก่อนคะ่ะฟังซีดีหลวงพ่ออยู่เนาะฟังอยู่นะอ่าฟังไปเรื่อยๆนะคะ คือซีดีหลวงพ่อเนี่ยคาวาสต้องฟังนะคะมีใช้คําว่าต้องเลยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราบอกเราเป็นนักภาวนาใช่ไหมกลับจากที่ทํางานแล้วเข้าบ้านนะคะอาบน้ํากินข้าวเสร็จเข้าห้องพระแล้วค่อยภาวนาแล้วบอกนี่ชีวิตภาวนาอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณแบ่งแยกชีวิตแล้วมันไม่ได้ทําอะไรแล้วตอนนี้บังคับแล้ตอนนี้จะไปบังคับนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นยังไงก็ได้เรารู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหล ะ, ะว่าเฮ้ยเราอยากจะภาวนาแล้วได้ไหมได้อ่าแล้วกลับไปเลยเราก็ภาวนาไป นะคะอย่างที่มันเป็นในขณะนั้นอืมนะคะแล้วซีดีหลวงพ่อเนี่ ย, อยพอเรากลับไปแล้วเนี่ยนะคะใจเนี่ยถ้าเราได้ฟังมาสมมุติขณะนั่งรถกลับมาก็ดีหรือกลับมาถึงบ้านแล้วนะเราเปิดตอนนั้นอะ่ะมันเอาใจเราเนี่ยกลับมาสู่ธรรมะของพระพุทเจ้าละอ่ะตอนนี้ยเราก็จะเขาเคลียร์จิตเราก็แอบสอบไปทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันนะคะจิตมันฟังนะเราอย่าคิดว่าจิตไม่ฟังนะหูเราไม่ได้ฟังหรอก จิตเนี่ยมันซึมซับไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยอ่ะอืมเหมือนเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกกับเขาเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องหรอกแต่วันนึงปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เอ๋อใช่วันนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตนี้เหมือนกันนะคะมันเหมือนภาษาเด็กเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าภาษาคนเราพูดได้เมื่อไหร่นะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเราฟังคนที่พูดรอบข้างเรามาเรื่อยๆแล้วเด็กเนี่ยมันพูดเองได้จิตนี้เหมือนกันมันฟังธรรมะไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ธรรมะอันนี้นะคะพอดีกับใจเราเนี่ยมันจะขึ้นนมาททัี นะคะโอเคไหมค่ะโมทนาค่ะตอนนี้นะเดินจงกรมไปก่อนคือถ้าเราทําอันไหนดีนะคะทําอันนั้นไปก่อนจนกระทั่งเนี่ยมันเฟิรม์มพอมันเฟิรม์มปุ๊บนะคะคุณเปลี่ยนกันมาทานอย่างอื่นมันจะเข้าใจว่าจิตมันเดินยังไงแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนนี่สามวันอันนี้สองอาทิตย์อันนี้อีกเดือนหนึ่งมันมั่วไปหมดเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะต้องหาหมออะไรอะ่ะเพราะว่ามันทํามาเยอะๆก็ต้องมานั่งแคททีละอัน ตอนนี้ถ้าใจคุณเดินอย่างนี้นะคุณรู้และคุณเดินไปเลยนะคะสําคัญไม่ได้ต้องเยอะนะคะวันหนึ่งไม่ต้องทําชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องนะคะหลวงพ่อขอสิบห้านาทีหลักของมันจําหลักแล้วมันง่ายหลักคือทุกวันทุกวันการที่เราทําทุกวันเราจะเห็นไตรลันว่าวันนี้รู้เรื่องพรุ่งนี้ไม่รู้เรื่องวันนี้จิตสับสนพรุ่งนี้โอ้วันนี้จิตมันรู้เตือนเบิก บ, บานเราจะไปเห็นเออวันนี้ไอ้ตู้รู้เตื่นเบิก บ, บานหายไปละ วันนี้เหลือแต่ความฟุ้งตลอดเวลาแล้วข้อแท้จริงนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างมรีเดินเนี่ยหรือมรีภาวนาเนี่ยรู้ตัววันเดียวยี่สิบเก้าวันยีนี้มันไปไหนก็ไม่รู้แลว้วอะมันคิดอะไรไม่รู้เราเห็นใจมันคิดเราไม่ได้สนใจว่ามันต้องไปทําอะไรไม่สำคัญต้องปิ้งเพราะเราจะไปเห็นอ๋อมันบังคับไม่ได้เออเราอยากบังคับบังคับไม่ได้นะคะไปดูตรงนั้นโอเคเนะาะกลับมาของพี่เนาะครับก็ ที่ถามคุณมาดีค่ะว่าเดินได้ดีขึ้นหรือยังนะคะอืมดีขึ้นไหมแล้วเรารู้สึกไหมว่าเราดีขึ้นไหมคะคิดว่าดีขึ้นนะคะเห็นไหมว่าใจเราสบายขึ้นรว่าถูกรึเปล่ะเราเห็นไหมว่าใจมันสบายค่ะอ่าเห็นไหมว่าใจที่อ่อนน้อมเนี่ยธรรมะมันเข้ามาง่ายค่ะคุณเห็นไหมว่าจิตคุณเปลี่ยนไปค่ะอ่านะคะอย่างน้อยเนี่ยที่เราพิสูจน์ได้แล้วว่าธรรมะพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเราได้ค่ะนะคะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะทั้งทั้ที่เราไม่ต้องนิพพานหรอก นี่ผ่านเราไม่รู้เลยเป็นยังไงแต่วันนี้เรารู้สึกตัวปุ๊บจิตเรามีความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เนาะตอนนี้ถ้าพูดถึงเดินเนี่ยคุณเดินได้สบายนะคะแต่ไปดูนิดนึงนะคะในระหว่างเดินเนี่ยยังมีการบังคับอยู่เห็นการบังคับไหมคิดว่าพอพอทราบค่ะเห็นไหมคะว่าตอนเดินนะมันก็เดินไปแหละปกตินะแต่พอรู้สึกปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าต้องรู้สึกตัวเนี่ย ค่ะมันจะมีบังคับทันทีเลยอ๋อค่ะลองเดาลองลองสังเกตดูสิคะค่ะเห็นไหมค่ะอันเนี้ยคือจิตที่บังคับนะคะคุณเห็นจิตขนาดนี้ไหมไม่ไม่ควรอ๋อตอนนี้บังคับอยู่ใช่เห็นไหมคะจิตขนาดเนี้ยจิตขนาดนี้เห็นไหมคะว่ามันตึงแน่นๆ่นค่ะมันมีคําว่ารู้สึกตัวขึ้นมาอืมคุณดูเข้าไปนะคะมันจะมีจิตเนี่ยมันเดินด้วยว่าทําให้มันรู้สึกตัวอืมเห็นใจขนาดนี้ไหม เห็นไหมว่ามันทายอยู่ค่ะแต่ทายเห็นไหมว่ามันอึดอัดมันไม่ได้ทายแบบสบายสบายค่ะอ่าไม่เห็นอยากเก่งใจหายใจก่อนยิ้หวานก่อนยิ้หวานก่อนยิ้หวานหวานก่อนคือคื อ, คอมีเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคือเมื่อไม่นานเนี้ยส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อก็เมตตาบอกว่าทําไมทําจิตเครียดอย่างนั้นอ่ะซึ่งแล้วหลวงพ่อก็ถามว่ารู้รู้ตัวไหมซึ่งไม่รู้อะค่ะคือจริงจริงตอนนั้นจิตกาลังคิด ค่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราส่งมาแล้วเราเราเร า, เราตอบเราถามหลวงพ่อไม่ไม่จบอะไรเงี้ยเรานา่าจะถามเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแค่กำลังคิดอยู่แต่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเครียดอืมซึ่งก็เลยมันตอนหลังก็เลยมันคิดว่าอ๋อเราเป็นคนเครียดหรือเปล่าเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเราเครียดอย่างเงี้ยค่ะเราจะทํายังไงจะแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคุณปกติเนี่ย <c oughs> ที่อยู่กับโลกไม่ได้เครียดหรอกค่ะแต่เวลาเดินจงกลมปุ๊บเนี่ยตอนสตาร์ทคุณก็ไม่เครียดนะค่ะ <c oughs> คุณรู้สึกรีแลกซ์ด้วยซ้ําไป ตอนเดินนะแต่พอเดินปุ๊บเนี่ยมันมีตัวหนึ่งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยต้องรู้สึกตัวเนี่ยใจที่ระวงังว่าเราภาวนาเพื่อรู้สึกตัวมันจะบังคับขึ้นมาทันทีอย่างเนี้ยคุณเห็นจิตขนาดนี้ไหมลองหายใจดูสิเห็นไหมได้แค่ตรงเนี้ยเห็นปะ ต, ตื้อตื้อตื้ออยู่แค่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะค่ะอ่าชอบไหมไม่ชอบอดูไปตรงๆงเลยว่าไม่ชอบ <c oughs> หายไหม ก็คิดว่าดีขึ้นบ้างแต่หายไหมสัจจะแห่งธรรมานี่ยมัรู้มันสิ่งใดรู้มันต้องดับเห็นไหมมันไม่ดับ่ามดูใหม่สิคะว่าชอบไหมเห็นไหมมันชอบจริงๆเลยเห็นไหมว่ามันลงไปดูอย่างเงี้ยเห็นจิตไหมมันโน้มลงไปดูอ่านจิตขนาดนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมีความสุขเห็นใจก่อนที่มีความสุขไหมยิ้มหวานก่อนค่ะยิ้มหวานมันไม่เครียดขนาดนั้นยิ้มหวานหวนเอออ่าแล้วดูใหม่ เห็นตัวแน่นใช่ไหมคะยังเห็นแน่นอยู่ไหมดูไปตรงๆเลยชอบตัวแน่นนี้ไหมเห็นไหมว่ามันความสุขเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นตรงๆไหมเห็นไหมว่ามันมีอะไรทุกชิกชุกกเหมือนลูกเราหรือว่าใครอ่ะมาเล่นกับเราหมาแมวมาเข้าเคียเราเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละจริงๆเราชอบมันมันก็เลยเป็นนี้ไม่ใช่ค่ะ มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ค่ะคือชอบเรารู้ตรงๆเลยว่าชอบออค่ะทันทีที่เรารู้ว่าชอบนะคะจิตก็จะประมวลเองว่าอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่เราไม่มีหน้าที่ตัดสินจิตเลยอ่ะอย่างเช่นคุณบอกเข็นแล้วเฮ้ยมันเครียดมันอึดอัดเนี่ยคุณจะทำยังไงไม่ให้อึดอัดทําได้ไหมทําไม่ได้หรอกมันอึดอัดมันอึดอัดของมันเพราะเขาไม่ใช่เราจิตเขาทํางานไม่ใช่เราเราบังคับเขาไม่ได้ะแต่ทันทีอ่ะถ้าเรารู้ไม่ตรงสภาวะมันจะไม่ดับอย่างนั้นหรอก อย่างเนี้ยสมองอ่ะเราเข้าใจอึดอัดต้องไม่ดีแน่นต้องไม่ดีเราก็เลยบอกเราไม่ชอบเพราะเราไม่ได้รู้ใจเราจริงๆเลยอ่ะว่าจริงๆเราชอบพอเห็นไหมพอปุ๊บมันก็ดับเห็นไหมตอนเนี้ยความเครียดหายหมดแล้วอ่ะคุณดูสิค่ะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นก็รู้สึกโล่งขึ้นคือเห็นโล่งๆไหมอ่าโอเคคุณลองหายใจดูใหม่ตอนเนี้ยมันจะลงมาได้ละค่ะนปะลงมาได้ถึงตรงนี้ละค่ะอ่เมื่อกี้ได้แค่ตรงนี้ล่ะอ๋อค่ะเพราะนั้นเนี้ยกรรมฐานนะคะ ถ้าเราภาวนามไม่ซื่อๆนะค่ะคุณจะอยู่กับสภาวะ น, นี้อีกนานออืมอืมมเพราะว่าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นอแนั่นเรารู้ว่าแน่นนะคะไปซ้อมได้นะคะท่านที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองแน่นหรือเปล่าได้วยซ้ำไปลองหายใจดูนั่งสบายๆแล้วหายใจดูพอหายใจดูปุ๊บเรารู้เลยถ้ามันอยู่แค่ตรงตรงหน้าอกนะคะให้รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ละเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ทําอะไรคะ ไม่แก้นะคะถ้าแก้เนี่ยโอ้มันก็ลงไปกันปั้มกันอีกนานเลยนะคะแค่รู้ว่ามันแน่นแน่นแล้วย้อนมาดูใจหลวงพ่อบอกก่อนรู้อย่าตั้งใจรู้รู้แล้วอย่าถล่มรู้แล้วจิตนั้นยินดียินร้ายให้รู้ตามหรือเฉยๆนะคะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างแค่นั้นละค่ะนะค ะ, นะคะชอบไม่ชอบเฉยๆดีไม่ดีเฉยๆสุขทุกข์เฉยๆ นะคะอันนี้คือดีกรีคล้ายกันหมดนะคะเมื่ะนั้นตรงเนี้ยเราย้อนมาดูว่าใจเราชอบไหมเห็นไหมใจมันชอบเห็นปะเห็นจิตขนาดนี้มันมีความสุขค่ะอ่ะย้อนมาดูเลยว่ามันมีความสุขค่ะตอนเนี้ยเราเข้าใจเราตรงกันแล้วนะคะค่ะเรามาดูว่าเหตุอะไรเราเป็นแบบนี้นะคะเหตุคือระวังใจว่าเราอยากรู้สึกตัวค่ะเออเดี๋ยกลับไปดูนะคะตอนเราเดินเนี่ยมันจะมีคําว่ารู้สึกตัวขึ้นมาค่ะพอรู้สึกตัวปุ๊บจัดการมันทันทีอไม่แก้นะคะค่ะ จิตเขาแก้ของเขาเองเขาจะรู้เลยว่าธรรมชาติของจิตทุกดวงปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นเราแค่ไม่ต้องพาว่ามันต้องมีความสุขไม่ต้องสร้างความสุขให้มันด้วยแค่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันมีความสุขจริงไหมพามันดูของจริงพาจิตนี่ดูของจริงอ้อมันแน่นไม่ใช่แล้วล่ะจิตมันรู้เองละมันจะไม่เดินเส้นนี้อ่ะแล้วพามันดูพามันดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเขาเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราพาเขาดูของใหม่อ่ะแน่นเรารู้ว่าแน่นอึดอัดเรารู้ว่าอึดอัด จิตมันจะไม่เดินเส้นนั้นอีกแล้วนะคะแต่กลับไปยังต้องเป็นนะคะเพราะจิตมันเคยเดินเส้นนี้มันจะเดินอยู่ช่วงหนึ่งเราไม่มีหน้าที่บังคับให้เขาเลิกแต่มีหน้าที่เขาพาเขาดูอันใหม่อดูอันใหม่ก็คือรู้ตรงๆรงรู้ว่าเรากรู้ว่ามันแน่นแน่นแล้วฉันชอบอืมอืมมันชอบจิตมันก็จะไม่เอาแล้วแกชอบได้ไงปิดอักสักขนาดเนี้ยอ่ามันจะเดินทรงใหม่เองทรงใหม่นี้มันจะขึ้นวิถีของมันเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรค่ะค่ะ จิตเขามีหน้าที่ทําเรามีหน้าที่รู้กายอย่างที่มันเป็นใจอย่างที่มันเป็นแปลว่าที่เมื่อก่อนนี้คุณมารีเคยบอกว่าเดินแล้วจิตไหลไปข้างนอกไม่รู้ก็เลยตอนนี้เลยกลายเป็นกับกลายเป็นว่าเข่งเกินไปมาพยายามรู้สึกเกินไปเช่นนี้นะคะเราไม่ทําสิ่งที่ถูกเลยเพราะสิ่งที่ถูกทําไม่ได้เราจะเรียนรู้สิ่งที่ผิดวันไหนเนี่ยมันตึ้งมาข้างนี้ตึ้งมาข้างนี้เราค่อยๆรู้มาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงจิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางเอง ตรงฟันความเป็นกลางมันจะเกิดขึ้นได้ตอนไหนตอนที่เรารู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบกับสภาวะนั้นๆแล้วจิตมันจะประมวลเข้าสู่ความเป็นกลางเองตามรู้ความเป็นจริงของกายกับใจลงเป็นไตรลักษณ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่เมื่อไหร่เราถล่มลงไปไในสภาวะอย่างนี้เนี่ยไม่ตั้งมั่นแล้วค่ะความเป็นกลางก็จะเกิดไม่ได้ความเป็นกลางคือเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบโือเฉยๆะนะคะแ ล, แล้วที่นั่งล่ะคะ ท, ที่นั่งรู้ลม ใ, ใจอยู่ตรงไหนค ะ, คะ คือส่วนมากถ้าถ้าดูดูลมดูล่างกายหายใจเนี่ยรู้สึกว่าจะไหลยเยอะอก็เลยตอนหลังนี่ก็จะมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเห็นไหมว่าเราอ่ะคือมันไหลยเยอะค่ะใช่เท่าแต่จริงเราไม่ได้ไปนั่งภาวนาเพื่อให้มันไม่ไหลแต่เราจะไปนั่งภาวนาเห็นว่า อ, อมันไหลตั้งหากไหลแล้วเราไม่ชอบหรือไรแล้วเราเราชอบค่ะอืมนั่งภาวนานะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยมราอยากให้ทํากรรมฐานกองเดียวก่อนนะคะถ้าคุณทำสองกองเนี่ยปรับยากล่ะ แต่จิตมันจะเดินคล้ายกันเพียงแต่วิถีเนี่ยคุณต้องไปปรับดูนิดนึงนะคะหมายถึงเดินกต่อย่างเดียวไปก่อนอย่าเพิ่งนั่งอย่างเงี้ยคะคือโดยธรรมชาติอะ่ะควรจะเป็นอย่างนั้น mm hmm. ไม่งั้นมันจะแก้อย่างเงี้ยของคุณอย่างเงี้ย mm hmm. คุณต้องกลับไปฟังอันนี้นะไม่งั้นคุณจะแก้ค่อนข้างลําบากนิดนึงตอนเดินนะคะคุณแค่เห็นใจที่มันอยากรู้สึกตัวค่ะแค่รู้หลังจากนั้นคุณก็เดินไปแต่คุณต้องไปปรับวิถีใหม่ตอนเดินเนี่ยมันอายุดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจําเป็นนะคะ การที่เราหยุดเบรกเป็นช่วงๆแต่เห็นไหมรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเบรกเลยอะ่ะเวลาที่เราเดินเห็นใจไหมเราอยากเดินไปเรื่อยๆอถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีตัวตั้งมั่นนะค ะ, คะใจมันก็จะไหลไม่ต่างกับการที่คุณนั่งสมาธิค่ะพองสมาธิมันก็ไหลออกไปเหมือนกันอพอไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีการบังคับขึ้นมาทันทีนะคะคราวนี้ไปวางใจใหม่ เราไปได้นั่งสมาธิเพื่อไม่ให้มันไม่ไหลค่ะแต่เรานั่งสมาธิเพื่อไปเห็นว่ามันไหลไหลไปแล้วเราไม่ชอบแบบเนี้ยเห็นใจไหมอึดอัดเลยพอไหลแล้วไม่ชอบเลยเห็นไหมคะรู้ตรงๆงเลยว่าไม่ชอบรู้ตรงๆงเลยว่าอึดอัดอยากหายไหมอยากหายจากการอึดอัดนี้ไหมรู้ไปตรงๆอีกว่าอยากหายเห็นปะมันก็หายแล้วเห็นน้ำเปล่ะค่ะเห็นเห็นไหมว่ามันไม่อึดอัดแล้วค่่ะอนี่แหละพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ไหม ค่ะอสิ่งใดเกิดสิงนั้นดับแม่เราจะไปเห็นสิ่งที่มันเกิดดับค่ะแล้วเราจะเห็นเลยว่าไ<ม>อ้ใจที่แน่นเนี่ยมันก็หายไปไอ้ใจที่รู้สึกตัวก็หายไปอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาอะไรสักตัวเลยอะ่ะเพราะทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดมเห็นใจยังคะตอนนี้ค่ะดูใจตรงนี้นะคะนี่คือจิตที่ถึงฐานอืมชอบไหมดูไปตรงๆชอบ่อแต่ก่อนชอบเห็นอะไรสงสยัยค่ะเห็นตัวสงสัยไหม อ่ารู้ไปตรงๆเลยว่าสงสัยเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวสงสัยอะ่ะเดี๋ยวจิตมันจะปรับอย่างอื่นอีกอรู้ไปตรงๆเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเห็นปิติไหมค่ะแค่รู้แค่รู้ว่าปิติเพราะว่าเมื่อกี้มันฉาบขึ้นมาเนี่ยคุณเข้าไปจัดการกับมันบางสิ่งบางอย่างถ้าเห็นทันนะไปรวบตัวปิตินี้ไว้นะคะพอรวบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลามันขึ้นมาคุณจะรักษาไว้อีก เราแค er ่รู้ว่าอยากรักษาดูจิตตอนนี้ก่อนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเห็นไหมมันเสียดายเห็นคําว่าเสียดายไหมเห็นไหมมันอย่างเงี้ยมันหายไปอ่ะเห็นใจไหมอ่ะใจมันมันโศกโศกนิดๆเสียดายหน่อยๆเห็นไหมถ้าไม่เห็นอย่าบอกว่าไม่เห็นบอกเลยนะอาจจะดูไม่ทันอืมแต่จาจิตเมื่อกี้นะคะอันนั้นคือจิตที่ตั้งมั่นนะคะอืค่ะตอนนี้เป๊ะเลย ตอนนี้จิตขนาดนี้เลยลองบรรยายหน่อยสิคะว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงนักภาวนานะคะทําถูกทําผิดทําไปก่อนนะคะที่ผิดที่สุดคือไม่ทำหลวงพ่อประมูลจะบอกที่ผิดที่สุดคือคุณไม่ภาวนารูปแบบเลยอันนี้ไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะเพราะจิตมันมันมันมันไม่ทําเลยอะ่ะ เพ อ, อมไม่ทํากําลังมันไม่มีนะคะอันนี้คนที่ทําผิดมาเช่นทําเพ่งทําจ้องมาเขาทำเขาทำผิดมาไหมผิดไม่เป็นไรแต่มีกําลังไหมมีกําลังแต่ใช้ัขึ้นมาเป็นไฟบ้านไม่ได้มันยังเป็นมอไฟข้างนอกอยู่เราก็ต้องมาปรับกันแบบนี้ค่ะจนกระทั่งขึ้นเป็นม้อไฟที่ใช้ได้นะคะเข้ามาตามปลั๊กได้อันนี้เป็นต้นนะค ะ, คะเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมคุณบังคับคุณอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันมีจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตเนี่ยมันเดินตึง้งปุ๊บไกด์หนึ่งมันลงล็อกพอดีค่ะ ชอบไหมคะตอนนี้ชอบค่ะเห็นว่ามันเกิดสภาวะไหนเกิดขึ้นคะจิตที่ตั้งมั่นมันสบายสบายมันไม่ไม่เครียดไม่รู้สึกไหมไม่ต้องทําอะไรค่ะอ่าแต่ไม่รู้มาอยู่ตรงไหนค่ะอ่าเนี่ยแหละกระจจำไว้เลยตรงเนี้ยนะคะแล้วถ้าเรามีจิตตั้งมั่นอันนี้เราก็จะจะรักษาอีกไหมต่อมาคือต่อไปจะเดินปัญญาได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเดินของมันเองปัญญาไม่เดินตลอดเวลานะคะค่ะมันประเดินมันก็เดินมันไม่เดินมันก็ไม่เดินค่ะนะคะเห็นไหม เกิดอะไรขึ้นเห็นปิติไหมค่ะค่ะดูไปเลยค่ะดูไปเลยว่าปิติเนี่ยเกิดเองค่ะเนี่ยพาจิตเขาเดินปัญญาได้แล้วเห็นไหมแล้วมันก็หายเองค่ะปิตินี่ไม่ใช่เราเลยค่ะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาค่ะคุณต้องดูอย่างนี้นะไม่งั้นปิติเกิดเนี้ยคุณจัดการมันเลยเก็บไว้มันอยากดีไงใจที่มันอยากดีนะคะเนี่ยเดินปัญญาเสร็จแล้วเห็นไหมอ่าทันทีคุณรู้ปุ๊บเนี่ยเราดูเลยอ๋อมีปิติ ปติเกิดเองปติอ๋อพอรู้ปุ๊บปติก็ดับอืมปตินี้ดับเองปตินี้ไม่ใช่เราอ๋อค่ะเนะค่ะโอเคค่ะมุทนาค่ะครับทุกค่ะคุณชนวิภาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมารีค่ะก็ทำในรูปแบบทุกวันนะฮะก็แต่ก่อนก็นั่งอย่างเดียวก็ดูกายหายใจเราก็เป็นคนดูนะฮะแต่ตอนหลังก็มาเพิ่มเดินจงกรมด้วยก็วันละยี่สินาทีแล้วก็นั่งก็สักครึ่งชั่วโมงอะค่ะ ก็อยากจะเรียนถามคุณมารีว่าจิตมันมีกําลังมันตั้งมั่นเอาเดินก่อนไหมอาจารย์เดินยี่สิบนาทีเนาะในระหว่างวันชอบไหมคะตอนเดินตอนเดินชอบก็ชอบอก็เดินสบายๆเหมือนเดินชอปปิ้งไงใช่ไปดูใจนะคะว่าชอบคือสภาวะไหนก็ตามชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งสภาวะแม้กระทั่งสภาวะที่เราไม่รู้สึกตัวเลยนั่นก็หนึ่งสภาวะนะคะสําคัญว่าจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงยังไง นะคะจิตใจเขาปรุงแต่งยังไงไม่สําคัญเท่ากับเรารู้ทันที่มันปรุงแต่งไหมเมื่อเรารู้ทันสิ่งนั้นมันจะดับหรือไม่ดับก็ไ ม, บ ไ, ไม่เป็นไรอีกแต่สําคัญเราไม่ปไปปรุงแต่งต่อเช่นสภาวะนั้นเกิดเราชอบเราก็ไปปรุงมันต่อไว้เลยก็รักษามันอีกอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งสำคัญว่าเรารู้ทันไหมว่าใจเราชอบรู้ตรงตรง ก, กันค่ะเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมมันเข้ามาไม่ได้คเห็นไหมมันเข้ามาที่จิตไม่ได้ว่าจริงๆเราชอบ อย่ากระแทกกระแทกก็ไม่เข้าเห็นไหมรู้สึกไหมหายใจก่อนค่ะรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวเข้ามาก่อนคือเวลาเราเดินเรามีความสุขเนี่ยเราเยิ้มออกไปหมดเลยอะ่ะพอเยิ้มแล้วมันไหลแล้วมันไม่รู้สึกตัวค่ะเห็นไหมมันจะอึดออกไปดูจิตก่อนเอยตอนนี้ก่อนค่ะเห็นไหมมันไหลออกมันฟืดออกรู้สึกตัวค่ะหายใจไว้ก่อนค่ะอืม หายใจเข้ามาที่ตัวก่อนพยายามคิดอยู่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแต่ตอ น, นะะอยู่ที่บ้านก็มันเจ้าก็จะไม่สุกเท่าแต่ว่าก็รู้สึกออตอนนี้รู้สึกตัวกันค่ะหายใจเข้ามาเข้ามาที่กายก่อนนะคะเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกค่ะนิ่วานนว่วาน <c oughs> อาจจะไม่ได้คำตอบที่ถูกใจนะคะ <c oughs> พรเวลามาเจอมันเลอาจจะไม่ได้คำตอบที่ที่ตรงใจนะคะถ้าเราไม่เห็นสภาวะจริงๆอ่ะมันจะไม่ไม่เห็นตรงนั้นค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คะลองดูสิคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกตัวอ่ารู้สึกตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกตอนนี้เห็นความเศร้าหมองไหมดูเข้าไปตรงๆ<ร>ค่ ะ, ะอไมเห็้สึกนี่แหละที่มีบอกว่าอาจจะไม่ได้คําตอบที่ถูกใจนะเออแต่นั่นไม่ใช่เราเราไม่ได้ทําให้ดีเลยนะคะถ้าดีเนี่ย มันทุกอีกนานเลยอ่ะถ้าต้องดีเนี่ยทุกอีกนานเลยเพราะสุดท้ายเราจะไปะเป็นพระพรหมคือแปลว่าตอนเดินเราไม่รู้สึกตัวหรือว่าเราแต่จริงรู้รสึกตัวฮ ะ, ะรู้สึกค่ะคุณเดินนะรู้สึกตัวแต่พอความสุขที่มันเกิดจากการที่เราภาวนาเนี่ยคุณรู้ไม่ทันตัวนี้มันครอบอยู่นี่คือมโมหะอ๋ออืม<ะ>พอครอบอยู่เนี่ยเรารู้ไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราจะมีความสุขตลอดเลยอ่ะ มันไม่ต่างกับคนที่พุโทโธดูลมแล้วก็เยิ้มเข้าไปข้างในตรงนี้พูดตรงๆก็คือติดตัวว่างละงเห็นไหมไเห็นไหมว่าเราเดินจงกรมแล้วติดว่างได้ยังไงเออเออถ้าเราขึ้นวิปัสนาได้การที่ติดวิปัสนาเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนต้องผ่านนะคะไม่จะบางคนก็ติดโอพาษ์นะคะอันนี้คืออาการสาะค ะ, ะติดความว่างอยู่เห็นไหมมันโล่ ง, ลง เห็นป่ะล่ะนี่ยมีความสุขเห็นไหมเห็นความสุขก่อนไม่รู้เลยเหรอเห็นโล่งๆไหมก็คิดว่าเป็นดีอันชายถูกต้องเป๊ะเลยคิดว่ามันถูกอะคิดว่าไม่ดีไปเครียดกับมันก็รู้สึกพอใจที่ไม่เครียดกับมันคือการที่ไม่เครียดเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่หนีความจริงเนื่องออกไหมข้อเท็จริงเวลาเราภาวนาเราจะไปเห็นตัวทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่เครียดเนี่ยไม่ได้เป็นไรแต่เราต้องดูว่า มันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันเตรียมจะต้องบอกว่าจิตอย่างเงี้ยมันหนีทุกข์ไปอยู่ไอ้โล่งๆนี่แหละอันนี้คือพบนักภาวนาละอ่าเราสร้างพบนักภาวนาโดยที่เราไม่รู้นะคะถ้ารู้เราจะไม่ติดเลยอ๋อแต่เห็นโล่งๆใช่ไหมก็จิตขนานี้เลยอ่ะนี่คือโล่งใช่เห็นไหมมันโล่งๆ เห็นไหมสบายสบายอ่ะออใช่อ่าใช่ อ, อ่าคุณเห็นคำว่าสบายแล้วนะ<ช>เดี๋ยวพี่จะพา ด, ดูมันจะสบายจริงไหมเ อ, อตราบใดถ้าจิตติดอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีหรอกมันเป็นพาลาอยู่ดีนะคะคุณดูนะคุณเห็นแล้วนะสบายเห็นใจที่สบายถูกไหมดูตรงๆลงไปสิคะว่าตรงกลางมีน้ำหนักไหมกลางใจเราเนี่ยมีน้ำหนักไหมข้างเนี้ยค่ะเบาค่ะ ข้างเนี้ยเบาเดี๋ยวนะภาพรวมคุณโล่งนะคะแต่คุณดูลงไปตรงๆคุณลองหายใจดูสักนิดนึงก็ได้ค่ะนะแล้วคุณจะเห็นเลยตรงเนี้ยมันมีน้ําหนักอืมเห็นน้ําหนักกันยังคะมากกว่าครับมากกว่าฝั่งนี้ใช่ฝั่งเนี้ยโล่งฝั่งนี้หนักเห็นไหมอ่าชอบน้ําหนักนี้ไหมในแหละที่เราบอกเรามีความสุขเนี้ยมันสุขจริงไหมชอบหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่มีคําตอบที่สําเร็จรูปเราดูตรงๆเลยเราดูใจแล้วเราชอบตัวนี้หรือเปล่าเออ น่าจะไม่ชอบอ่าน่าจะไม่ชอบแต่เห็นไหมว่าตอนนี้นะน่าจะนะคือตอนนี้ด้วยสมองอืมแต่ดูตรงๆงเข้าไปคุณเห็นตรงนี้ที่มันหนักถูกไหมข้างนี้มันโลง่งอ่าดูสิตอนเนี้ยจิตมันประมวลอยู่ดูใหมาอีกทีค่ะการที่เราบอกว่าเราสบายสบายถ้าสบายต้องมีมีน้ําหนักถูกปะอ๋อใช่อ่าแต่ทำไมเรามีน้ําหนักละ่ะ มันสบายจริงไหม <Yeah. S 2> อ่าไม่ใช่แสดงว่าเราสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างละ่ะ mm hmm. สร้างพบนักภาวนาขึ้นมาอ๋อ oh, <yeah. S 2> อ่าเราก็แค่รู้มันไปอ่าตอนนี้ลองดูสองข้างนี้ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันรู้อย่างซื่ อ, อเลยนะคะรู้ด้วยจิตนะไม่ใช่รู้ด้วยสมองตอนนี้พยายามจะไปคิดด้วยสมองคิดด้วยควมสมองคำตอบออกมาหนาะๆนะ่นะนะถูกเป๊ะเลยข้างนี้ไม่ชอบข้างนี้ชอบเออแต่เราดูใหม่ตรงๆดูด้วยจากความรู้สึก ตอนนี้เหม right? ือนมันเท่ากันหรือเปล่าเห็นไหมเราทําให้มันเท่ากันออ๋แล้วข้อเท็จริงมันไม่เท่ากันเห็นปะคุณจะดันไอ้ข้างนั้นขึ้นมาดันไอ้ข้างนี้ลงไปมันทําไม่ได้อะคุณเห็นการทํำไหมก็ไม่รู้สึกอาจจะไปปรับคงไปปรับนี่แหละคําว่าปรับนี่แหละคําว่าปรับนี่แหละถ้าเราทําวิปัสนาไม่ปรับเลยอ่ะถูกปะรู้อย่างที่มันเป็นข้างนี้มันหนักข้างนี้มันโล่งก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเออมันไม่ใช่เราซะหน่อยมันทําเองถูกปะอืม เนี่ยปัญญาเราก็เดินต่อมันทําเองอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องต่อไปในการเดินเราก็ไม่มีคําว่าต้องอตอนนี้เราก็สุข <c oughs> ก็รู้ว่าเรากําลังชอบความสุขนั้นใช่นะอเอาตรงนี้เท่านั้นไม่เอาตรงนี้เลยอ ะ, อะรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นมันชอบคือคําพูดเมื่อกี้ของคุณนะถ้าคุณไปสังเกติห น, นึงมันแต่งขึ้นมาทั้งหมดเลยแต่งด้วยความคิดว่างงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อ่ะมันมีคําว่าต้องขึ้นมาเราแค่รู้อย่างที่มันเป็นอืมตอนนี้เป็นยังไงคะ เราดูกันตรงๆธรรมาเราดูกันตรงๆเราดูกันจริงๆจังๆดูของจริงอ่ะเราไม่ดูของในที่คิดหรอกอืมเราดูตรงๆเลยจิตตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้เห็นไหมมันเท่ากันอ่าใช่เห็นไหมต้องทํำไหมก็พอมันเพลินๆแล้วมันใช่ก็ไม่ต้องทาก็แค่รู้อ่ะรู้ว่ามันไม่เท่ากันมันก็เท่ากันเพราะสันทีที่จิตที่เรารู้ลงปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา ถ้ามาต้านมันขึ้นมาคือมันไม่ต้องทําอะไรโลกมันราบเรียบต้องโล่งโปร่งเห็นไหมคุณเห็นโปร่งตัวนี้ไหมคุณเห็นสบายไม่เอาล่ะตรงนี้บังคับแล้วอยากเข้าไปดูชัดๆเห็นปะเห็นฝากเห็นใจที่อยากเข้าไปดูชัดๆเห็นปะเห็จทเข้าไปดูเข้าไปดูแค่รู้ว่าอยากเข้าไปดูเห็นใจที่มันอยากเข้าไปดูอันเนี้มันเสร็จแล้วเราภาวนาเสร็จของเราละแต่วิถีจิตมันจะเดินยังไงต่อเรื่องของมันอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีหน้าที่ตามดูเท่าที่รู้ได้ด้วยนะ ไม่ได้ต้องรู้ตลอดเวลาค่ะอ่าเนี่ยพาคุยไปเรื่อยๆอะ่ะมันถึงพูดเยอะมากอะ่ะเพราะต้องพาจิตมันคุยไปเรื่อยๆนึกออกปะถ้ามาดูเตื๊อๆตือืมมันจะไม่ทำาา ไ, ได้ใช่ไหมเนี่ยถามเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิมันหลับตาแล้วมันแน่นจะไปถามเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่คือตอนนี้แทบจะไม่อยากหลับตาเลยคุณทำสองอย่างนะมันก็ผิดเหมือนกันแล้วผิดแบบเดียวกันด้วยอ๋อแหละแต่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าไอ้นั่งออามันผิดยังไงไปแทรกแซงตรงไหนเออแต่เอาจงกรมก่อน เพราติดสุขอย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันสร้างพบขึ้นมาละต้องแก้อันนี้ก่อนอืมไอ้แน่นก็แก้ได้นะไอ้แน่นก็แน่นนะมันก็ต้องแก้ไอัโล่งเนี่ยแก้ยากกว่ามันสบายอ่ะนึกออกไหมคะแล้วมันก็ดีแล้วมันยังไงต่อล่ะเออใช่ไหมไอ้แน่นเนี่ยแป๊บเดียวให้ดูอึดอัดไหมอกจะแตกอยู่แล้วอ่ะเอาไหมเอออย่างเงี้ย <ๆ S 1> เขากลีบคลายเลยแต่อย่างเงี้ยแก่ยากนี่แหละจิตจะไปเป็นพระพรหมก็อีแบบนี้ล่ะ เออพราะมันก็สบายเออยิ้มหวานก่อนค่ะจิตเป็นยังไงตอนนี้ดูก่อนค่ะเห็นไหมมันมีความสุขคิดว่าดีอืมใช่คิดว่าดีเห็นไหมมันมีความสุขรู้ตรงๆงเลยค่ะว่ามีความสุขอืมเห็นไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นมันลงมาเลยลงมาเซฟเฮ้าส์ที่เรามีนี่แหละเห็นไหมมันลงมาเลยโล่งๆอีแล้วต้องเป็นอย่างนี้ใช่เห็นไหมโล่งๆและเกิดโล่งๆขึ้นมาละ เห็นไหมคะมันลงไปที่เก่าอะ่ะสบายเห็นหมสบยอ่านี่แหละนี่แหล ะ, หละคือที่มันลงมาที่เก่าจิตเน่ยมันเคยคุ้นเคยอย่างนี้มันก็จะเดินแบบนี้นะคะเราไม่มีหน้าที่แก้เขาเราลูกแค่ว่าเขาลงลงแล้วชอบไหมป่านนี้คงชอบแล้วล่ะฮะไม่จริงไม่จริงะตอนนี้จิตมันเริ่มเข้าใจแล้วนะเ uh huh, <laughs> พิ่งเข้าใจเนี่ยค่ะจิตมันจะเข้าใจแล้วมันไม่เอาตัวนี้ละแล้วไม่เอาเขาไม่เอาเอง เขาทิ้งเขาทิ้งของเขาเองแต่เรามีหน้าที่พานำเสนอจิตให้ดูความจริงนำเสนอพรีเซนต์ให้มันดูอ่าเป็นยังไงอ่มาลงลงชอบไหมอ่ะดูสิอ่ามันจะค่อยค่อยเข้าไปมันลงรู้ว่าลงเราไม่ไม่บังคับมันสักนิดเดียวเลยคำว่าลงนคือมันลงไปหาความสุขใช่ไหมที่ใช่ลงมาในช่องเนี้ยช่องที่ที่ของเธอพบนี้แหละที่เราสร้างมันขึ้นมา แล้วคุณก็เกิดโลงๆคือเวลาใช้คําพูดบรรยายสภาวะธรรมมันยากตรงเนี้ยบางคนสบายไงเห็นไหมอพอมลีต้องจําแล้วคุณใช้คํานี้ว่าอะไรอ่ะนีีก็ต้องใช้คําเดียวกับคุณ <c oughs> เวิร์ดดิ่งเดียวกันอ่าถ้ามลีใช้โลงคุณไม่เห็นอ่ะสบายอ่าตอนนี้เห็นสบายยังเห็นแล้วและเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสบายเนี้ยมันหนักไหมก็ไม่หนักไม่หนักเลยเอ่ะ <c oughs> หายใจดูสิคะเออถ้าไม่หนักเราลองหายใจดู เห็นไหมมันจะตื้อๆอยู่ได้แค่ตรงนี้มันลงลงตรงนี้ไม่ได้เห็นปะเห็นยังยยเนี่ยลอยๆนะหายใจไม่สุดมันไม่ใช่ลองหายใจสุดก็ได้มันก็ไม่ไปเห็นไหมจะทะลวงลงไปมันก็ไม่ไปหรอกเห็นปะมันต้องทะลวงเวลาเราภาวนานะคะ <c oughs> หายใจจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเ <c oughs> มื่อไหร่เรารู้สึกว่าเอะใจขึ้นมานิดนึงเราลองดูหายใจมาทั้งวันนี้หายใจแบบนี้หม เออถ้าไม่ใช่ให้เรารู้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะเราทําอะไรกับมันบางอย่างใช่การที่เรารู้ว่าทําอะไรบางอย่างจบตรงนั้นแล้วนะคะอะแค่รู้ว่าเราแทรกแซงสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรยิ้มหวานรีเซตใหม่หลวงพ่อบอกรีเซ็ตใหม่พี่ก็รีเซ็ตใหม่ยิ้มหวานใหม่ค่ะ <S <S อ่าพราะมันไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วเห็นไหมมันตันได้อยู่แค่เนี้ยมันลงไปไม่ได้แล้วลงใหม่ใจเแต่ทราบว่ามันผิดธรรมชาติอะแต่รู้ว่ามันไม่ชอบรู้ว่าแน่นแต่มันก็ยังแก้ มันก็ยังไม่คลายนะไม่คลายเพราะตอนนั้นเราอยากคลายแล้วเรารู้ทันใจไม่ได้ว่ามันอยากคลายมา น, นั่งภาวนานะคะนั่งไปสักพักหนึ่งถ้ารู้สึกเกิดสภาวะที่ลมมันเริ่มตึงๆแน่นๆเห็นใจเลยกลับมาดูก่อนเฮ้ย ใ, ใจเราอยากสงบเราเห็นใจที่เราอยากสงบทันทีสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อลมหายใจเราไม่ปกติแล้วละ่ะรีเซ็ตใหม่ยิ้มหวาน ขึ้นวิถีใหม่หายใจออกไปนิดหนึ่งก่อนนี่เทคนิคนะหลวงพ่อสอนนะคะหายใจออกไปนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยขึ้นวิถีใหม่ขึ้นวิถีอย่างที่เราอยากจะท <ำ S 2> ําพุโทโธดูลมนะหรือพุโทโธเฉยเฉยหรือไม่มีแม้กระทั่งพุโทโธนะคะก็หายใจกระเพิ่มขึ้นลงเราดูร่างกายนะไม่ดูลมตรงๆนะคะดูลมมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันสุดท้ายมันก็ต้องเพ่งนะคะพอเราดูลมไปสักพักดูร่างกายเนี่ยหายใจเข้าข้อเท็จจริงคืออานาปนสติเนี่ย คือการมาดูการหายใจนะอืมไม่ใช่ดูลมหายใจนะคะแต่พวกเราพอลงมือมันก็จะเป็นสัจธรรมปฏิรูปนะคะเราก็เลยลำบากอยู่นานนะคะยิ้มหวานอ่าหวานทีหนึง่งต้องพาคุยไปก่อนนะคะอ่าอันนี้ดูใหม่คะ่ะดูใหม่อ่าเห็นไหมจิตตรงนี้อืมเห็นอะไรคะบื้อไปเลยเห็นไหมเห็นจิตบื้อไหมไม่รับรู้ออละจิตเออเออเ อ, อแค่รู้ว่าเออ คือตอนมันจะเริ่มถอนเนี่ยมันต้องเออแล้วล่ะคือมันมันหลุดออกมาเนื่อกว่าจะไปไหนดีอยู่กลางสีแยกจิตเนี่ยมันอยู่กลางสีแยกจะไปไหนดีเออแล้วก็แค่รู้ว่ามันสงสัยว่าจะไปไหนดีเห็นไหมจิตมีความสุขทันทีเห็นปะอ่าแค่นี้แหละอืมแค่รู้ว่าเออแล้วมันจะไปไหนดีจิตมันเออก็รู้มันเออทันทีที่รู้ปุ๊บจิตเออก็ดับจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดอืเห็นไหมมีความสุขเห็นความสุขอันนี้ไหมคะเห็นคะเห็นอ่าเห็นไหม พอรู้ตอนแรกไม่มีอะไรแต่แล้วมันหนักขึ้นมาเมื่อกี้นะไม่ทันละมันดับไปละคแค่รู้คแค่รู้โอเคนะตอนนี้เดินจงกรมนะแล้วกลับมารู้ละเวลาเดินต้นเหตุของมันทั้งหมดคือมันมีความสุขแลวคุณรู้ไม่ทันคุณก็เข้าไปอยู่ในความสุเ น, นะคะคแล้วข้อแท้จริงถ้าเราขึ้นวิปัสนาเป็นยังไงก็ติดวิปัสสนู นะคะอันนี้คือวิปัสสนูตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องผ่านนะตอนนี้คุณกลับไปดูตอนเดินจงกรมไม่แก้เลยสภาวะไหนก็ไม่แก้นะคะกลับไปเดินเดินแล้วเห็นความสุขเกิดเราเห็นว่ามันมีความสุขอ่าเห็นมันไหลลงไปเราเห็นว่ามันไหลลงไปแต่ตอนนี้เห็นไหมมันไม่ไหลละเห็นปะมันไหลมาแค่ตรงเนี้ยมันไม่ลงไปทั้งช่องละเออไม่แก้นะอย่าดินน้นรนเห็นความดิ้นรนไหมตอนเนี้ยยิ่งยินยิ่งเจ็บนะอืมเราแค่รู้ ว่มันจะไหลลงไปเห็นไหมพอรู้ว่ายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บเรารู้ปุ๊บมันก็คลายอ่าธรรมชาติจิตมันไม่เอาหรอกอะไรไม่ดีมันไม่เดินอนะเราแค่พามันดูถ้าเราพามันดูนะจิตมันรู้เองนะว่าดีไม่ดีแต่เมื่อไหรถ้าเราผ่านกระบวนการนั้นจากสมองด้วยความคิดความคิดปิดบังความจริงเสมอแล้วก็จะทําทุกอย่างที่ไม่ใช่ความจริงแล้วเราก็ต้องมาแก้กันแบบนี้แหละค่ะเนาะเพราะนั้นตอนเราไปเดินนะคะเราเห็นความสุขมันเกิดมันไหลลงไปเราแค่รู้ว่าไร แล้วเดี๋ยวมันจะถอยออกมาแบบนี้เองค่ะอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะเดินนะมันสบายอีกรู้ว่าสบายชอบจิตตั้งมั่นไหมชอบอ่ารู้ไปตรงๆเลยเดี๋ยวจะรักษามันไว้เมื่อไหร่ที่เรารักษามันจะไม่เกิดอีกหรอกถ้าเกิดกับของปลอมทุกครั้งเนี่ยเวลาจิตที่ตั้งมั่นมันเกิดคือเราไม่ได้ตั้งใจเมื่อไหร่ตั้งใจสักนิดหนึ่งนะมันไม่เกิดหรอกอแค่รู้ว่าอยากตั้งใจเห็นมันอีกอยากให้มันเกิดอีกแค่รู้ตรงนั้นก็พอละ นะคะอันนี้คือเดินจยกมมนะอ่าวนั่งสมาธินั่งแบบไหนคะที่เมื่อกี้บอกว่าตาเจ็บๆอะไรเน wow. ี SC, ่ยก่อนหลับตาอืมก uh ่อนหลับตานึกภาพก่อนค่ะลืมตาก่อนค่ะเห็นไหมคะตอนเนี้ยังไม่ถนับตาเลยคุณรวบจิตตรงนี้เลยเห็นไหมรวบเข้ามาอยู่ตรงนี้แน่นๆดูความแน่นก่อนค่ะเห็นความแน่นไหมเห็ความอึดอัดตรงนี้ไหมคะเห็นไหมมาถึงคอหอยแล้วอะ และะ้วฮะยังเขคิดว่าจริงๆสบายๆแล้อ่คือ<ม>เวลาที่เราถืออะไรหนักๆนานๆนานเนาะมันไม่รู้สึกหนักละเพราะมันถือมานานแล้มันก็เออเท่านี้แหละเคยหิ้วกระเป๋าเวลาสิบโลมันก็สิบโลก็แค่นั้นแปดโลกก็ยังรู้สึกเฉยๆนะคะอันนี้เหมือนกันเราลองดูนะคะมีบริกรรมไหมคะไม่มีบริกรรมดูลมเฉยๆลมอยู่ตรงไหนคะ ทั้งจมูกแต่ว่าก็ไม่รู้สมึกเขาก็ดูทั้งหมดว่านั่งอยู่อ่ะฮะว่านั่งอยู่แต่เห็นไหมว่าแลนด์มาร์กที่เราบอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยแลนด์มาร์กอยู่ตรงไหนจุดที่เรากําหนดว่าตัวนี้นั่งอยู่อยู่ตรงไหนคะเดิมคือมันก็ควรไปแขนไปทั้งหมดมาฮะอืมถูกต้องถูกเป๊ะเลยแล้วคุณดูสิแขนมันล้าล้าไหมใช่มันเกร็งลองดูสิคะหายใจแล้วลองผ่องมาที่แขนดู จริงๆตัวที่คุณตั้งไว้เนี่ยคือตรงกลางหน้า อ, อกเลยเนี่ยนะพอนั่งปุ๊บนะคุณบังคับตรงนี้ทันทีแล้วก็ไปหมดเลยตรงเนี้ยอืมไปที่ตรงนี้รู้สึกไหมคะอ่า<ะ>แล้วจากนั้นหายใจคุณจะหายใจแค่คอหอยดูสิอือใช่ใช่อ่าใช่ไหมเห็นไหมคะเห็นปะคะเห็นไหมแค่คอหอยเลยมันไม่ได้ออกมาที่จมูกได้ซ้าไปอืม อืมความรู้สึกนะข้อเท้จริงลมยังไงมันก็ออกอ่าแต่ตัวใช่ตัวที่เราโฟกัสมันอ่ะอยู่ตรงนี้นี่ก็คือเพ่งอันหนึ่งนั่นแหละออ่านี่แหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแค่รู้เพราะนี่คือข้อแท้จริงที่เราทำอยู่ใจมันทั้งหมดใช่ไหมล่ะคะเรายังไม่ต้องคิดว่ามันจงใจหรืออะไรเราแค่รู้ว่าอ๋อเออมันอยู่ตรงคออยเนาะเรารู้ทีละขณะไปเลยนะคะเราไม่ได้ต้องไปรู้ล่วงหน้าต้องไปกังวลสิ่งที่ยังไม่เกิดมา หรือว่าไปค้ำควรสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราอยู่กับปัจจุบันนี้ล่ะค่ะเออเราเห็นแล้วเอามันแน่นนะเอามันแน่นอยู่ตรงนี้เรารู้ว่าแน่นทันทีตรงนั้นดีกีคอห อ, อยก็ลงมาแล้วเห็นไหมตรงนี้มันก็โล่งไปละอ่าเดี๋ยวมันต้องค่อยๆมาเคลียร์ตรงหน้าอกอีกอ่าเพราะจริงๆข้อแท้จริงเนี่ยคือศูนย์บังคับการมันอยู่ตรงนี้อืเห็นไหมคะตรงกลางหน้าอกนี่ยังแน่นอยู่ก็ยังข้างเดียวค<ช>ุณเห็นไหมว่ามันหนักข้างเดียวกับเดินจงกรมเห็นปะ <า S 1> อ่าถึงบอกว่า กรรมฐานเนี่ยถ้าเราเดินทรงนี้อยู่คุณทำอีกสิแบบอะ่ะมันเหมือนกันแหละมันจะลงมาที่เดียวกันนะคะเห็นไหมมันไม่เห็นหนักฝั่งนู้นเลยมันหนักฝั่งนี้อ่าเพราะตอนที่เราเดินอะ่ะเราบังคับตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้เลยอืมคราว น, นี้เอาไงดีเอาสักอย่างหนึ่งก่อนไหมเอานั่งดีกว่าจะเอานั่งเหร อ, อมรีว่านะคุณเดินอะ่ะดีกว่าเอเลยคือจิตเนี่ยให้มันมีความสุขก่อน อย่าเพิ่งเครียดจิตเครียดนี่ทาอะไรยากเลย <ฮะ S 1> ความสุขแล้วรู้ว่ามีความสุข <ฮะ S 1> จิตมันจะค่อยๆปรับหมดเองนะคะเพราะถ้าคุณแก้ตัวเครียดก่อนนะมันยาก <ฮะ S 1> เห็นไหมอะ่ะแค่คิดจะเครียดแค่คิดจะแก้ก็เครียดแล้วเออระวางแผนอยู่เออวางแผนมันก็เครียดลวเออ <ฮะ S 1> แค่รู้ว่าเครียด<ฮ>ะนะตรงนี้ลืมไปเลย<ฮ>ะนะคะลืมไปเลยเดินจงกรมก่อนวิธีที่เดินนะคะให้มั่นใจก่อนว่าเราเดินถูกนะคะ อืมถามว่าเช็คยังไงวิธีเช็คนิดเดียวค่ะถ้าเดินจงกมนะในชีวิตประจำวันเนี่ยแค่คุณขยับขาเนี่ยรู้สึกตัวไหมอืมถ้ารู้สึกต้องดูด้วยนะรู้สึกแล้วอ่ะมันสบายไหมหรือบังคับพี่ดูอ่ะตอนพี่ขยับปุ๊บจิตพี่ก็แข็งเลยเห็นป่าล่ะลองดูสิอ่ะลองขยับดูก็ได้เห็นปะเห็นไหมพอกวาดขาเนี่ยจิตแข็งเลยคือตั้งใจไปอีกถูกต้อง เพราะสมาธิที่คุณได้เนี่ยมันได้ด้วยการบังคับอืมอืมแต่ข้อเท็จริงเนี่ยเวลาถ้าเราเดินจงกรมถูกนะคะเวลาเราขยับตัวปุ๊บเนี่ยจิตมันจะ alert มันจะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานทันทีณขณะนั้นแต่พี่ลองขยับดิเห็นไหมพี่ไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยแค่รู้สึกตัวเฉยเฉย ร, รู้สึกตัวใช่รู้สึกตัวเฉยเยแต่ไม่มีความสุขไม่มีความเบิกบานจิตที่ต้องประกอบด้วยความเบิ ก, กบานในการกทีรู้ตัวตอนนั้นด้วยถูกต้องถูกต้องจิตที่เป็นกุศลน่ะ คุณนึกสึกออกไหมการที่เราเห็นกายได้เห็นใจได้ไม่ใช่หมายความว่าเราขึ้นมีปัสนาได้นะอืเราต้องเห็นกายกับใจนี้เป็นไตรลักษณ์ได้ด้วยพวกนักเพ่งทั้งหลายเขาเห็นมาเห็นหมดอะ่ะหมอคนนึงห้าปีเรียนกับหลวงพ่อมาเจอมาลีเนี่ยแต่ไม่รู้เลยว่าแกเพ่งอะ่ะเออจนเรากลับไปเนี่ยมาคุยกันครั้งหนึ่งแกกลับไป ก, กลับมาอีกทีแกเห็นละตอนแกฉีดยาคนไข้นะตอนจิ้มสลิงเข้าไปนะักกี่ช็อตนี้แกรู้หมดเลย เพราะนั่นแกถึงไม่เคยดาวว่าแกไม่รู้สึกตัวไงเพราะเอื้อมมือไปอยิบอะไรเราทราบทันทีลแล้วว่าเราเ อ, าอื้อมไปใช่ถูกต้องแต่เห็นไหม<น>ว่าจิตแข็งปังเลยถ้าสังเกตเป็นนิดนึงเห็นไหมแค่เมื่อกี้พี่กาดขาดจิตก็แข็งแล ะ, อ, ะอันเนี้ยคือการเพ่งรู้สึกไม่รู้รู้กายรู้ใจหมดเลยแต่แข็งจิตที่แข็งที่ซึมที่แน่นที่พื้เนี่ยไม่ใช่ล่ะจิตที่เป็นกุศลต้องประกอบด้วยความเป็นลาหุตาเปาโปร่งโล่งสะอาดสบายคล่องแคล่วว่องไวเหมาะแก่การงาน พี่เห็นไหมพี่ทําไปเนี่ยบางทีพี่ก็มีโทสะออืแล้วพี่สังเกตนะคนที่เพ่งทั้งหลายนะคะไปสังเกตนิดหนึ่งโทสะเราจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเมมุติเมื่อก่อนอย่างนี้ไม่ได้โกรธหรอกแค่แข้งุดหงิดเออต่อไปเนี่ยน้อยกว่านี้ยังแทบจะจัดการมันเลยเวลานั่งยังมีโทสะอย่างนี้ใช่ชแบบนี้ใช่ <c oughs> นี่แหละคะ่ะให้สังเกตถ้าพวกที่ไปเพ่งนะคะ <c oughs> พวกที่บังคับมากๆ <c oughs> นะคะยิ้มหวานคะ่ะ <c oughs> ยิ้หวานทีหนึ่งเดี๋ยวไปเดินนะคะเดี๋ยวไปเห็นตอนที่มันลุ่ง อื <Yeah. S 2> พอไปโล่งแล้วเห็นใจที่มันชอบแล้วถ้าตอนนี้เห็นแล้วมันไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบมันไม่มีกดตายตัวนะะ <Okay. S 2> เวลาเราภาวนาเรารู้ซื่อๆ อ, อ, อย่างที่จิตก็เป็นกายก็เป็นให้เราดูเราจะมาดูตัวนี้ทํางานพี่พี่ว า, างใจแบบนี้ถ้าพี่วางใจแบบเนี้ยไม่ช้าอืมแต่ถ้าวางใจเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นมามีคําว่าดีเมื่อไหร่นะโอ้มันช้าเลยอะ่ะคันนี้ช้านิมานนะคะโอเคขอบคุณค่ะต้องมีความสุขนะใจต้องมีความสุขเ <Okay. S 2> บา ค, ค, ค, คุณสุดใจค่ะอ่าคุณอ๋อคุณสุดใจอ๋อเชิญค่ะอ้าไมโครโฟนผ่านไปอ่าเอาข้างนู้นก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณคึ้นมาลีก่อ น, นนะคะค่ะสวัสดีค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยนะคะดิฉันปฏิบัติในสายดูเวทนากับท่านอาจารย์โคนง้าอ๋อค่ะขออนุญาตนะคะใครปฏิบัติสำนักอื่นไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยนะคะอ่ อดูเวทนานะคะช่วงแรกที่เข้าไปปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ไม่คือเป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเอาจริงมากเกินไปเกิดเพ่งเพ่งจนกระทั่งเครียดไปหมดแล้วตอนหลังเนี่ยมาได้ซีดีหลวงพ่อประโมทก็ผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำรูปแบบวันละประมาณสักเกือบเกือบชัออ่วโมงแต่ในระหว่างวันนะคะบางครั้ง กิรู้สึกตัวว่าเดินๆไปมันก็มีความสุขขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นประจำแต่พอรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็อปล่อยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรลู้ก็แค่รู้แต่ตอนเนี้ยพอนั่งรูปแบบตอนเช้าๆนะคะอันนี้จริงๆเกิดมานานแล้วแต่พอดีวันนี้ได้โอกาสลูกสาวพามาถามกับคุณมาลีนะคะคือมีสองสาเรื่องนะคะเช่นปฏิบัติไป เ, เกิดขึ้นเนี่ย จะเกิดอาการที่ว่าตอนแรกๆเนี่ยนะคะก็จะดูลมแต่การดูลมก็ไม่ได้ภาวะนะไม่มีคำบริกรรมนะคะก็จะสูดงมหายใจเหมือนกับทั้งร่างแล้วมันก็จะเนื่องจากเราเคยทำ เ, เรื่องดูเวทนามาก็จะเกิดเวทนาเล็กๆในตัวเราซึ่งมันก็เราก็ถือว่าเป็นเครื่องอยู่อะคะ่ะพอสักระยะหนึ่งมันก็จิตก็จะเริ่มนิ่ง พอนิ่งมันก็จะตึกตึก๊กตั้งมัน่นในขณะนั้นอ่ะดิฉันเดินเดินเดินต่อไม่ได้ mm hmm. ก็ปกติก็จะคิดว่าอ่ะเขาจะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เฝ้าดูความไม่เที่ยงสิเดี๋ยวจิตมันก็เปลี่ยนแต่อยากจะทราบว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราจะเจริญปัญญาตรงนั้นไหมนเนื่อจิตของเราขณะนั้นอ่ะมันไม่มีบงแต่งแล้วมันรู้อยู่เฉยเฉเราจะดำเนินจิตเราอย่างไรนะคะ ประเด็นที่หนึ่งค่ะเอาข้อแรกก่อนนะค่ะข้อปัญหาของคุณก็คือตอนเดินจงกรมอ๋อไม่ได้เเดินจงกรมไอ้สภาวะเนี่ยเดินปกติค่ะไม่เคยเดินจงกรมในชีวิตประจําวันเลยค่ะช่ค่ะแล้วเกิดสภาวะนี้เลยค่ะพอตึ๊กแล้วคุณทําไงอ่ะอ๋อท่นนะคะที่ตึ๊กเนี่ยก็คือขณะที่นั่งอืแต่ที่เดินเนี่ยก็จะมีความรู้สึกชยสุขขึ้นมาที่ที่ที่แล้วคําถามคือคําถามก็คือว่าเรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ย เป็นความเข้าใจตัวเองนะคะไม่ว่าทราบถูกหรือเปล่าคือขณะนั้นเนี่ยจิตไม่มีกิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงมีแต่ความรู้ตัวพอเรารตอนตอนที่นั่งใช่ไหมคะไม่ค่ะตอนเดินตอนเดินค่ะเดินปุ๊บเนี่ยเดินเล่นเล่นในบ้านค่ะเอเดินเล่น่นในบ้านเดิเลนเล่นในบ้านแล้วเกิดยังไงนะคะมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับจิตมัน อิ่มปิติขึ้นมาโอเคอ่ะงั้นจะเอาทีละอาการก่อนเนาะเพราะเล่ารวมแล้วงงอยู่อ่ะตอนเดินอ่จิตมันจะอิ่มอืมมันจะอิ่มอ่าแล้วแล้วคําถามคือคําถามก็คือว่าใช่มที่เข้าใจว่าสภาวะนี้คือสภาวะที่จิตเราไม่เอ่อลูกเกิดความรู้โดยไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมคะแต่เราจะฟังซีดีหลวงพ่อนานยังค่ะ ตปสี่สี่เจ็ดค่หสี่เจ็ดะต้องอยู่ยุคเมืองการโอเคค่ะพี่พี่ทําเวทนาปีไหนอะคะปีเดียวกันค่ะปีเดียวกันเลยแต่เริ่มก่อนนิดนึงเริ่มก่อนก็คือทําเวทนาแล้วก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อ่อาแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นทุกวันนี้ยังทําเวทนาเป็นรูปแบบอยู่ไหมคะเออลุตคืออย่างนี้กับเรียนจริงๆนะคะดี๋ยวเป็นคนไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่ดีแล้วที่ไม่เอาฐานนี่ขนาดไม่เอาฐานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาแก้ฐานอันนี้ ทำบ้างไม่ทำบ้างอะค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยช่วงนี้ยตั้งใจว่าอายุเรามากแล้วคุณเชื่อไหมอะคนที่ไปเร็นสํานักนี้ที่มารีเจอมาหลายหลายท่านไปคอร์สเดียวแหละค่ะเรียบร้อยค่ะแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วสิบปีจิตมันยังจําได้ค่ะอืมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีแล้วที่ไม่เอาทานเวลาที่เราคิดว่าเราไม่เอาฐานด้วยสมองนะเพราะเรารู้สึกว่าสมองเราจําไม่ได้หรอกไม่รู้แล้วลืมไปแล้วจิตนี่จําได้ทุก อย่างจิตนี้ทําจําได้ทุกอย่างเลยเอาไม่เชื่อลองดูสิ e ใครเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาผ่านมายี่สิบปีทะเลาะ ก, กันปุ๊บตั้งแต่ยังเป็นแฟนเลยะจําได้หมดเลยขุดขึ้นมาได้หมดเลยสลารพัดเรื่องไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแต่สมองนี่มันมีลิ้นชักพิเศษจุ ด, ด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆขึ้นมาได้หมดเลยเอ่ะเออโดยที่บางทีเราตกใจด้วยนะเรื่องนี้ฉันน่าจะลืมไปแล้วยังจําได้เนาะ e เพราะฉะนั้นกลับมาดูตรงนี้นะคะ ตอนที่เดินนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันอิ่มค่ะมีความสุขมีความสุขค่ะแล้วแบบมันแวบๆนะคะอ่ามันแวบๆอืมแล้วคำถามก็คือว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าหรือไม่ไม่ค่ะอันนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราเฝ้ารู้ไปแค่นั้นแค่นั้นเองก็ก็คิดว่ามันต้องมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเองแต่การมันคิดว่ามันมีเอ่ออะไรที่เราต้องต้อง ดูคุณมารีบอกไม่ต้องทําอะไรรู้ปต้องรู้ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทําอะไรเลยก็เออเลยสิคะไม่ทาอะไรเลยไม่ได้รู้ค่ะรู้อย่างที่มันเป็นรู้เสร็จย้อนมาดูใจใจชอบไม่ชอบด้วยมีนะคะยังมีงานต้องทํางานเรายังไม่เสร็จรูย้อนมาดูใจว่าชอบไหมอ่าแต่ตอนนี้เอาของคุณก่อนอ่าตอนเนี้ยอ่าเดินอยู่ในบ้านแล้วมีความสุขค่ะอ่าอิ่มเอ้มอ่า คำถามคือจิตในขณะนั้นคิดว่าไม่มีกิเลสแล้วไม่ไม่ใช่ค่ะขณะนั้นเนี่ยไม่มีความโกรธเอาไม่มีความมกรกไม่มีความอยากกิเลสไม่ต้องมีค่ะแต่มื่ขณะขณะเว็บนั้นเนี่ยมันไม่มีอ๋อพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับอ๋อใช่ใช่คุณกําลังถามถึงจิตในขณะนั้นใช่ไหมโอเคจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยนะคะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอืมคือคือสังเกตว่าพอเราโกรธ ปุ๊บเนี่ยเรามีอารมณ์โกรธเนี่ยอืมเราจะมีเวทนาที่มันเล่าร้อนเราจะไม่มีสภาวะนั้นเกิดขึ้นใช่เพราะว่าเรามีความโกรธอ่าใช่แต่เห็นไหมว่าความโกรธไปอยู่ตรงไหนเออความโกรธเหรอคะในขณะนั้นนะคะกลางอกใช่ถูกต้องกลางอกทุกครั้งที่คุณโกรธคุณลงเซฟเฮาส์ตรงนี้เลยอืแล้วภาวนาไม่ต้องเป็นคนดีพี่ร้ายก็ได้ทําไมเรา ก็เหตุมันมีมันทำซะอย่างนี้ไม่โกรธได้ไงแต่ไม่ล้นออกไปค่ะปัญหาคือเราเรารักษาใจเราก่อนรักษาใจในที่นี่หมายความว่าไม่ใช่ห้ามโกรธนะถ้ามันมีเหตุเกิดเราก็ต้องโกรธแต่โกรธแล้วตอนนั้นน่ะเราอย่าเพิ่งล้นเราเดินไปไหนสักที่หนึ่งก่อนล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยดูกายก่อนดูกายก่อนมันถึงเข้ามาจิตจิตได้ว่าเออเราโมโหอยู่เสร็จแล้วเรากลับมาคุยกับเขาด้วยเหตุกับผล ไม่ได้ด้วยอารมณ์ถ้าตอนนั้นเรายังปีติอยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วคุยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่เรื่องนี้ละเดี๋ยวมันต้องลามไปชาติปางก่อนกันเนี่ยมันจะไม่จบใช่ไหมค่ะแต่ไม่ใช่ห้ามโกโรธนะเออทนนะคะถ้าสมมติเราเห็นความโกรธนะคะแล้วเราก็มีสติขึ้นมาว่าไอ้อความโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกดิฉันก็จะเฝ้าดูความจางคลายของความโกรธ อ, อันนี้ผิดไหมคะไปไปแทรกแซงไหมตอนนั้นเนี่ยต้องถามว่าพี่คิดว่าพี่ทําอะไร พี่คิดว่าพี่ปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานเฝ้าดูค่ะอ่าเฝ้าดูแปลว่าอะไรเฝ้าดูาดแปลว่ามองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นอ น, นิจจังอะ่ะแม้ความโกรธมันก็ไม่เที่ยงอืมแล้วเราก็จะจ่าเห็นมความจางคลายมันไปแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาวะถูกไหมมันอยู่ในความคิดเพราะพี่คิดอ่ว่าอันนี้ความโกรธมันเป็นอ น, นิจจังมันไม่ม่ยงนอิตะะคะ มาไม่จิตหรอกมันอยู่ในความคิ ด, คคดทั้งหม ด, มดเลยใ ช, ใช่เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้พี่บอกว่าพี่ทําอะไรถ้าพี่บอกพี่ทำวิปัสนามันไม่ใช่ละมันตกจากวิปัสนาอทันทีที่พี่ไปคิดลคะคแต่ถ้าโกรธเรารู้ตรงๆว่าโกรธมันดับแหละถ้าคุณเห็นใจตัวเองนะอืแต่ถ้าโกรธแล้ว ย, ยังดูเขาอยู่แล้วบอกทําไมก็ฉันทําวิปัสนาคุณมาลีก็บอกเนี่ยรู้แล้วมันต้องดับสิมันจะดับได้ยังไงล่ะตอนนั้นไม่ดูดูตัวเองเลยยังไปดูคนที่ทําให้เราโกรธดูสิ่งที่ทําให้เราโกรธมันจะไม่หายโกรธหรอกค่ะ ตอนนี้ของพี่เนี่ยพี่พี่ไหลเข้าไปในความคิดค่ะทันทีที่มันไหลเข้าไปในความคิดมันหลุดจากวิปัสสนาล่ะหลวงพ่อพูดบอกว่าไงคะสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถ้าคิดอยู่ยังไม่ใช่อืมถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้ที่เราเกิดความโกรธนะคะค่ะคุณมารีมีคําแนะนําอย่างไรคะนี่คะ่ะแนะนําไปแล้วเนี่ยล่ะ ว, ว่าถ้าเรายังดูสิ่งที่โกรธแล้วมันมีเหตุต้องโกรธแล้วเรารู้ไม่ทนันเดินไปเข้าห้องน้ําก่อน ล้างมือล้างมือล้างมือเลยล้างจริงๆเลยนะให้มันเห็นกายพอเห็นกายเนี้ยตอนนั้นเน่ะเห็นกายปุ๊บมันจะเข้ามาที่จิตเองเพราะกายนี้มันเป็นบ้านของจิตเราคุมไม่ได้แล้วนึกออกไหมตอนนั้นเนี้มันจะล้นแล้วเนี่ยมันจะไปอารวาสเขาเนี่ยเออมันจะไปจัดการเขาเนี่ยเราไม่ทันน่ะตอนนั้นเนี้เราต้องไปก่อนพอเราทําอย่างนี้บ่อยๆนะคะจิตมันจําได้มันจําได้ว่าจิตเนี่ยมันขึ้นวิถีโกรธเปียงไงพอมันรู้ปังปุ๊บต่อไปเราจะเห็นสภาวะตัวนั้นได้เราจะดับ อคือทันทีทันใดเนี่ยมันมันรู้ไม่ได้หรอกคะ่ะสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นนะคะ<ม>เพราะฉะนการที่เราจะมีสติแล้วไม่โกรธได้เราต้องจําสภาวะความโกรธเนี่ยได้บ่อยๆอ่าแล้วจิตมันจะจําได้พอมันจําได้เหมือนนี้แง่มั น, นี่ไม่เคยเจอพี่อ่ะต่อไปเจอกันครั้งนี้เคยไปเจอกันอะจําได้ไกลๆละเออเราเคยเจอกันอย่างเงี้ยเป็นต้นจิตนี่เหมือนกันอ่าขอโทษนะคะสมมติว่าในขณะที่เรามีความโกรธเนี่ยเราไม่สามารถ เบรกตัวไปได้เราใช้ลมหายใจได้ไม่ได้ค่ะเทคนิคหลงปุ้เทศนะคะแล้วกันไว้นิดนึงอืแล้วผ่อนออกมาตอนนี้มาดูกายละอันนี้ไม่ต่างกับไปล้างมือออืตอนนี้มาดูกายแล้วก็กั้นไปอีกนิดนึงลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะมีคนบอกมลีนะคะออืมลีเนี่ยวีนแตกเหมือนกันในห้องประชุมอืส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อหนูแพ้ทุกทีเลยแพ้ทุกทีเลยเวลา เข้าประชุมเนี่ยหลวงพ่อก็นแนะนําเทคนิคอันเนี้ยค่ะ่หลวงพ่อเทศหลวงปู่เทศสอนท่านอนี่ยังไม่ได้ลงสนามนะยังตัวเนี้ยแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่ครับเพราะมันเทคนิคเดียวกันแต่เราไม่เราลุกไปไม่ได้ อ, อยกไว้ว่ามันแรงๆแล้วมันเริ่ ม, เ ร, มเริ่มนั่นเราเดินไปก่อนค่ะไปปรับจิตปรับใจแล้วเดินเข้ามาใหม่ดูกายใหม่อะในสภาวะนั้นค่ะข้อแท้จริงเนี่ยถ้าเราทําที่ปัชนาเราไม่แทกแซงสิ่งที่มันเป็นเลยแล้วคนที่เป็นโทสะจริตเนี่ยนะคะมันดูง่าย อือ่ะตอนนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วตอนที่นั่งในชั่วโมงปฏิบัติในชั่วโมงรูปแบบมาแล้วกันที่พาวนาไปคือจะดูลมนะค ะ, คะแล้วก็ดูเวทนาเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเห็นลมก็ดูล ม, มเมื่อลมไม่มีก็จะเห็นเวทนาเกิดเกิดเกิดยุบยับตามแบบที่เคยฝึอกอะค่ะแล้วจิตก็จะนิ่งไปอตอนที่นิ่งไปเนี่ยจะเรียนถามต่อว่า เราควรทำยังไงดีใช่ค่ะตอนนี้ต้องถามว่าตอนสภาวะที่พี่ทำเนี่ยพี่คิดว่าพี่ทำสมถะหรือวิปัสสนาจริงๆมันคาบเกี่ยวกันนะคะ่ะอืมเพราะว่าถ้าถามว่าวิปัสสนาไหมมันก็วิปัสสนาตอนที่เ อ, อสภาวะเวทนาในตัวมันเกิดดับเกิดดับนะคะแต่ว่าพอจิตมันนิ่งอยู่ตอนที่ขณะที่มันตึก ตรงนี้มันเฉยๆแล้วน่าจะเป็นสมาธิแล้วค่ะค่ะตอนนี้ตอนที่เวทนามันยิบยับอะแล้วมันดับอันนั้นมันดับด้วยสมาธินะคะมันไม่ได้ดับด้วยสมาถะมันไม่ได้ดับด้วยปัสฉนาเอาขอโทษค่ะเวทนาที่ยิบยับไม่ได้ไม่ได้ดับนะคะมันยังอยู่อืมเพียงแต่ว่าเออจิตของเราอ่ะมันไม่ไปจับตรงนั้นอืมมันมานิ่งมันมันแน่นิ่งอยู่มันหนีไงอ่ะละมันหนีเวทนาถึงบอกว่าอืม ว่าพี่พี่กล้าฟังแค่ไหนเดี๋ยวต้องปรับพี่กันกล้าค่ะอันนี้แตไมเรียนนั่งอยู่ตรงนี้นะจะได้ิดจะได้วี่จะได้จะได้จะได้เอเข้าใจแล้วก็แก้ไขเราได้ดีคือเราไม่แก้ไขหรอกค่ะแค่เราไปดูจริงๆนะคะว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงนะคะเพราะร้อยทั้งร้อยในทุกสํานักเขาก็บอกว่าเขาทํำวิปัสสนาเขาไม่บอกแล้วว่าเขาทําสมาธิ เขาบอกข้อสอบมิปัสฉนาคอแต่มันเป็นยังไงวิปัสฉนาเราต้องเชื่อไหมอ่ะถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําสอนพระเจ้าเราก็ต้องเชื่อเนาะอ่าแต่ถ้าเราศึกษาเราวดูสิวิแปลว่าอะไรอ่ะก็วิแปลว่าชัดแจ้งปัสฉนะแปลว่าเห็นก็เห็นแจ้งอย่างที่กายมันเป็นใจมันเป็นอืมในขณะนั้นอืมเราไม่ได้ทําว่าจิตนี้ต้องสงบไม่ได้ทําว่าจิตเนี่ยต้องดีอืมไม่ต้องทําว่าจิตเนี้ยต้องไม่โกรธเราไม่ใช่กรับอด อืมวิธีจรดสติในชีวิตประจําวันมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมเออมีกายมันร้อนมันหนาวเรารู้เนาะมีใจมันคิดก็ดูมันไปคิดเราไม่ใช่ต้องปิดตาปิดหูปิดจมูกไม่งั้นหลวงพ่อจะบอกตลอดงพวกตาบอกมันภาวนาไปได้หมดแล้วสิพวกหูหง่วงยินภาวนาได้ดีเลยผัสสะไม่มีไปอันหนึ่งละกิเลสลดไปช่องหนึ่งล <c oughs> ะเพราะถ้าจริงมันไม่ใช่เ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เดี๋ยวพี่ค่อยๆทำนะพี่ค่อยๆ <Okay. S 1> เข้าใจพี่ฟังชีดีหลวงพ่อไปก่อนเ oh. นาะเออแล้วก็ค่อยๆดูเพราะว่ากรรมฐานอันนั้นเนี่ยพี่ก็ยังดำรงอยู่จิตมันยังเดินด้วยกรรมฐานอันนั้นอยู่อ๋อ oh. เอออันนี้พี่ต้องควถามตัวเองว่าเราชอบกรรมฐานอันนี้ไหมอืมถ้าเราชอบเราก็ทําต่อไปก่อนแต่ถ้าเราพามันไปดูจริงๆอะ่ะว่าเอ้ยมันทุกข์ไหมมันทุกข์ไห ม, ท, มที่พี่ทําเวทนานอยู่เนี่ยเนี่ย ดูยิบยับไปทั้งร่างกายแบบเนี้นะคือมันเริ่มชินอ่ะพี่เข้าใจไหมร่างกายนี้มันเริ่มชินกับชานะมันไม่ได้ชินธรรมดาด้วยมันชาด้วยพี่ถ้าพี่ไปสังเกตร่างกายพี่ตอนเนี้ยเห็นไหมมันชาแบบเนี้ยเออตอนแรกมันก็เจ็บเจ็บสักพักมันก็ชาแบบเนี้อืมตอนเนี้ยมันเป็นแค่ร่างกายที่มันชาจิตใจอ่ะมันชามานานแล้ะเพราะว่ามันบังคับแบบเนี้ยอืคนที่ใกล้บ้าเนี่ยคือคนที่รับความทุกข์ไม่ได้ สุดท้ายสติมันก็ขาดนะคะมันไม่รับรู้อีกแล้วนะคือถ้าเราภาวนาแล้วเราเข้าใจมันจริงๆนะอืมมันก็จะไม่ผิดหรอเวทนาดูได้ไหมได้เพราะมันยังไงมันก็อยู่ในกายานอยู่ในสติปัฏฐานสี่อืมแต่เวทนาที่มันเกิดปุ๊บเนี่ยทันทีเรารู้เราเห็นใจที่เราไม่ชอบเห็นใจที่เราหงุดหงิดเห็นใจที่เรากางังวลแต่นี่ไม่ใช่ใจพี่มันหนีความทุกข์อันเนี้ยพี่เห็นไหมปะเมื่อไหร่หนีมันก็คือไม่ใช่วิปัสนาแล้วอืม ใ น, ในี่ใจหนีอยู่หรอคะใช่ค่ะพี่เห็นไหมอ่ะที่พี่บอกเนี่ยตึ๊กแล้วก็ไปนิ่งออืตรงนั้นนั่นแหละค่ะแซ่เพ้าพี่เลยนะจามันจิตมันก็ชาไปละชาจิตเนี่ยมันชาก่อนตัวตั ว, ต, วตัวร่างกายอีกอพอร่างกายตัวเนี้ยมันใช้จิตไปเพ่งออืืจิตมันเพ่งเลยรีเพ่งแบบพี่มาก่อนมีถึงพูดได้ว่ามันเป็นยังไง อ, อจิตไปเพ่ง<อ>ใช่ค่ะเช่นเวทนาจนกระทั่งบันชา มันเพ่งจนปวดท้องหายได้อะพี่นึกออกไหมท้องมันไม่ปวดเลยไม่ต้องกินยาอืมมันสามารถมันทําได้แต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตั ว, วเราเพ่งเขาใช่แต่ตอนเนี้ยปัญหานะคะพี่จะถอยออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาหนึ่งสองอออวิบากที่เรารับจากสภาวะนั้นมาเนี่ยมีหนึ่งโทสะที่มันจะต้องแรงมากออืนะคะคนรอบข้างจะต้องเข้าใจอ อ, อว่าตอนเนี้เราเราเราไม่ได้ตั้งใจนะ อันนี้เกิดจากการภาวนาถ้าเราเตรียมจัดออกมานะออืมืมคแต่เท่าที่คุณมาลินแนะนําขณะนี้ก็คือว่าแม้แต่ความโกรธหรือความอะไรเนี่ยดิฉันไปกดข่มมันไว้อยู่ถูกต้องค่ะด้วยกรรมฐานกองนี้แหละอออืมถึงบอกว่าถ้าน้าภาวนาเราภาวนาผิดมันบ้าได้หมดอ่ะอืมเราไปกดข่มไว้กดข่มไว้เลยไม่ใช่มันไปจากเราไม่ใช่ค่ะเพียงแต่เราเราใช้พลังสมาธิที่เคยฝึกมาใช่แล้ว เบลเขาว่ายู่เขาอยู่ใต้ใต้จิตเราไว้กันใช่แล้ววันหนึ่งสมาธินี้ตกอ่าสมาธินี้เสื่อมค่ะแล้วเข้อที่จริเราไม่ได้ทําอย่างนี้ได้ทุกวันคแล้วก็ระเบิดถดถึงคนก็เขาไม่เข้าใจภาวนามาไงนี่มันเป็นแบบนี้นั้นภาวนาต้องไม่ดีอืถูกไหมทําไมถึงเป็นอย่างนี้อนี่ละค่ะเนาะเพราะนั้นพี่ใช้เวลานิดนึงนะไปถามใจเราก่อน ถามใจเธอดูก่อนเนาะอเออว่าเป็นยังไงเออใจเราชอบแบบไหนอ่น อ, อนโยนกับมันหน่อยอ่อนโยนกับจิตใจนี้หน่อยจิตใจนี้มันมันบอบช้า ม, มากอะ่ะพี่เขาเ้าใจไหมมันทั้งบอบช้า ม, มันทั้งโดนบังคับโดนทุกอย่างเลยอะ่ะใช่เพราะว่าตอนฝึกในครั้ ง, รงแรกๆนั่นน่ะไปบังคับมากค่ะแล้วก็แบบมีความรู้สึกหลายอย่างที่มันไม่นนใช่ถ้า ง, งั้นน่ะค่ะ แต่พี่นึกออกไหมพี่บอกบังคับทุกอย่างเลยแต่ทุกวันนี้พี่ยังทํากรรมฐานกองนี้อยู่ได้อ่ะแล้วถามตัวเราซีถูกไหมเราไม่เราไม่รู้ตัวค่ะเราไม่รู้ตัวออืวันนี้คือการกดบังคับไว้เพราะทันทีที่เริ่มปฏิบัติแล้วก็จะเข้าจิตมันก็เข้าไปร่องเดิมใช่ค่ะมันก็เป็นความเคยชินคุ้นเคยอือันนี้พี่เอาไงดีล่ะก็พูดตรงตงนะคะอืออยากพบทางหลุดพ้นค่ะถ้าอยากพบทางหลุดพ้นนะคะเราสร้างบ้านใหม่เถอะ ค่ะ <C HA> บ้านนี้มันไม่โอเคแล้วล่ะค่ะนะเราทิ้งมันไปเหอะเริ่มต้นให้หน่อยสิคะเริ่มต้นนะคะ <C HA> งานนิดเดียวเลย <C HA> ยิ้มหวานก่อนจิตต้องมีความสุขค่ะ <C HA> จิตต้องมีความสุขความสุขความสบายเนี่ยในพระสูตรบอกเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วสมาธิในที่นี้คือสัมมาสมาธินะคะเพราะฉะนั้นเราไม่แทรกแซงเราไม่แก้ไขนะคะพี่นั่งให้สบายค่ะคือที่ผ่ามาพี่เดินจงกลมไหมไม่ นั้นพี่ต้องหักหลังไปเลยอ่ะพี่พอเดินไหวไหมล่ะ <c oughs> เราเดินเพื่อสุขภาพด้วยได้ค <c oughs> ่ะอ่าแล้วไม่ต้องเยอะ <c oughs> เอาสิบห้านาทีพอพี่ดู youtube มาลีหน่อยได้ไหมรูปนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเปิดให้คุณแม่นะอ่ะแล้วพี่เอาตามนั้นเลย <c oughs> อืมรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะคะเอาแค่สิบห้านาทีพอนะตอนที่พี่ไปเดินจิตมันเคยเดินช่องนี้ยังไงมันก็เดินช่องนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปเดินนะมันก็บังคับที่ขาพี่แค่รูวร้ว่าบังคับ เราไม่แก้เลยบังคับรู้ว่าอยากบังคับเดินแล้วฉันอยากเดินให้มันตรงๆเห็นใจที่มันอยากเดินให้ตรงๆเดี๋ยวใจมันจะเดินแบบนี้นะเออก็ดูมันไปทีละอันทีละอันนะเออใจฉันต้องอยากเดินแล้วมันต้องดีสิอ่าเห็นใจที่มันอยากดีนะคะแต่หัวจงคมท้ายจงกลมไปดูอย่างนั้นเลยนะคะแต่ก่อนสตาร์ทนะคะทุกท่านนะคะที่นั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก่อนจะเริ่มต้นการภาวนาถ้าคุณเดินจงกรมนะคะ ก่อนเดินให้รู้สึกตัวก่อนว่าตัวเนี้ยืนอยู่อ่ะท่านที่นั่งสมาธินะคะก่อนจะนั่งดูลมหายใจจะดูร่างกายหายใจก็ตามหรือจะยกมืออะไรก็แล้วต่ให้รู้สึกตัวก่อนว่าตัวเนี้นั่งอยู่อืมจะนั่งท่าไหนก็ได้นะคะนั่งให้สบายอ่าสมมุติเราจะยกมืออืมนั่งให้มันสบายใจ น, นั่งสบายอ่าพอเห็นแล้วร่างกายนี้นั่งอยู่แล้วก็ยกมือให้สบายอืมแอบแรกยังไงมันก็บังคับอะนะ เราก็แค่รู้วา บ, าบังคับแค่นั้นนะคะแล้วเวลาทําทํา ท, ท, ทีละอย่างนะคะอย่าเพิ่งทําพร้อมกันจนกว่ามั่นใจแล้วว่าเฮเดินเนี้ยโอเคเราถูกทางละระวัาวางใจที่จะเดินเนี้ยเข้าใจแล้วว่าเราเดินด้วยวิปัสนาคือรู้ความจริงของกายกับใจนะคะไม่ใช่เดินเพราะต้องไม่คิดไม่ใช่เดินเพราะจะเอาสงบนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่ก็แค่รู้สึกครนนันี้ไมีต้องมาให้พี่รู้สึกก่อนคน ะ, ะพี่ยิ้มหวานทีหนึ่งหลับตาให้สบายอืม รู้สึกว่าตัวนี้นั่งอยู่พี่เห็นไหมแอบบแพรกรู้สึกแอบเบนี้ยหนักเลยเพ่งอ่ะพี่เห็นไหมอ่ะมลรีจะซ้อมให้ว่าว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปเจออันนี้ละค่ะค่ะอะ่แล้วพี่ก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหนักแก้ไหมทํำวิปัสนาไม่แก้ไม่มีคําว่าแก้ใดๆในวิปัสนาแค่รู้ว่ามันหนักอ่ะเห็นพี่เห็นจิตขนาดนี้ไหมเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นปิติไหมอ่ะชอบปิตินี้ไหม ธรรมาเออปกติมันเสียดมากกว่านี้เนาะปกติมันต้องปื้ดขึ้นมาเออพี่แค่รู้เออจริงๆริงนะพี่รู้สึกจิตที่เป็นกุศลจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆแค่นี้มันต้องเบาค่เห็นไหมถ้ามันหนักกว่านี้ก็คือไม่ใช่แล้วนะอืมมันต้องเบาแล้วโปร่งโล่งๆเห็นไหมสบายๆเออแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีน้ำหนักขึ้นมาสักนิดหนึ่งพี่แค่รู้ว่ามีน้ำหนักแล้วพี่ย้อนมาดูใจว่ามันชอบไหม ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้เฉยเฉยถ้าเฉยเฉยก็เฉยเฉยแต่ต้องซื่อตรงนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซื้อตรงหรอกมันจะมีคําตอบไปก่อนแล้วเออถ้าอย่างนี้เดี๋ยวคุณบารีบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิเรารู้ทันใจเราอืมเราไม่ต้องให้ใครมารู้ใจเราเลยเรารู้ทันใจเราดีกว่าเนาะเราอยากกินอะไรจะได้กินใช่ไหมรอคนอื่นมารู้ทันใจเรามันจะยกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเรารู้ทันใจเราอืมพี่ดูให้สบายเนี่ยใจอย่างนี้เลยพี่จำจิตอย่างนี้นะคะ เพราะนั้นคนที่ทำมาเยอะๆนะ้ำมีบอกเลยว่าสำหรับมารีนะมนีว่ามันไม่ยากแต่อยู่ที่เจ้าตัวเขากล้าทิ้งไหมออบ้านเก่ามันแย่แล้วอะพี่มันสร้างพิงไมว่าถ้าถ้ารื้อบ้านเก่าสิบล้านสร้างบ้านใหม่สามล้านสวยกว่าดีกว่าสมัยใหม่กว่าเนาะเออเอาใช่ไหมอะเราอย่างวัหนึ่งอะเราก็ต้องเตรียมแล้วนะบ้านเราอะต้องเป็นเนินแล้วอะ เป็นบันไดขึ้นไปบนก็ไม่ไหวแล้วนะเออเรสร้างบ้านใหม่คราวนี้เราอยู่สบายเราเตรียมแล้วเกิดวันหนึ่งเราต้องนั่งเก้าอี้เขน็นเราก็ต้องนั่งเพราะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วถูกไหมอะเออชีวิตเรียบง่ายอื อ, อทีนี้ตัวเองเนี่ยนะคะก็ะไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่คิดว่าตัวเองทําสมถะค่ะแต่มันจะมีอีสภาวะหนึ่งขอเรียนถามหน่อยนะคะเวลาที่จิตว่างๆจะล้มตัวลงนอนค่ะบางครั้งเนี่ยเราหลับตา อืแต่จิตมันมีภาพอภาพเนี่ยจะเกิดบริเวณเหมือนกับเราดูดูหนังดูหนังใช่ีเป็นภาพขึ้นมาภาพขึ้นมาอันนี้เป็นสภาวะของสมถะใช่หรือเปล่าสมถะที่เราเรียกว่านิมิตอ๋อแต่เพราะปกติเราเพ่งเราเพ่งกันอยู่ตรงนี้แต่เราเราไม่ได้เราไม่ได้ภาวนานะคะเราไม่ได้ทำอะไร่คะแต่ถ้ามีน้ํำไหมน้ำค่ะ เขาก็จะเป็นนี้ใช่ค่ะมันเป็นเพราะพี่ย้อนมาดูใจมีอะไรก็ตามนะคะนักภาวนาไม่ดูอย่างอื่นเลยเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นผีย้อนมาดูใจก่อนสงสัยอ่าสงสัยถ้ามันยังอยู่ก็แค่รู้ว่าอยู่อ่าสงสัยอีกเฮ้ยชอบสมมุติเห็นเทวดาชอบเห็นใจที่ชอบอืมอนั่นแหละค่ะอสภาวะทําอะไรก็ตามแล้วก็กลับมาดูใจเราใช่มีอะไรทุกสภาวะเลยย้อนมาดูใจมันก็ดับมันก็ดับถูกต้องก็ ที่หลวงปู่ดูลใช้คําว่าที่เห็นเน่ยเห็นจริงที่เห็นเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นน่ยจริงหรือเปล่าไ ม, ไม่รู้ใช่ค่ะนี่แหละคือสภาวะของติดนิมิตคนที่ทําสมถะได้ยังไงมันก็ต้องไปติดนิมิตคนที่ขึ้นปั ส, สนาได้ก็ต้องมาติดวิปัสสดูอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะพี่ยิ้มหวานทีหนึงพี่เก่งมากเลยอ่ะถ้าพี่คิดว่าพี่จะเลือกของเกนะ่าปกติเนี่ยอืมบางทีคนมันแต่จริงๆต้องบอกเลยมันทุกจนพอมันถึงอยากจะเลิกละ อย่างที่เรียนคุณมาลีอค่ะเพราะว่าอยากจะพ้นเหมือนกับพบทางที่จะเดินจริงๆใช่ใช่ไม่งั้นมันจะสเปะสปะอยู่ใช่นะคะประกาว่าแนวทางของลุงพระมุตที่ครอบครัวกขาฟังอยู่ทุกคนค่ะโมท่าเธอว่าพอคุยกันแล้วเขาก็มีเข้าใจที่เราพูดค่ะใช่ใช่คุยกัลูกสาวลูกสาวบอกแม่ไปหาคุณมาลีที่ก่อเพราะว่าคุณมาลีเข้าใจเพราะคุณมาลีเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นแม่ไม่ผิดปกตินะเออย แม่ไม่ผิดปกติเลยนักภาวนาเนี่ยวันหนึ่งยิ่งภาวนาแต่นี่จะพ้นทุกข์มันไม่พ้นหรือมันทุ ก, กข์หนักก็ไปอีกเนี่ยจนใกล้บ้านเนี่ยอย่างมาลีนะอย่างมาลีเพราะว่าเราเราไปเพ่งไว้ใช่ค่ะใช่บังคับไว้หมดจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเราเพ่งใช่นี่แหละไม่งั้นพระพุทธองค์จะไม่ตรัสเลยว่าสิ่งที่พิกษุไม่ควรเสพมี2 อ, อย่างท่านขึ้นด้วยอัตถกรย า, ยามัทธานิโยโอะอ่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจอะ่ะทำไมก็ไปดีนี่ก็ไปวดัดน่ะ ไปภาวนาแล้วยังไงก็สวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งไม่ไดีตรงไหนวะเราก็ยังไม่เข้าใจอีกเนาะเออจนวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจคําสอนท่านมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าอ๋อเอออันนี้แหละบังคับจริงๆเราไปบังคับจิตไว้ค่ะเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่เราทําไม่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยไม่ใช่ละอืมแล้วลข้อเท็จจริงเนี่ยกรรมฐานที่พระพุทธองค์ให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลา อย่างหายใจเนี่ยทําไมท่านให้ใ ห, ให้ให้ดูการหายใจนั่งอยู่ตรงไหนมันก็หายใจอะ่ะเพราะนั้นนั่งอยู่ตรงไหนเราไปรออะไรเราก็ทําสมาธิเราก็ทําสมา ธ, าามาธิได้อยู่แล้วอ่าเห็นอย่างเงี้ยลมหายใจเข้าหายใจออกอ่ะสักพักเห็นใจมันไหลไปคิดอ่ะกลับมาที่ลมหายใจไดาอีกลอะออืมันง่ายแค่นี้เนาะค่ะโอเคเนาะมีอะไรไหมคะเท่าที่คุณมาลีาแนะนําดิฉันมาเนี่ยนะคะค่ะคุณมาลีมองเห็นความความ เพ่งในจิตดิฉันไหมคะดิฉันยังเพ่งอยู่ไหมแล้วพี่ว่าเพ่งไหมตอนนี้ว่าไม่เพ่งอ่ะตอนนี้เหรอพี่เห็นอะไรปะพี่เห็นอะไรพี่ดูตรงกลางเสียงมันมีน้ำหนักไหมตรงกลางหน้าอกอ่ะมีอ่ะจบนี่คือคําตอบออคือถามนะมีเป็นคนที่จะให้ดูเองแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองมิรีพูดไปเพ่งเพ่งเชื่อไหมอ่ะเยมารีไข่มานั่งพูดไปเรื่อยเปื่อยดูเองค่ะอแต่มิรีจะมีวิธีให้ดู แล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองอยังมรีบอกว่าพี่เพ่งโห้ยรับรองพี่ไม่มีทางเชื่อมรีหรอกถูกไหม <c oughs> เพราะเราก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> ให้เราเป็นอย่างนี้เหรอเราก็ต้องกลับมาดู <c oughs> เราร้ายเหรอ <c oughs> เฮ้ยจริงไหมใช่ะเมื่ อ, อไหร่มีน้ําหนักมันก็คือไม่ใช่ละมันต้องเบาโปร่งโล่งสะอาดสบายขอโนะคะแล้วเวลาที่เราเห็นพี่เอาใกล้ๆไหมคะเวลาที่เราเห็นเ้าไหวอะค่ะค่ะมันมันคืออะไรพี่เห็นไหมว่าทุกครั้งที่ไหวเนี่ยมันมีความทุกข์ ไม่รู้ว่าทุกเรื่องนะคะแต่เห็นมันไหวอืมเมื่อไหร่จิตที่มันไหวเนี่ยมันมีการทํางานละอืบางคนก็จะใช้กึกกักตึกตึ๊กอะไรนี่แล้วแต่ไม่มีคําตอบใช่มันมีแค่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ของพี่เนี่ยมันมีไหวหลายอย่างมันมันเป็นดีเทลเยอะเพราะว่าทําสมถะมาเยอะนะคะมันมีทั้งที่มันไหวแล้วรู้สึกตัวกับไหวด้วยการบังคับ คือบางทีจิตเนี่ยมันโดนบงังคับมากมมันก็ไหวแบบนี้อันนี้พี่เห็นอยู่อ่าตัวเนี้ยอตัวนี้นะพี่เห็นจิตเนี่ยอันเนี้ยคือการบางังคับแล้วพี่เห็นไหมมันกลัวมากเลยโดยไหวตัวเนี้ยมันประกอบด้วยความกลัวแต่ถ้าไหวด้วยการที่เราเห็นเห็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งที่สังขารปรุงแต่งอะ่ะมันจะเป็นไหวที่รู้สึกตัวแต่เนี้ยไหวแล้วเนี่ยมันมีความกลัวมันก็คือโทสะพี่เห็นไหมคะมีน้ําหนักทันทีเลย พี่เห็นจิตขณะนี้สิมันมันไหวมันไหวแล้วมันมีน้ำหนักแต่มันมีความกลัวพี่เห็นความกลัวนี้ไหมแต่ความกลัวมองไม่เห็นนะะพี่ชี้ไปดูพี่ดูนะมันอยู่ลึกๆ อ, อืมจากจิตพี่เนี่ยมันเข้าไปประมาณสองเซนเนี่ยแล้วตัวเนี่ยมันจะมีตัวกลัวอยู่พี่เห็นความกลัวไหม ความกลัวที่มันจะต้องเผชิญอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ลึกขนาดนั้นหรอกพี่มันอยู่แค่บนๆนี่แหละแค่สองเซนเองมองเข้าไปก็เห็นแล้วพี่เห็นปะเห็นไหมพี่เห็นพี่เห็นความอ่อนล้าไหมตอนนี้อ่ะเห็นเห็นความไหวอ่ะค่ะอ่าเห็นความไหวแต่เบื้องหลังความไหวมันมีความกลัวพี่เห็นไหมจิตตอนนี้มันอ่อนล้าถ้าพี่เห็นเป็นนะยังยังดูไม่ออกเห็นไหมว่ามันไม่อยากพูด ยังดูไม่ออกอ่ะเอาตอนนี้ก่อนจิตตอนนี้มันไม่อยากพูดเห็นไมมันจะนิ่งๆใช่นี่แหละนี่แหละคือความกลัวอ่าผลจากความกลัวนี้มันทำให้มันนิ่งเพราะเดี๋ยวมันรู้มันจะต้องไปดูเวทนามันไม่อยากดูหรอกแต่บังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งมันรู้เลยมันเหมือนคนต้องโดนไฟฟ้าช็อตทุกวันนึกออกไหมพอถึงเวลาสาโมงเปะมาละ เ, ออเดี๋ยวต้องเข้าไปแล้วต้องเจอไฟฟ้าต้องเจอช็อตตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะของพี่เนี่ยไอชินกระชาของพี่เนี่ยรับไปทั้งตัวเนี่ยที่บอกยิบยับเนี่ยค่ะแต่มันชินไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอแต่ถ้าเป็นมาีตอนนี้มารีรู้สึกอะไรมารีเหมือนไฟชอ็อตเพราะไฟอยู่ในตัวตลอดเลยอืมอืมมันเหมือนเวลาเราไปเสียบปลั๊กแล้วไฟนี้มันเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยเนี่ยมันไปทั้งตัวอืมแค่รู้ค่ะพี่ยิ้มหวาน มันเป็นไตรักนะพี่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างเป็นไตรักเพราะฉนั้นพี่ไม่ต้องกลัวมันถ้าพี่เห็นจิตอันนี้มาไหลปุ๊บพี่แค่รู้มันอ๋อสิ่งที่มันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วจิตกําลังอย่างพี่เนี่ยนะมันดูได้ไม่ยากหรอกแล้วเดี๋ยวมันจะปรับหมดเองแล้วพี่จะขอบคุณว่าโอเคไอ้วิกฤตทั้งหลายที่เราจะทําผิดทําถูกมาสุดท้ายมันก็ได้ขึ้นมาใช้งานอืนั่นแหละเพราะทุกอย่างเป็นไตรักค่ะนะแต่เส้นนี้เดินด้วยบุญจริงๆนะออเดินด้วยบุญค่ะ มุนไม่พอไม่เจอธรรมะแท้ๆหรอกอมีใช้จริงๆนะเพราะเราเองก็เจิมาอย่างนี้เราถึงรู้แล้วทั้งเส้นเนี้ยเราจะเรียนสิ่งที่ผิดวันนึงเราถึงจะเข้าใจว่าไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงนะเพราะว่าที่ถูกทำไม่ได้โทษนะคะเรียนถามเรื่องออการดูลมหายใจค่ะไม่ไม่ทราบว่าดิฉันใช้ผิดไหมคือจะไม่ได้ดูแค่ตรงนี้ตรงนั้นจะดูจากปลายเท้า มีความรู้สึกหายใจจากปลายเท้าขึ้นมาเพื่อให้มันยาวอืมอันนี้คือจริงๆริงเนี่ยตั้งใจมากไปไหมมันตั้งใจตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะค่ะเพราะว่าข้อแท้จริงเนี่ยถ้าพี่บอกพี่ดูจากปลายเท้าข้อแท้จริงมันไม่ได้ดูจากปลายเท้าหรอกมันดูจากตรงเนี้ยไหลลงไปที่ปลายเท้าพี่ดูใหม่สิเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยเราไม่ฝืนธรรมชาติหรอกปลายเท้ามันหายใจไม่ได้พี่อ๋อโทษนะคะแต่มันอพูดใหม่ ดีฉันใช้ความรู้สึกเวลาหายใจยาวๆเนี่ยใช้ความหายใจนะคะแต่ใช้เวลาเนี่ยค่ะที่มันจับอันนั้นเนี่ยพี่อัดลมเข้ามาอพี่เห็นไหมเล่าเนี่ยอัดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็วาบอย่างเงี้ยมีความสูขชอบอนี่แหละแล้วพี่ทํานานๆพี่จะเหมือนแขนขาที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้แหละก็จะเป็นไฟอ่าใช่อื่นนั่นแหละแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องท้ายทําให้เราสงบได้ไหมหรือผิด มันทําให้สงบนะคะคุณมาลีค่ะใช่อแต่สงบแล้วปัดประกอบด้วยความเจ็บอย่างเนี้ยอ๋อท่โทษไม่เจ็บมคะคะคุณมาลีมันชินไงกับชาเดี๋ยวพี่ถอยออกมาแล้วพี่จะเห็นแหละ<อ>ก็มารีบอกเนี้ยมันโดนช็อตไฟฟ้าทุกวันอะมันไม่ได้รู้สึกหรอกแต่ลึกจิตเนี่ยมันหนีทุกอืมพี่กรรมฐานพระพุทธเจ้ามันไม่มันไม่ลึกลับขนาดนั้นพี่เห็นไหมว่าเป้าเนี้ยที่มีบรรยายตั้งอินโทรตั้งแต่แรกเลยศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งไปสู่ความสงบ ออืมแต่เราจะเอาความสงบเมื่อไหร่ที่เราจะเอาความสงบเมื่อนั้นก็เราต้องทํามันก็จะมีวิธีพลิกแพงแต่ละคนไปแล้วแต่ว่าทํำยังไงแล้วจิตมันสงบอืมแต่ทั้งหมดทั้งนั้นที่ทจะพลิกแพงกี่รอบกี่อย่างก็ตามคือการบังคับทั้งสิบจะบังคับอย่างไรแค่นั้นเองกลับไปที่การบังคับใช่ค่ะอืมเพราะใจพี่วางพี่จะเอาสงบตั้งแที่เราบอกเราอยากพ้นทุกเนาะไม่ค่ะคือเข้าใจว่าการที่มีความสงบจิตตั้งมั่นเสร็จเนี่ย มันจะมีสติตามรู้ตามรู้จิตมากขึ้นเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่วิธีเปลี่ยนไม่ต้องแก้แค่รู้ว่าอ๋อเราอยากสงบออืใจจริงๆคือมันอยากสงบมันถึงต้องทำทุกอย่างเลยค่ะค่ะเนาะให้คนอื่นบ้างเนาะค่ะค่ะโอเคค่ะเชิญป้าธิดาค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าดีค่ะ ก็ดีเชิค่ะป้าค่ะคือคนสุดท้ายแล้วค่ะหิวข้าวแล้วใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งปกตินะคะป้าจาะใช้ลมหายใจนะคะเป็นเครื่องอยู่ทีนี้มันก็จะมีช่วงเวลาที่หลงเผลอไปเก็บตลอดอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เหมือนจิตเขารู้ของเขาเองว่าหลงหรือเผลอไปเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่ลมหายใจแล้วทันทีที่เขากลับมาที่ลมหายใจเนี่ยยังไม่ทันจะดูอะไรรู้เลยะคะ่ะ มันก็จะเริ่มแน่นแล้ะก็จะรู้สึกว่าเออเราเพ่งหรือเราลมป้าอยู่ไหนอะคะลมป้าที่ใดอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะเอาอยู่ตรงนี้โอเคอ่าค่ะมันแน่นตั้งแต่นั่งเลยอะถ้าป้าสังเกตไม่ได้นั่งคือทุกริยาบทเลยค่ะที่เหมือนกับรู้สึกโตขึ้นมามันก็จะกลับมาที่ลมหายใจทันทีนะคะพอสักครั้งสองครั้งเท่านั้นการมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าแน่นๆไปแน่นๆไปทั้งตัวเลย ม, มันอัดตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะป้ารู้สึกไหมอ่ะจะอัดอยู่ตรงนี้นะค่ะอืมแล้วดูใหม่นะค่ะมันเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนป้าดูสิค่ะเห็นไหมพอนั่งปุ๊บเนี่ยจมูกสองข้างนะคุณป้านเนี่ยแน่นข้างนี้แล้วไม่ใช่แน่นข้างนี้อย่างเดียวนะมาถึงตรงนี้เลย<ช>ยิ่งสองสมัยนี่ยิ่งเป็นมากเลยค่ ะ, คะอยู่แถวๆบ้าน<ช>ีแรง่ะมันจะปวดข้างนี้มาถึงหัวคิ้วเลยมันเริ่ม ต, ตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันค่อยอัดมาตรงกลางหน้าอกค่ะวิธีคุณป้าอยาก ยังไงนะคะให้หนูทํำยังไงให้ก็จะทํำยังไงไม่ให้มันแน่นอย่างเงี้ยหรอคะอยากเรียนถามว่ามันมันเพ่งมันประคองมันอะไรไว้ใช่หรือเปล่า อ, อ๋อใช่ค่ะเพราะมันเริ่มเพ่งตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ลงมาที่กลางหน้าอกอืมแล้วตอนนี้มันก็เริ่มลามมาข้างนี้ค่ะอ่าแล้วมันจะเป็ น, ปนอย่างนี้เสมอไหมคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าค่ะคือเหมือนเหมือนกับว่ามันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะคะว่า เออหรือเราจะไปเจออะไรอ๋อเจออะไรที่นี้คืออะไรคะคืออะไรที่มันที่มันผิดปกติ่ะคะที่อย่างว่าเป็นมารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะคะ่รอบนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะอคุณป้าไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นเลยพวกนั้นน่นยังไงมันก็เป็นไตรละนะคะแล้วคุณป้าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคุณป้าึกอะไรไม่ออกยิ้มหวานทีหนึงนึกถึงพระพุทธเจ้า ทีน่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธรูปตรงไหนก็ได้ <คะ S 1> อ่าแค่นั้นแหละเราเปิดช่องพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว <คะ S 1> เราเชื่อมกับพระเสร็จล้วจบแล้วเรานึกอย่างเงี้ยบ่อยๆแต่ก่อนจะถึงนึกถึงพระยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานมีความสุขก่อน ค, <ะ S 1> คือจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันเชื่อมง่ายเ <คะ S 1> ชื่อมในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นคําพูดอย่างหนึ่งนะแต่แค่เรานึกถึงภาพพระพุทธรูปนั่นแหละอืมแค่นั้นะพอละ ที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วมันมันทําสมาธิโดยอัตโนมัติหรือเปล่าคะใช่ค่ะอืมค่ะแต่ครั้นี้มันเป็นสมาธิที่คุณป้ารู้จริงๆแล้วว่ามันไม่ค่อยสบายคือคิดถึงกระดาษว่ามันเป็นมิจฉาอ๋อมิจฉาช่างมันป้า<ม>เพราะว่าเรามองเลยนะคะว่าจิตเนี่ยมันทํางานเองไม่ใช่เราเนาะทันทีที่ป้าคิดว่ามันเป็นมิจฉาป้ารู้ลงปัจจุบันตรงนั้นอะตรงนั้นก็ดับ จิตตรงใหม่เกิดขึ้นคะ่ะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีสติเกิดขึ้นอืมแล้วมันจะเป็นอีกก็เรื่องของมันตอนนี้สิ่งที่คุณป้าธิดามีอยู่ตอนเนี้ยคือความกังวล ค, <ะ>คุณป้ารู้ตรงๆเลยว่ากังวลกังวลตัวนี้อยู่ในตระกูลโทสะอยู่แล้วอืมมีโทสะอยู่เกือบตลอดเลยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกตินะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นมากขึ้นมีนี่ว่าวีนแตกดูไปดูไปตรงๆเลยคะ่ะเพราะเราเห็นเลยว่าตัวโกรธไม่ใช่เราเหรอก ตัวกังวลเนะ่ะคุณป้าเห็นตรงๆกันว่ากังวลค่ะคุณป้าไม่ดูเห็นปะกังวลค่ะแต่คุณป้าเห็นไหมว่าดูอย่างเนี้ยดูแบบเนี้ยเห็นไหมเมื่นเราดูน้ําอย่างเนี้ยเราบอกไอ้น้ำนํำหมดแล้วอ่ะนะสมมตินะเราดูอะน้ําหมดแล้วเราก็ดูตรงๆอ๋อน้ํามันหมดเดี๋ยวจะไปแล้วไม่ต้องกินหรอกอะอย่างนี้ได้แต่เนี้ยเราอย่างเนี้ยป้าเห็นไหมอ่าเราอย่างเนี้ยอืมป้าเห็นไหม ถ้าดูตรงๆว่ามันกังวลถ้ดูเลยว่าตัวกังวลไม่ใช่เราคือคือมันกังวลสุดจนเกืบจะตลาดเวลาอะไรเลยใช่ค่ะคือตรงเนี้ยคืออาการถลําถ้าป้ารู้ปุ๊บยังไงก็ดับแต่ปัญหาคือป้าถลําอยู่กับความกังวลเนี้ยมันก็เลยไม่ถอยอังบาดเป็นผู้ผู้ดูค่ะอ่าจิตมันก็เลยไม่ตั้งมั่นเป็นกลางค่ะออืเพราะเรายังอยู่กับอาการถลำหกเดือนแล้วค่ะคุณ เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆมาดูค่ะว่าทําไมคุณป้าถึงเป็นอันนี้อแต่เราเห็นตรงกันก่อนว่าไอ้ที่คุณป้าไม่หายเนี่ยเพราะคุณป้าไม่ดูอืมเราถลําอยู่กับไอ้นีน้ยจะแก้คุณป้าเห็นใจที่อยากแก้ใจที่อยากหายกังวลค่ะใชอ่าดูมาเลยเห็นไหมถอยเอามาหมดแล้วเห็นไหมความกังวลหายไปหมดแล้วค่ะเห็นมหมยังจะไปชะเง้อดูสักนิดหนึ่งก็ยังดี <laughs> อยู่ตั้งหก <laughs> <6 S 2> เดือนนะมันหายไปโอ้ยอย่าเพิ่งไป นิ่มหวานหวานหวานเลยเออป้าแค่ดูตรงๆนี่แหละค่ะเพราะมันกังวลเห็นใจที่อยากหายกังวลอืมส่วนใหญ่เราจะพลาดตรงนี้แหละค่ะแต่ก่อนที่มันจะพลาดเราต้องมาดูก่อนส่วนใหญ่ที่เราดูสภาวะนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะรูปแบบที่เราทําเนี่ยมันไม่พอกับไม่ถูกค่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูตอนนี้เห็นไหมค่าความกังวลหายไปหมดละอันเนี้จิตป้าเล่วเล่นนะเล่วเล่น ไม่ต้องยกตัวอย่างที่มันใกล้ที่สุดอ่ะเพรป้าจะไม่เห็นว่าเอ้ยคุณป้าไม่ดูยังไงคุณป้าก็ยังเห็นว่าคุณป้าดูอยู่ใช่ไหมอ่ะถ้าไม่มีแก้วอันนี้นะคุณป้าจะไม่เห็นเลยอ่ะจะไม่ชัดเลยว่าเฮ้ยมันไม่เห็นนี้จริงๆนะมันดูอยู่แต่ว่ามันดูผิดนะเออทำไมดูอยู่ทําไมมันไม่หายแล้วบอกว่าไม่ได้ดูป้าบอกดูอยู่อืมต้องหาตัวอย่างจริงๆพอดูตรงๆอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วคุณป้าเห็นไหมความกังวลก็หายไปค่ะดับไปเลยเห็นไหมตอนนี้โล่งๆละค่ะแล้วอ่าอันนี้ยรู้สึกตตัววจจรริิิงงๆๆมีสแล้ อ่าค่ะใช่ไหมอ่าแต่เห็นไหนไ ม, มจับในกาคุณเมรียังไม่เคยมีภาวะตรงนี้มาเป็นเด่นเดินเลยค่ะจิตตั้งมั่นมันไม่เกิดตลอดเวลาป้ายิ่งเราอยากมีนะยิ่งไม่มีเหมือนเราไล่วิ่งตามมันอะ่ะไม่มีทางมีเลยเพราะถ้ามีก็คือผิดเพราะมันทําอืมทําเนี่ยผิดที่สุดเราแค่รู้ตรงตรงอะ่ะคุณป้าว่าตอนเนี้ยจิตมันกังวลอ่าเราเห็นไปละมันดับไปละอ่าตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้จิตทําอะไรอยู่ เริ่มจะมีกังวลเล็กๆนี่คืออาการประคองค่ะเราแค่รู้ว่าประคองอ่าจบละอืมตอนนี้กลับมาดูนะคะรูปแบบปุ๊ป้าทําอะไรตอนนี้ค่ะเป็นหลักรูปแบบก็คือดูลมหายใจนี่แหละคะ่ะโ ด, โดยโดยโดยส่วนมากนะค ะ, คะแล้วก็ลมอยู่ตรงนี้อะคะเหมือนจะเริ่มต้นตรงนี้เป็นความเคยชินนะค ะ, คะไม่เป็นไร ท, ที่สมัยก่อนก็เคยดูอย่างนี้มาแล้วก็เลิกไปค่ะแล้วตอนนี้ทําอย่างเงี้ยวันละเท่าไหร่คะ เรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเลยนะคะคันนี้ถ้าเรื่อยๆเลยคือหมายความว่าคุณป้าไม่มีเวลาแน่นอนคือจะทําเมื่อไหร่ก็ทําใก่้ๆกับเหมือนมันเป็นเครื่องอยู่เลยจะได้ซ้ำด้วยค่ะค่ะไอเครื่องอยู่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามีเวลาจริงๆไหมว่าทํารูปแบบปิดนาทีสิบห้านาทีโดยใช้ลมอันเนี้ยอ่ะก็คือใช้ลมตัวนี้ถูกไหมคะถูกอ่าโอเคสิบสิบห้านาทีทุกวันแบบเนี้ยนะคะโอเคกว่าค่ะคันนี้คุณป้าชอบไหมไม่ชอบค่ะแล้วทําไมถึงทําอยู่ ถามใจเธอเ<ค>ดูก่อนเหมือนมันเหมือนมันเคยแล้วมันเหมือ น, นไม่รู้จะทําอะไรอ่ายอน ม, มาดูใจก่อนค่ะย้อน ม, มาดูใจก่อนอ่านให้คุณป้าเลิกให้คุณป้าเลิกดูใจก่อนยอมไห ม, มป้า ย, ยอมแต่มันคงไม่ยอมอะค่ะป้าดูตรงตรงเลยเออเพราใจมันมีความสุขเห็ในใจมีความสุขก่อนคะ่ะ คือปัญหาของคุณป้านะมันไม่รู้จะทําอะไรจริงๆจริงๆค่ะอ่ามันไม่รู้จะทําอะไรจริงๆจนกระทั่งรู้สึกมันตัวเองว่านี่แบบแม้แต่หนึ่งก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมศูนย์ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมมันไม่จะทําอะไรเราเลิกภาวนาไปแล้วหรือเปล่าเงี้ยใช่ตาบใดเรายังรู้ลมหายใจยังภาวนาอยู่มันเหมือนมันถึงที่สุดแล้วค่ะคุณป้าขาเราพากันสร้างบ้านใหม่ดีกว่าค่ะเนาะบ้านนี้ไม่ได้หายไปนะคะคือบ้านของป้านี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ เราไม่ย้ายบ้านค่ะเรายังอยู่รั้วเดียวกันนี่แหละนะแต่ตอนนี้บ้านหลังนี้มันเล็กไปนิดนึงเราสร้างบ้านให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะจะได้มีที่เดินจงกรมให้สบายมีห้องพระสวยงามอานะราพาใจเราอย่างนี้นะค ะ, คะเราดูลมเหมือนกันแต่ครั้นี้คุณป้ามาดูลมตรงนี้เดี๋ยวหนูพาคุณป้าดูเลยค่ะนะเห็นไหมมันอึดอัดแค่จะมาดูตรงนี้อึดอัดล ะ, ะเราแค่รู้ว่าอึดอัดไม่แก้เลย ธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนกรรมฐ า, านชักอันนึงอะ่ะมันต้องใช้เวลาแหละนะคะแต่ถ้าเรารู้วิธีไม่ยากอืมนะคะพ อ, พอคุณหน้าคุณป้านั่งปุ๊บตรงไหนก็แล้วแต่ที่คุณป้ารู้สึกตัวได้ทันทีคุณป้านึกถึงก่อนว่าตัวนี้นั่งอยู่ให้รู้สึกเลยตัวนี้นั่งอยู่ค่ะอ่าเห็นไหมพอเรารู้สึกตัวปุ๊บจิตมันก็มีความสุขขึ้นมาเลยอ่าแล้วเรามาดูตรงนี้เลยค่ะคป้าดูนะอ่าหายใจออกไปทีหนึ่งก่อนหลวงพ่อสอนอ่าหายใจออกไปนิดนึงแล้วขึ้นวิธีใหม่ อ้าคุณป้าเห็นไหมเห็นอะไรเกิดขึ้นอ a m a ซิ่งมากเลยมันก็กเบาขึ้นใช่คุณป้าเห็นไหมดูตรงนี้เลยเนี่แล้วคุณป้ามันเบาตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะคะใช่แต่ข้อแท้จริงเราไม่ได้ดูตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมเรามาดูตรงนี้ตอนนี้เรามาดูร่างกายนี้จริงๆเราดูอย่างนี้เลยค่ะคุณป้าทําไปเลยอ้าเห็นเปล่าเห็นไหมสบายกว่ากันต้องเยอะสบายเออนี่แหละ ธรรมะเนี่ยนะมันต้องสบายแล้วเป็นธรรมดาที่ร่างกายนี้มันเป็นคือมันหายใจอย่างนี้ทั้งวันอยู่แล้วอ่ะคัณป้า น, นึกออกไหม <Okay. S 1> เออแต่วันหนึ่งเราจะทําอะไรสักอย่างนึงเราคิดว่าภาวนาปุต้องไม่ใช่อย่างนี้ละอ่าอันนี้จิตมันเข้าใจนะตอนนี้เราพาจิตเขาดูอันใหม่ค่ะแล้วตอนนี้เราจะพาเขาอ่ะดูอันใหม่มันเราจะชวนใครไปสักทีไปเที่ยวกับฉัน อ, อ่ะเฮ้ยไปลําบากเปล่า <c oughs> เขาไม่ไปล้วถูกไหมเออเฮ้ยไปโรงแรมโรงแรมห้าดาวนะนั่งเฟิร์สคลาสอีกต่างหาก มันไม่คิดแล้วแต่ไปไหนแพ็กกระเป๋าแล้วไปกับเราเลยอันนี้เหมือนกันแล้วก็พาจิตเนี้ยให้มันมีความสุขก่อนวิธีมีความสุขต้องเห็นก่อนร่างกายนี้มันนั่งอยู่อ่าสบายละเห็นจิตเห็นกายละเดี๋ยวมันเข้ามาที่จิตเองได้อา่านี้เรามาดูตรงนี้เลยก็ดูกายอีกเหมือนกันคือร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกแต่ก่อนที่จะขึ้นวิธีอันนี้หายใจออกไปนิดหนึ่ง ครา น, นี้โดยธรรมชาติจิตจะไม่เดินอย่างนี้ตลอดนึกออกไหมคะพอสักพักเดี๋ยวมันก็ต้องแน่นค่แน่นเสร็จทํำยังไงยิ้มหวานใหม่รีเซตใหม่แล้วพามันขึ้นวิถีใหม่วิถีใหม่คือหายใจออกไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นป้าเห็นอย่างแน่นละอ่ะตอนนี้นะคะ่ค ะ, ะมีอยากลองให้ป้าเห็นตัวนี้ก่อนนะค ะ, คะพอเราหายใจออกไปนิดนึงนะคะพอหายใจเข้าปุ๊บขึ้นวิถีล้วสบายละคุณป้าน้อมน้ำํำจิตเนี่ยนะในพระสูตรจะมีบอกน้มน้ำจิตนะคะ ไปถึงภาพพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้ที่คุณป้าชอบบางคนชอบนึกถึงพุทธคยาก็ได้นะคะนึกถึงพระพุทธชินราชก็ได้ให้จิตเนี่ยเอออย่างเงี้ยคุณป้าเห็นจิตอย่างนี้ไหมค่ะอ่าต้องมีความแช่มชื่นนี่คือความแช่มชื่นนะคะแล้วที่เหลือสมาธิมันจะขึ้นเองอ่านี่แหละคุณป้าเห็นจิตไหมเห็นแวบแวบใช่เออนั่นแหละแค่แวบก็พอแล้วเห็นรักษาที่มันมันดับไปแล้วขึ้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องนี่แหละเราจะเห็นเกิดดับ อืมค่ะจิตมันต้องหนึ่งประกอบด้วยความสุขความสบายในสมาธิต้องมีความเช้่มชึ่นไม่ใช่นั่งไปอึดอัดไปแน่นไปแข็งไปหูไปทุกอย่างสุดท้ายออกไม่ได้ค่ะสุดท้ายคือออกไม่ได้ไม่รู้จะออกยังไงไม่ได้จริงๆค่ะจนรู้สึกว่าวาสนาเรามีแค่นี้ละมั้งถึงขนาดคิดอย่างนั้นแลอกค่ะคุนจะเลิกก็เสียดายโหเรียนมาตลหลายแล้วนะคะคุณ้า ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าทีหนึ่งหยิบซีดีหลวงพ่อเข้าไปใหม่แท่นไหนก็ได้เดี๋ยวมีคําตอบให้คุณป้าเองค่ะนั่นแหละค่ะถ้าไม่เจอกันนะคะหยิบเข้าไปก่อนอย่ารอถึงหกเดือนนะคะหยิบเข้าไปก่อนยังไงก็มีคําตอบอืนี่แหละค่ะเพราะสุดท้ายมันออกไม่ได้มันไม่รู้จะทำยังไงนะคะวิธีแบบนี้นะยิ้มหวานทีหนึงอะไรนะคะแล้วตอนนี้มันออกมาได้แล้วยังค๋อออกได้ยังหล่ะคุณป้าเห็นตอบด้วยตัวเองสิค่ะก็รู้สึกนี่แหละสิ่งที่คุณป้าทิดาเป็นคือกังวล นะอันนี้<ฆ>เป็นพื้นจิตเราความกังวลนี่ก็คือโทสะ<ฆ>เราแค่รู้มันไปเราไม่ได้ทําว่าต้องไม่โทสะเราไม่ได้ภาวนาว่าให้ต้องไม่กังวลเลยนะไม่ใช่แต่เราไปรู้ทันใจเราว่าเรากังวล<ฆ>รู้ทันใจที่มันปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งซะเองนี่พอมันปรุงแต่งกังวลปุ๊บเราเติมมันเข้าไปอีกอ่าใช่ไหมคำว่าเติมคราวนี้มั่วกันอยู่ในนั้นเลยออกไม่ได้เออตอนนี้เราแค่รู้ถอยออกมาเป็นแค่คนดูนะคะ<ฆ>มานั่งนั่งสบายนั่งเล่น อแล้วตอนนี้สภาวะแบบนี้นะคะต่อไปคุณป้าไปตรงไหนคุณป้าก็จะขึ้นวิถีแบบนี้ละคราวนี้จิตจําเป็นมีกําลังเพราะนี่คือสัมมาสมาธิจริงๆเลยคุณป้าเห็นปิติไหมเห็น่น้อยไปอีกนิดเดียวนิดเดียวคนที่ภาวนาเยอะๆนะของมลีนี่ถือว่าปื๊ดมากแล้วคุณป้าเดินปัญญาเลยค่ะปิตินี้เกิดเองค่ะปิติไม่ใช่เราเห็นไหมดับเองอืมแต่อยากให้เกิดอีกเห็นใจไหม เห็นใจไหมคะอยากให้เ so. ก yeah, ิดอีกแค่รู vibes, ้ว่าอยากให้เกิดมันจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เรื่องของมันคุณป้าอย่ารักษานี่รักษาปิติไว้เลยเห็นไหมความับอยู่ตรงนี้เลยมันไม่ได้เจอมันลนเลยเข้าไปเดี๋ยวเขาก็มาเขาไปเที่ยวคุณป้าต้องไปเขาไปเที่ยวบ้างนะเขาอยู่กับเราเขาก็เบื่อนะเออคิดอย่างนี้เนาะปากระเบื้อเบื่อจนแบบอยากจะถอยอะไรค่ะแต่อีกใจนะครับ มันยาวนะสังสารวัตรใช่ชาติป้าเลยจากชาตินี้แล้วยาวเลยใช่ชาตินี้มาถึงตรงนี้แล้วถ้าถอยก็เหมือนไม่ใช่คนแล้วนะใช่ป้าก็กัดฟันทํามาทั้งแข็งโมทนาถ้าคุณป้าไม่ทําเลยแย่ที่สุดผิดที่สุดเพราะไม่มีกําลังพลิกอย่างนี้เลยจะไม่มีกําลังพลิกเลยนะคะมีต้องใช้คํานี้เลยนะเพราะกําลังที่จะเปลี่ยนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกําลังที่มีสมาธิสมถะรองรับสมถะเนี่ยมันทําให้เกิดแรงนะคะแต่มันเดินกับปัญญาไม่ได้ นะคะ <c oughs> แต่พอเราพลิกจากสมาธิขึ้นเป็นวิปัสนาเนี่ยปัญญามันเดินต่อเองได้เลยอืมถ้าเห็นไหมป้าชอบปิตินี้ป้าดูตรงๆนะคะแล้วมันจะดับอืม <c oughs> ความอยากนี้มันจะดับไม่งั้นเดี๋ยวมาติดตัวอยากอีกอืมแล้วมันมีช่วงนี้บ้างไหมคะช่วงที่เหมือนกับว่าไม่เอาละแล้วมันก็จะหลกไปนิ่งๆอยู่เฉยๆย <c oughs> มีค่ะธรรมธาตุของจิตเนี่ยมันป้าทําไปสักพักนะคะ <c oughs> ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเดี๋ยวมันเดินมันเข้าปฐมฌานเองเลย แน่นอนสิคะอืมแค่นั้ น, นพอแล้วไม่ค่อยดีใช่มคะอะไรคะมันไม่ค่อยดีใช่ดีสิคะอ๋อดีเหรอคะพอเราเข้าสมประชานเดี๋ยวมันจะเดินต่ออะไรของมันไปอันนี้เรื่องของมันออ๋่แต่โดยพวกเราที่เป็นพวกปัญญา ก, กล้าทั้งหลายแล้วมันไม่ค่อยนิ่งนานหรอกเดี๋ยวมันก็ <c oughs> ถอยออกมาเอาแค่พักพอล ะ, อะถ้ามีคนของเก่าคนเขาก็เดินต่อถ้าไม่มีเราก็จบเป็นแค่นี้เพราะฉะนั้นเราเอาแค่ตรงนี้มาพักผ่อนถ้าผ่อนเสร็จแล้วมันมีกําลังมันก็ขึ้นมาดูกายดูใจนี่ทํางานต่อเสร็จแล้วมันก็มาพักได้ ต่อไปคุณป้าธิดาแทนที่จะมาอยู่ตรงนี้อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนหกเดือนผ่านมา <c oughs> เดี๋ยวนี้มันจะอยู่อย่างสบายแล้วเมื่อไหร่ไม่สบายปับ๊บคุ ป, ป้านึกถึงอะไรยิ้ม <c oughs> หวาน <c oughs> ใช่แล้วเราก็เริ่มดูร่างกายนี้นั่งใหม่ค่ะ <c oughs> หายใจออกไปนิดนึงอ่าวิถีขึ้นพอขึ้นปุ๊บจับภาพพระเลยพระที่คุณป้าชอบที่สุด <c oughs> เราซ้อมเลยตั้งแต่วันนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนต้องเดินเส้นนี้จนถึงวันสุดท้ายแล้ว เ, เอาตกจิตตัวนี้แหละเดินไปตรงนั้นวินาทีสุดท้ายเราจับภาพพระเลย แล้วเราเห็นเลยว่าจิตที่จับไม่ใช่เราค่ะอเป็นพระที่เป็นคนป้าก็กลัวพรที่เป็นคนได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะพระที่เป็นคนกลัวกลัวมากเลยคือกลัวจิตสุดท้ายเนี่ยนะคะใช่แล้วมันก็กังวลมันก็ไปกังวลตรงนั้นนะคะโอ้โหนี่สิบปีนี่สงสัยมันหมดตรงนี้เลยมั้งเนี่ยถ้าถึงตรงนั้นมันก็คงจะแบบ แน่งๆอย่างนี้เหรอเราพาดจากปัจจุบันหมดเลยเนาะเราไปห่วงกังวลเนี่ยค่ะเพิ่งจะรู้สึกว่ามันสบายมันเพิ่งจะรู้เพิ่งจะดูสภาวะเป็นไม่ถึงบอกว่าไมเป็นมาหลายเดือนค่ะที่คอร์สอ่าไม่ใช่คอร์สต้องพูดอย่างเงี้ยที่ผ่านมาในช่วงสั้นๆสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มเล็กๆเนี่ยมีให้นั่งเลยเพราะถามกันมาเยอะแล้วยกไม้ถามยกไม้คุยเนี่ยนะเราก็ชี้ได้หมดแหละ แต่เขาเห็นมั่งไม่เห็นมั่งมานั่งกันอย่างนี้เลยค่ะนั่งไปเลยทําไปแล้วชี้บางคนจับผิดส่วนใหญ่จะจับผิดคิดว่าฐานจิตมันอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าจิตมันเดินอย่างเงี้ยถูกต้องอืมมันถึงต้องมาแก้ตรงเนี้ยแล้วมันมันชี้กันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพราะถ้าสมาสมาที่เกิดไม่ได้ปัญญามันเดินไม่ได้อืมพอปัญญามันเดินไม่ได้มันทนทุกอย่างยังไงอ่ะมันก็ไม่แต่รู้สึกตัวว่ามันไม่เคยเดินปัญญาอะไรมันถ้าถ้าคุณป้าติดล็อกอย่างนี้ยังไงก็เดินไม่ได้ เ<ค><ะ>พราะมันก็จะนิ่งเฉยๆนะตอนนี้เราไม่แก้เชิญค่ะขออนุ ญ, ญาตเดี๋ยว<ค><ะ>ของคุณที่มาที่มาลีกับคุณนาทิดาเดี๋ยวจะขอนอกรอบอีกต่อจากตรง น, นี้ไดพอดีมีคุณคนเนี้ยอยากจะถามแล้วกล<ค><ะ>ัวว่าจะเกินเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ยุติไม่เป็นไรค่ ะ, คะเดี๋ยวยังไงให้หมดอยู่แล้วค่ ะ, คะขออนุ ญ, ญาตได้คะ่ะตกลงอีกกี่ท่านท่านสุดท้ายเราเดี๋ยวถ้าใครอยากจะถามต่อก็ได้ขอคุณป้าโอเคแล้วล่ะคุณป้าไม่มีอะไรละ ใช่ได้ใช่ได้แล้วค่ะคุณป้าจับตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้มารีพูดนะทุกคนเอาไปใช้ได้หมดเพราะนี่คือหลักทั้งหมดเลยอ๋อมันค่อยยังชัขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วจะหายแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะสาวขึ้นอีกอ่าเดี๋ยวเชิญเชิญครับค่ะมุทนาค่ะครับอยากจะถามว่าจิตเมื่อนั่งสมาธิแล้วตอกเข้าผวังเนี่ยเราจะเดินไปปราศนายยไงครับวังนที่มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณภาวนาแบบหลวงพ่อประมุ่นไหม เพิงมาทำมาช่วงหลังครับไม่กี่เดือนเองแต่รู้สึกตัวตลอดแต่ปัญหาคือเวลาผมตกเข้าวังมันตกจากที่สูงเนี่ยแล้วมันก็โป่งโล่งสบายเหมือนที่เืเด็บเน็บชาหายไปเลยอ่ะไม่ปวดไม่อะไรรู้สึกเบานอนไม่หลับด้วยออืแล้วถามว่าจะเดินวิปัสสนาอย่างไรครับตอนนี้ทําแบบไหนคะทำยังไงคือคือนั่งสมาธิหรืออะไรที่เป็นสมไม่ได้กำหนดลมหายห ใ, หใจอะไรนะผมแค่รู้สึกว่าลมหายใจมันลงไปตรงไหนผมก็อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ใ่แต่วันนั่นง ว, วันนั่งเท่าไหร่คะ คือนั่งทําเป็นรูปแบบชัดเจนใช่ไมสมัยก่อนนั่งตอนสิบกปีก่อน<ง>ตอนวัยรุ่นนั่ง ม, มาณสามสี่ชั่วโมงอนั่งแบบแ<ต>ไหนคะกรรมฐ า, านกองไหนคะแบบหลวงพ่อหลวงพ่อสดนะผมนั่งจนเห็นเห็นเห็นธาตุผมเห็นธาตุขันตัวเองออือยู่ในที่สว่างมากมซึ่งผมไปคุยกับพระอาจารย์ท่านท่านหมอปวดเลยผมบอกอ่าหมีบอกว่าคนเล่าบอกปวดไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่อืมแล้วทีนี้ผมผมก็เลยผมก็เลยผมก็ติดตรงนี้นนมั่งนานแล้วผมผมได้ตาที่สาม อืมคือคือเห็นเห็นในสิ่งที่คนไม่เห็นค่ะผมไปพูดให้ใครฟังเขาก็ดูผมพเพี้ยนนี้ไม่ต้องคุยกับใครอึดอัดค่ะเพราะว่าที่ที่พระอาจารย์ท่านสอนมาผมก็ทำได้หมดแล้วนะแต่ผมจะถามว่าไอ้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยเวลาเห็นด้วยใจเนี่ยผมก็เห็นนะผมกาหนดจิตที่เห็นพระพอาจารย์ผมก็เห็นพระอาจารย์นะอืแต่เห็นองค์พระผมก็เห็นองค์พระนะค่ะเพราะผมบวชอยู่ผมก็ผมก็เห็นหหหมมมดออออ่่่่่่่ะคืืรรรรูปปปาาาาางงงตๆไยเเเเเีี้้ววศิลลแ็นทส แต่ผมถามว่าเวลาเข้าผวังแล้วอ่ะจะเดินมิปั ส, สนาอย่างเนี้ยเพราะว่าหลวงพ่อที่ยังสอนว่าขวาคือมิปั ส, สนาซ้ายคือเคลียรพิญญาฌานก็คือผมก็เคยได้มาแต่ผมทิ้งผมกลัวมากเพราะว่าไม่มีใครสอนเพราะคนสมัยก่อนคนคนนั่งอย่างเงี้ยน้อยผมนั่งกับเพื่อนเนี่ยนั่งเล่นเล่นกันแล้วตอนนั้นวัยรุ่นชอบผู้หญิงเขาไหนผมก็มองแล้วผมก็ส่ ง, สงใจไปสะกิดเขาก็สะดุ้งเหมือนผีหลอกคันะั่มองผมผมว่าเออตายแล้ว คือคือผมก็ผมก็คิดว่ามันมีมันมีจริงแต่ว่ามันมันอันนี้ทั้งหมดคือคุณฝึกมาจากที่นี้ถูกไหมคะใช่ผมนั่งเอง<ค>นั่งอยู่สองปีค่ะครันนี้อโดยมารยาทเนี่ยนะคะถ้าคุณรับการบ้านที่หนึง่งมาถามอีกที่หนึ่งเนี่ยคนตอบจะลําบากใจมากเลยไม่คือคือเพเห็นเห็นหลวงพ่อท่านบอกว่าพื้นพื้นฐานมันเหมือนกันหมดแต่เหลักนนมันเหมือนกันหลักเหมือนกันหรือเปล่าใช่ต้องมาดูนะคะหลักนี้มีหลักเดียว นะถ้าคุณบอกคําว่าแม้กระทั่งตอนนี้คําว่าดูจิตอนี่ยแย่ไปหมดเลยคือจิตบ่งลงแต่การดำเนินจิตมันไม่เหมือนกันสักทีเวลาผมมองคุณมารีผมก็ไม่ได้ส่งจิตออกนะผมจะส่งจิตผมก็รู้สึกว่าผมส่งจิตออกไปผมก็นึงกลันคือผมทำให้ขนาดนั้นแล้วแต่ผมจะเดินต่อไปอย่างไรเพราะว่าผมไปบวชมาผมถามพระอาจารย์หลายท่านท่านก็คุณภาวนามาแบบเนี้ยคุณต้องกลับไปถามที่สํานักนั้นมันจะถูกต้องที่สุดถูกไหมเออถ้ามารีตอบนะมันข้ามสํานักอ่ะคุณนึกออกปะมันมันไม่ถูกต้องที่มารีจะ มันเป็นการบ้านที่หนึ่งไปตอบอที่ ท, ที่หนึ่งเนาะเมราะแบบฝึกอลกวยงก้าผมก็ฝึกที่บ้านนะผมก็ฟังคิดยูทูบผมก็ฝึกที่บ้านค่ะก็ก็เอ า, าใจไปแตะแตะตรงไหนผมก็อยู่ตรงนั้นนะ่่ะะคผมนั่งจนแบบว่าตัวหายจนเห็นน่าจะเป็นตัวรู้อ่่ะะคผมมีความรู้สึกตัวพอถอนจิตออกมาปุ๊บผมรู้สึกว่าโอ้โหเมคคิวมันกินแข็งสุดเลยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็นแบบที่ผมเคยทํามันคือปลอกโล่งสบายค่ะคือตัดมันทิ้งแล้วก็ตัดทั้งร่างกายทิ้งเลยค่ะจนแบบว่า เออเรารู้ว่าใช่แล้วหลวงพ่อมามุ่ทัานผู้ถูกคือจิตจิตก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งเพราะนั่งจนัวหายหมดแล้วค่ะหรือแต่โตรู้แต่มันเหมือ น, นก็เป็นควันหรือเป็นเงาหรือเป็นอะไรสักอย่างเป็นพลังงานอย่างหนึง่งที่เราสามารถสัมผัสสิ่งรอบๆได้เพราะชีวิตผมเคยถอดจิตได้สองรอบรอบแรกคือตอนฝึกกับหลวงพ่อสดผมเห็นเห็นร่างกายตัวเองนอนแต่ผมรู้สึกตัวตลอดนะพลิกซ้ายพลิกขวาก็เห็นแต่พอเห็นเห็นหน้าตัวเองปุ๊บผมตกใจตื่นขึ้นมาว่เฮ้ยนี่ไข่อ่ะผมเห็นตัวเองนี่ยังไงอ่ะแล้วพอไปวัดทํำที่วัดป หลวงพ่อขันตีผมพอผมลงมานอนที่บ้านญาติผมก็ว่าถอดจิตอีกเห็นเห็นคนนู้นคนนี้ตื่นตีสามตีสี่ไปเปิดเปิดร้านผมวเอ๊ะทําไมแจ๊ะไม่ปลุกผมอะผมก็ผมตื่นแล้วนี่อา้าวปลุกเองอะไรเองก็นอนอยู่อา้อาวเหรอนอนได้ไงผมเห็นแจ๊นอนอยู่แจ้ะเป็นคนเข้าห้องน้ไม่ใช่เหรอเออใช่แล้วรู้ได้ไงผมก็เงียบๆผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร เพราะแต่ไปบัตบัติทำพ่อมันก็ด่าพ่อขอมันที่ไม่ปรึกษาสถานที่ที่คุณภาวนาล่ะมันจะง่ายที่สุดเลยคือผมเอาเอาสาทุกอย่างมาผสมกันมาประยุกต์ด้วยตัวเองโอเคถูกต้องทีนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะเดินทางไหนมีถึงบอกนี่แหละที่เวลาผมนั่งนั่งทำสมาธินี่ยอืมพอผมเพ่งไปที่ลูกแก้วแล้วผมย้ายจิตมาที่ตาตาผมก็สว่างสว่างแบบว่าบางครั้งผมกเห็นเห็นขาตัวเองมาล้ผหัวผมหวผมตกเนี้ยเพรผมทิ้งร่างกายผมผมย้ายไปที่จิตผมเห็นขาตัวเองมองผมก็ ผมบอกว่าผมว่าผมไม่ได้หลับนะเพราะว่าผมก็พยายามเบ้าตาแน่แนๆพวกมองเอื่มก็เห็นขานะพอเงยหน้าขึ้นมาผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออผมก็นั่งอยู่แต่ไม่เห็นตัวเหมือนก็นั่งแล้วมองไปแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรข้างนอกยังไม่ยังไม่เห็นแต่รู้สึกว่าตัวเองก็นั่งอยู่คือคือผมก็เลยถามใครจริงๆเพราะตอนนี้สายหลวง ป, ปู่มั่นก็มีอยู่ไม่กี่องค์น้อยมากเลยแล้วแต่ละคนก่อยู่ในปานะ่าทั้งนั้นหลวงพ่อวิระยังยังอยู่เนียคะ เออถ้าคุณเคยฝึกผมก็ไปเรียนผมตอนผมวัดอยู่ผมก็ไปเรียนผมก็กลับไปถามผู้รับกเรอมก็ไปเรียนอยู่แต่ว่าเรียนแล้วมาลองทําไปลองถามพระอาจารย์ท่านท่านท่านก็ท่านก็เป็นพระนะฮะพูดบางทีพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผิดศีลน่ะแต่ถ้าเนื่องด้วยการภาวนายังไงก็พูดได้นะคะถ้าเนื่องด้วยการภาวนาไม่ได้อวดอุตริค่ะใช่แต่ว่าบางทีท่านท่านก็ไม่แน่ใจท่านก็ไม่ตอบคือคือคุณทําหลายสํานักมานี่แหละคือคือสิ่งที่คุณเดินอยู่จิตคุณเดินอย่างนั้นน่ะนะคะ คันนี้คุณมาถามมารีเนี่ยแล้วมีตอบข้ามสํานักอ่ะคุณนึกออกเปล่ามันไม่โอเคหรอกถูกเปล่าอ่ะมันผิดมารยาทโดยสิ้นเชิงเนาะเอออเานอกไม่ไหมดีครับดีชอบนะคะถ้าในไม่เยังไงมารีก็ไม่ตอบครับยังไงเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่ได้ค่ะนอกรอบแล้วยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่มารีช่วยสรุป <จ>สรุ ป, ย, ปยังมีสรุปอีกเหรอจริงๆ จ, จบไปแล้วนะไม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปิดซีดีไม่ได้โอเดี๋ยวปิดซีดีไม่ได้นะคะเพราะฉนั้นตอนนี้เราจะเห็นเลยนะคะต้นทางของการภาวนาที่เราใช้คําว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยซึ่งเรารู้สึกมันลึกลับจริงๆไม่ได้ลึกลับเลยนะคะต้นทางทั้งหมดก็คืออยู่ที่กายกับใจนี่แหละนะคะแล้วทางศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ เป็นวัตถุประสงค์สูงสุดก็คือพ้นทุกข์สิ้นเชิงทางด้านจิตใจนะคะแต่คนในโลกใบนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราพ้นทุกข์พ้นทุกข์ยังไงเพราะคนทั่วไปยังไม่รู้เลยตั้งแต่ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนและเป็นยังไงนะคะวันนี้อย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่าทุกข์มีทุกกายกับทุกใจแล้วทุกครั้งที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะความอยากอยากไปทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะฉะนั้นนักภาวนาเวลาที่เราลงมือทํานะคะเราก็มาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายกับใจเพราะความอยากทั้งหมดเกิดจากการที่เรายอมรับความเป็นจริงไม่ได้นะคะเราก็มาพาจิตเนี่ยมาเรียนรู้กายกับใจที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐานเมื่อเราเรียนรู้กายกับใจได้แล้วเรารู้ทันจิตใจนี้ว่ามันเป็นอย่างไรสิ่งที่เราได้มาคือศีลอัตโนมัตินะคะทุกทั้งที่เราเห็นกายระลึกลงความเป็นอยู่ว่ากายเป็นยังไงจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงยังไงเราได้สติ สติตัวนี้นะคะมันต้องประกอบด้วยสมาธิที่ประกอบด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจากนั้นเมื่อเราพัฒนาสติพัฒนาสมาธิสองตัวนี้ปัญญาจะเดินต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่หลวงปู่ดูลฝากไว้แล้วเราต้องเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะคะช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนากันออกไปด้วยกายกับใจของเราค่ะอนุโมทนาทุกท่านค่ะ ศาสตถูกครับก็ขอบพระคุณกราบขอบพระคุ ณ, ค, ณคุณมาลีมากๆในวันนี้นะครับพวกเราโชคดีสุดๆครับเพราะว่าวันนี้เหมือนกับว่าเราได้ของขวัญกลับบ้านกันทั่วหน้าทุกๆท่านเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมีกรุ๊ปที่มาจากเชียงรายนะครับขึ้นเครื่องบินมาลงเครื่องบินตอนเช้าแล้วก็เรียนกับคุณมาลีตอนบ่ายแล้ววันลุ่งขึ้นก็ขึ้นเครื่องบินกลับเชียงราย ของเราไม่ต้องไปไหนเลยคุณมารีมาให้ของขวัญกับเราทุกๆท่านเลยครับขอพระคุณคุณมารีจริงๆจากใจแล้วก็เชื่อว่าทุกๆุกคนคงรู้สึกเหมือนได้ตอนตอนเช้านะฮะเราก็รู้สึกเหมือนเราขึ้นเครื่องมารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกำลังจะขึ้นเครื่องขากลับเราก็ได้ของขวัญกับขึ้นเครื่องกลับบ้านไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเปิด โลกัศน์ภายในของเราให้ได้มีโอกาสได้ได้ภาวนาต่อจากที่เราอาจจะเคยติดหรือเราอาจจะอาจจะยังเคยสงสัยอะไรต่างๆเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้และสิ่งที่พี่มารีได้บรรยายในช่วงเช้าเนี่ยจะช่วยต่อยอดให้กับเราแล้วก็ช่วยช่วยปลดล็อกสิ่งต่างๆที่เรายังสงสัยอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าทุกๆท่านที่ถามมาในช่วงแรกเนี่ยนะครับ ทุกทุกท่านเป็นนักภาวนาทางนั้นเลยแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่เ ร, เราใช้คาว่ายังไงก็ต้องผิดคือภาวนายังไงก็ต้องเดินผิดแต่ว่าเราผิดเพื่อที่จะหาแนวทางที่มันถูกต้องแล้ววันนี้ฮะเรากำลังเจอหนทางตรงนั้นนะครับ อ, อ, อยากจะขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ สุนิสาชื่นเจริญสุขนะครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับมอบของที่ระลึกให้กับคุณมาลีครับจะเชาาด้วย